เกจตรอืมไอ้ผู้ใดมาทำเกษตรยุคผ่านไปสองข้าง แล้วนอกรอ ด, ดาเป็นไงบ้างวันนี้เขาจะศึกษาในเรื่องของอริยศัสตร์เนาะงั้นเดี๋ยวเริ่มได้ยังเนี่ยเอออันรอแบบหนึ่งเนาะเนียเนียนิยศสตร์เนะาะแล้วใครเคยเรียนมาบ้างอย่างนินยาศาสตร์เนี่ย เนี่ย nee. แบบย่อเนาะเรียนแบบเอาไปใช้เยเรียนแบบเอาไปเอาเอาไป่ได้เรียนให้คิดได้เนาะแล้วจะเรียนยังไงเรียนให้คิดได้่บอก เข้าใจนะแล้วอ่านนี้หมดที่ไหมอ่านนี้หมดที่อ๋อเพิางจบอกว่าความสมสายสิประการยค่ะอ๋อจะละได้ยังลได้ความสสยประการเอาอะไรไปละเอ่าแ้วบอกว่าประธานเออเอาอะไรไปละเอาอะไรไปละ ทารโดยสมาธิหรือทด้วยปัญญาทาราดโดยสมาธิก็วิขัมปัญะาทาราดด้วยปัญญาก็าทางครับ าสนาปัญญาเริ่มต้นก็เป็นแต่ทางข้าพภารเนะเป็นโลภุตราวิปัญนานีา้กรกสอนเรื่องปัญญาไปัญาแสอนปัญาไข้าภปคงัยะาอ๋อเป็นแต่ทางข้าพาร กานรที่แบเ้้ยยออปตตรรนนะัััาวดงบ สัญญาเวทยีต่างนี่โรธ ใช้เคยใช่ใชอหมทำไมใช้ความจำมากกว่าการจะไปขีดไปเขียนหนังสือทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขาต้องมาเริ่หมหัดทำเมื่อหัดทาใหม่เนี่ยนี่เป็นเรื่องแปลกของในความรู้สึกของเอามาเลยไปใช้ใช้ความจำเอเลยไม่ดีเลยนี่นี่นี่ประพงเรียบร้อยเนาะ ยังไม่ปรับหน่อยจะได้ระวังหน่อยหนึ่งดีดีโอเคโอ้ด้เรียนอาวุโสจะเป็นเรื่องยาวเลยนะี่เรียนแบบสังเข็แล้วก็ไปพิสดารทีหลังนี้มั้ย มาวมานี <ítulo> ้ไปเป็นคนทำการงานไม่เสร็จมาเยอะแยะหมดเลยเป็นอนาคุลามันเลยเป็นนาคุลาจากรรมมันตาการงานที่ค้างๆอาอากรไม่เป็นมงคลเลยพร้อมหรือยัง ระหังสัมมาสัมพุทโธผะคะวาผูทางผะคะวันตังอะพิวาเทสวะคาโตผะคะวะตาธรมโมธรรมังนมสามิ ตูปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโกสังฆนามินาโมตัสสะภาคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาคาวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสะมะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาแล้วมมลก็ขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายนยตั้งใจในการที่จะสดับพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัน ในครั้งนี้ก็ปารบในการศึกษาคำสอนของพระเจ้าในเรื่องของอริยสัจ ท, ที่จิงการคุยการสนทนาในเรื่องของอริยสัจเนี่ยไปอยู่ในบับสุดท้ายของสติปัฏฐานสูตรนะแต่แต่ก็มีเหตุอะไรหลายๆอย่างนะผลักดันให้เราท่านทั้งหลายจะต้องรีบมาต้องศึกษาไปก่อน เพื่อจะต้องสรุปลงอริยาศาสตร์ให้ได้ก็ได้วัตถุประสงค์ก็คือคงจะปรารถนาอยากจะรู้ความจริงเงินประเสริฐที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้นี่ใช่ไห ม, ไหมถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้อะไรเนี่ยสรุปกันที่เราศึกษามาตั้งแต่เด็กๆได้ซ้ําไปก็บอกว่าตรัสรู้อริยสัจสี่ทั้งๆที่เราก็ไม่เคยรู้กันหรอกว่าอริยาาสัจสี่เนี่ยมันคืออะไรหมายถึงอะไรเป็นต้นเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เลยต้อ ง, องมาศึกษาในเรื่องของอริยสัจ ท, ทีนี้ในสัจจะทั้งสี่ประการเนี่ยถ้าดูจากความหมายหรือจากความจริงที่เราศึกษาคำสอนของพุทธเจ้า ก, ก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจอริยสัจเนี่ยถ้าหากว่าโดยศัพท์การทำความเข้าใจเบื้องต้นจริงๆท่านก็จะมาแยก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 แต่ปรารถนาที่จะคิดเองแล้วก็ตัดสู้เองเนี่ยแล้วไม่ใช่ประเภทที่คิดเองแล้วตัดสู้เองแบบประเภทที่เป็นปัจเจกับพุทธะด้วยคือตัสรุเบ็เสร็จแล้วก็ไม่ปรารถนาประกาศอริยสัจให้กับบุคคลอื่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระเจ้านั้นพระ อ, องค์ทรงปรารถนาเป็นสัมมาสั ม, สมสโพที่นี่ไหมปรารถนาสัมมาสัมโพธิยา ن ทีนี้บุคคลที่จะปร า, า, ารถนาสัมมาสัมโพดิยาณ น, นี่ก็คือปรารถนาในการที่จะแทงตลอดอริยสัจด้วย แล้วก็ปรารถนาให้บุคคลอื่นนั้นน่ะแทงตลอดตริยาสัตว์ตามตนเองด้วยฉะนั้นการปรารถนาการตั้งอัธยาศัยของพระบรมศ า, ศาสดาที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งด้วยครับถามว่าบุคคลที่จะคิดอย่างนี้ได้นะั้นน่ะไม่ใช่คิดแบบเป็นคนที่ไม่รู้ข้อมูลท่านต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลอย่างดีว่าถ้าตนเองจะปรารถนาอย่างนี้แล้วเนี่ย สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นน่จะโถมทับเข้ามานั่นน่ทั้งปัญหาและอุปสรรคตลอดถึงสังสารวัฏอันยาวไกลที่ตนเองจะต้องประสบพบเจอนั้นคือต้องอะไรฉะนั้นบุคคลที่จะคิดแบบยิ่งใหญ่ขนาดอย่างพระผู้มียภาคเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านเดินทางมาอย่างยาวไกลในการสั่งสมบารมีเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากหลายๆท่านถ้าหากว่ารู้เส้นทางการเดินทางของ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 เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้านั้นน่ยทรงขับเน้นตลอดทุกอัตทุกพยัญชนะคําสอนของพระบรมศาสดานั้นถ้าสรุปลงอริยสัจไม่ได้ก็แปลว่าการศึกษาคําสอนนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงจุดท่องแท้ของของความจริงของศาสนาใช่ไหมแล้วท่านเหล่านั้นจักบรรลุธรรมไม่ได้ฉะนั้นเราศึกษาในสติปัฏฐานเนี่ยให้สังเกตดูที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาณาปานา บ, บก็จะสรุปลงอริยสัจ ียบทบาปก็สรุปลงอริยรสัจสัำปัญ ญ, ญายบาปปฏิกูลมนุสิการบัปทาตุมนุสิการบัปแล้วก็ป่าชาทั้ง9้าเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาแม้ในบัปสุดท้ายนียสัจจะ บ, บพะท่านก็มาแสดงเขาไว้นั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกการการที่ว่าจะต้องสรุปลงอริยสัจให้ได้ฉะนั้นคําสอนที่พระเจ้าทรงสแสดงนีทุกสูตรเป็นอย่างนี้หมดอันนี้บ่งบอกถึงอะไร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 ในสังสารวัฏที่ผ่านมานั้นเน่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากอริยสัจเนี่ยสัจจคือความจริงคือทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี่ยสัตว์โลกเกี่ยวข้องมีตลอดเวลาเลยเนยีแต่สัตว์โลกเนี่ยไม่รู้มรรคสัจแล้วก็ไม่รู้นิโรธาสัจ ต, ตรงนี้ในความหมายเนี่ยนะพอเราพอจะเริ่มมองเห็นลู่ทางในการที่เรามีความจําเป็นในการที่จะศึกษาอริยสัจแล้วเนี่ยในคําสอนของพรุทธเจ้านี่เนี่ย พาริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระปเจกับพรุทธเจ้าสาวกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็แทงตลอดสัจจทั้งหลายเหล่านั้นตรงนี้นะในคําสอนตรงนี้ท่านบอกว่าเหล่าพาริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมแทงตลอดสัจจานั้นดังนั้นสัจจานั้นจึงชื่อว่าอริยสัจเพราะอะไรเพราะเป็นสัจจที่พาริยะพึงแทงตลอดจึงชื่อว่าอริยสัจจึงชื่อว่าอริยสัจ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 เราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่เราปรารถนาปรารถนาต้องการอยากจะเป็นหนึ่งในรัตนไตรใช่ไหมต้องการที่จะถูกหรือว่าผลักดันตัวเองให้เข้าไปเป็นหนึ่งให้ได้ในรัตนไตรันั้นจะเป็นพุทธรัตนะเพิกแทงตลอดธรรมรัตนะหรือเป็นสังขรัตนะไม่ว่าจะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะก็คือสภาวะที่ดับทุกข์ใช่ไหม สภาวะที่ดับทุกข์ถ้าเราเข้าถึงรัตนะไม่ได้แล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าปรารถนาอย่างนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ยเราพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นน่ยท่านแทงตลอดอะไรแทงตลอดอริยสัจฉะนั้นถ้าจะเป็นสังขรัตนะเนี่ยนะจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นพระอริยเนี่ยท่านทั้งหลายพระอริยะไม่ได้ไปแทงตลอดอย่งอืนพระริยะนั้นต้องแทงตลอดอริยสัจ คือความจริงของปริยเนี่ยนะตรงนี้ท่านถึงตัดเรียกว่าอริยสัจ ท, ทั้งหลายที่ท่านใช้คำบอกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี่แหละอริยสัจจากทั้งสี่ประการสี่ประการเหล่านี้อริยสัจสี่ประการเป็นชนนหทไหนน่แหละทุกขาริยสัจจาทุกขสมมูทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคาเมนีปฏิปทาอริยสัจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจจะทั้ง4ประการเหล่านี้แลภาริยาทั้งหลายย่อมแทงตลอดซึ่งอริยสัจจะทั้งหลายเหล่านี้เพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าอริยสัจจะทั้งหลายสัจจะทั้งหลายของภาริยะพึงแทงตลอดใช่ไหมผ้าริยาทั้งหลายเนี่ยพึงจะแทงตลอดอันนั้นในมุมแรกส่วนอีกมุมหนึ่งอีกในหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอริยสัจ ก, ก็คือสัจจะของพระตถาคตผู้เป็นภาริยะ พัตถาคตหรือพระพุทธเจ้าเนี่ผู้เป็นพระอริยะเพราะพระอริยสัจเพราะอริยสัจนั้นน่ะเป็นสัจจะของพระตถาคตเนื่องจากเป็นสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงตัดสู้เองเมื่อพระ อ, องค์ทรงตัดสู้เองแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงสั่งสอนและบุคคลอื่นก็พึงได้จากได้รู้ได้ตัดสูส้จากการที่พระ อ, องค์ทรงประกาศทรงสั่งสอนนั้นฉะนั้นอริยสัจในมุมนี้จึงเป็นสัจจะของพะตถาคต เป็นสัจจะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสัจจะที่ที่ทำให้สําเร็จหรือเป็นสัจจะของพระตถาคตผู้เป็นพระรยาพระรยะสัจจะนั้นเป็นสัจจะของพระตถาคตเนื่องจากอะไรเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสู้ได้ด้ว ย, วยตนเองและตัดสู้แล้วไปเสร็จพระองค์ก็สั่งสอนหรือประกาศเปิดเผยใช่ไหมทําให้แจ้ง ทำให้แจ้งบางทีท่านก็ใช้คําว่าทรงประกาศด้วยเปิดเผย ด, ด้วยทําให้ตื้นด้วยปกติเนสัจจะนิลึกลึกทุกสัจจะทั้งทุกขสัจจะทั้งสมุทัยสัจจะทั้งนิโรธสัจจะและมรคสัจจะเป็นอัถ ฐ, ฐที่ลึกแต่สิ่งที่ลึกเนี่ยพระองค์ก็มาเปิดเผยมาทําให้แจ้งแล้วก็ทําให้ตื้นใช่ไหมถ้าไม่มีอย่างระดับพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดเผยเบ็ดเสร็จก็ เราท่านทั้งหลายก็หมดโอกาสที่จะรู้สัจจะคือความจริงอันนี้เราอยู่กับสัจจะอันนี้แหละทุกกระสูดไทยเนี่ยแต่เราไม่ไม่เคยรอบรู้แล้วเลยไม่เคยไม่เคยเข้าใจว่าเราจะต้องละอย่างไงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งถ้ า, ากสักจจะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่บอกว่าอริยสัจจะทั้งหลายเพราะอาจว่าเป็นสัจจะของพาริยะดังที่ได้กล่าวเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทศกัณฐ์าาเป็นอริยในหมู่สัตว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 ท่านในอย่างเห็นสัจจะทั้งสี่ประการแล้วในะท่านจึงได้เป็นพาริยะอีกความหมายหนึ่งสัจจะนี่นยะอริยสัจเนี่ยคือสัจจะที่ควรรู้เพราะเป็นสภาวะที่ควรอย่างรู้โดยไม่แปรปรวนตรงนี้ท่านก็เลยให้ไว้สามความหมายแบบยอ่อๆในสามความหมายก็คือว่าเออสี่ความหมายนะสัจจะมีสี่ประการเนี่ยนะให้ไว้สี่ความหมายแบบยอ่ๆอๆเขาไว้นี่นยะ ในสี่ความหมายเนี่ยก็หมายความว่าสัจจะที่ภาริยะพึงแทงตลอดนี่ความหมายแรกความหมายที่สองก็คือเป็นสัจจะของพระตถาคตผู้เป็นภาริยะในความหมายที่สามก็คือว่าสัจจะที่ทำให้สำเร็จเป็นภาริยะส่วนในความหมายที่สี่ก็คือสัจจะที่ควรยังรู้ ควรรอบรู้เนี่ยนี่สี่ความหมายสัจจะที่ภระริยพึงแทงตลอดนั้นมาจากคาว่าอริยะปฏิวิชิตับพังสัจจังอริยสัจจังนเนี่ยนะส่วนสัจจะของพระตถาคตผู้เป็นภระริยมายจากคาว่าอริยสสัสจังอริยสัจจังเ่ยสัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นภระริยก็มาจากคาว่าอริยะสาธกังสัจจังอริยสัจจัง ส่วนสัจจะที่ควรยั่งรู้คืออริยสัจจงอริยสัจจ์อันนี้ท่านก็แยกเป็นตามภาษาบาลีที่ท่านแยกไว้ให้ให้ความหมายของสัจจะไว้สประการแต่ในสี่ประการก็ไล่ไปตามลําดับดังที่ได้กล่าวก็คือในความหมายอริยสัจจ์ทั้งหลายผู้อา จ, จว่าเป็นสัจจ์ทั้งหลายอันเบอรนะ์เสดฉะนั้นอริยานีิผู้อา จ, จว่าเป็นของแท้จริง เป็นของที่แท้จริงเป็นของไม่ไม่ผิดอวิธานี้ไม่ผิ ด, ผดคือไม่เป็นของคาดเคลื่อนเหมือนอย่างที่ตรัสบอกว่าอีมานิโขภิกเวจัตริอริยสัจจานิตตถานิอวิธานิอนัญญถานิตัสมาอริยสัจจานิติวุจจันติ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจจทั้งสเหล่านี้เป็นของแท้จริงเป็นของไม่ผิด ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอริยสัตว์ทั้งหลายสัจจะทั้งหลายอันประเนี่ยตรงนี้ก็ท่านก็เลยให้ความหมายเขาไว้ตรงนี้ก็คือความหมายตรงนี้ก็ทําความเข้าใจในใ น, ในชั้นความเข้าใจอย่างนี้เนาะทีนี้ประเด็นเนี่ยนะประเด็นความหมายที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจก็คือนี่นเป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วทีนี้ในครั้งนี้ก็คือเมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยนเรื่องของอริยสัตว์อย่างเนี้ย ประเด็นต่างๆที่จะต้องเข้าใจก็คือประเภทของลักษณะประเภทของลักษณะนะ่ะทุกทุกขละทุกขสัจจะมีอัตถวเบียดเบียนเป็นต้นแล้วเนี่ยเนีเรีามีการเบียดเบียนเป็นลักษณะมีความทําให้เร่าร้อนเป็นลดนี่นะมีความเป็นไปมีความเป็นไปเป็นปัจจุบนันเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นอัตของทุกขสัจเดี๋ยวเราจะไปขยายและทําความเข้าใจส่วนสมุทยสัจจะก็เหมืนเหตุนะ เป็นเหตุเป็นแดนเกิดเป็นลักษณะมีการกระทําเข้าไปตัดเข้าไปตัดรักษาเนี่ยนะมีการกระทําไม่เข้าไปตัดรักษาเนี่ยเป็นเป็นกิจไปแล้วก็มีการพัวพันเป็นปัจจุบันส่วนนิโรธสัจจาก็คือมีความสงบเป็นลักษณะสันติรักนังนี่นะมีการไม่จุติเนี่ยเป็นรักษาเป็นกิจแล้วก็มีการไม่มีนิมิตเป็นปัจจุบันเป็นอาการปรากฏมรรคสัจก็มีการนําออกเป็นลักษณะมีการ อาหารกิเลสเป็นกิจแล้วก็มีการออกไปเป็นปัจจุบันฐานอันนี้ก็ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้ก็มาทำความเข้าใจในเรื่องคาว่าอัดของสัจจะเป็นต้นเรานเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวดูความหม่ตรงนี้ถ้าหากเรามาพูดกันแบบมุมมุมย่อๆก่อนเห็นไหมไม่ใช่มุมแบบกว้างขวางถ้ามุมอย่างลักษณะอย่างย่อๆก่อนก็คือว่า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 เดินมุมในครั้งแรกก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นน่ะเข้าใจความจริงในการที่จะศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ชัดขึ้นนสะสักครูพูดถึงในเรื่องของทุกข์ขัดที่มีอัตว่าสังขัดโถเป็นต้นน่ะมีอัตว่ามีปัจจัยประชุมปรุงแต่งประการหนึ่งนะ ส, สันตาปโถก็มีอัตว่าเดือดร้อนเนี่ยวิปริณา ม, มากก็มีอัตว่าแปรปรวนเนี่ยนะ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 ตัวนี้ท่านย่อไว้ก่อนแล้วจะขยายสับในอีกทีหนึ่งในช่วงเวลาประมาณชั่วโมงก็คือว่าในความหมายคำว่าทุกเนี่ยนะในคาว่าทุกขังเนี่ยทุกขังเนี่ยมีความหมายว่าหน้านารังเกียจหรือทุกทุกอักษรหรืออักขระนั้ น, น, นก็แปลว่าพึงเกลียดหรือหน้ารังเกียจ น, นี่ยคือเป็นที่ตั้งของอันตรายอย่างมากมายท่านจึงเรียกว่าทุก ทุกขังเนี่ยนะตรงนี้ท่านก็ยกตัวอย่างชาวโลกเรียกบุตรที่น่ารังเกียจว่าทุบบุตโตแปลว่าบุตรชั่วหรือบางแห่งท่านใช้คําว่าทุรปุตโตเนี่ยอันนี้ทุกทุแบบุตโตแปลว่าบุตรชั่วใช่ไหมส่วนเอาขังเนี่ยศัพท์เนี่ยนะมีความหมายว่าว่างป่าเพราะชาวโลกเรียกท้องฟ้าที่ว่างเปล่าว่าขังขังแปลว่าท้องฟ้าแปบลบว่าท้องฟ้าหรือคําว่า ขังปุบผังเนี่ยแปลว่าดอกฟ้ามีอยู่จริงไหมดอกฟ้าน่มจริงไหมดอกฟ้าคู่กันเลยไม่รู้ <c oughs> <c oughs> จริงๆดอกฟ้าไม่มีจริงอะ ม, มันว่างใช่ไหมเพราะเพราะฟ้ามันก็ไม่มีเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรต่างๆหรือนี้ใช่ไหมมันก็ว่างเนี้ยแล้วดอกมันเป็นไงศ <c oughs> <c oughs> ูนย์เปล่า ทีนี้กรณีในลักษณะอย่อริยสัจข้อแรกเป็นที่น่ารังเกียจเพราะเป็นบอกเกิดของอุปัตวะพยันอันตรายต่างๆถามว่าพยันอันตรายต่างๆมีเยอะไหมพยันอันตรายต่างๆถ้าต้องการอย่างจะทราบว่าพยานอันตรายต่างๆถ้าในความหมายของกัมพิลสุติมักถ้าเอาทุกสี่สบสมาขยายทุกสี่สอย่างนี้มาขยายอย่างนี้ อันนั้นไม่ต้องพูดถึงทุกภยัภยภยัยภายนอกในะ น, นี้ทุกภายในที่ที่แย่ที่จริงคําว่าทุกเนี่ยอริยศาสตร์ข้อแรกที่น่ารังเกียจเพราะเป็นบอกเกิดของอุปัตวาอันตรายทั้งหลายเป็นสินที่ว่างเป่าเพราะไม่มีความเที่ยงความสวยงามความสุขความเป็นตัวเป็นตนนะที่พวกคนเขาหรือคนพานเนี่ยเขาตำหี่ขึ้นคนเขาหรือคนโง่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ตาหลี่บอกว่าสุขเนี่ยมีอยู่จริง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 ภารชนคนที่ขาดปัญญาหรือคนที่หาปัญญาไม่ได้ก็ดำลี่ว่าเที่ยงนะ ด, ำ ด, ำ MM, ดำลี่ว่างามดำลี่ว่าสุขแล้วก็ดำลี่ว่าเป็นตัวเป็นตนที่จริงล้อันภระยาเจ้าทั้งหลายท่านสําคัญว่าท่านสําคัญด้วยสัญญาว่าพึงเกลียดภระยาท่านหลายท่านสําคัญด้วยสัญญาเนรพึงเกลียดพึงรังเกียจเพราะอะไรถึงรังเกียจทุกพระรยาเจ้าทั้งหลายท่านบอกเป็นที่ตั้งของอุปัตวะโดยแท้โดยประการต่างๆ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 สังสารวัฏอย่างยาวไกลอย่างยาวนานกลับไปกลับมาในสิ้นกาลช้านานนับชาตินับพบไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะทุกนั่นแหละที่ติดตามเบียดเบียนอยู่ทุกๆชาติไปเนี่ไม่มีชาติไหนเลยไม่มีปฏิสนธิเป็นต้นไหนเลยเนี่ยที่จะไม่มีความทุกข์นั้นคอยเบียดเบียน บ, บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในลักษณะอย่างเนี้ท่านจึงบอกว่ามัน คนาณเท่านั้นที่ดำริหวังไปในอนาคตว่าจะได้รับความสุขมันจะดีขึ้นแต่คนที่มีปัญญาทั้งหลายที่เขาเข้าใจความจริงของสังสารวัฏอย่างพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านมีความสำคัญถูกท่ามสำคัญว่าพึงรังเกียจเพราะเป็นที่ตั้งของอุปปัฏวะพยานอันตรายต่างๆมากมายนักกว่าเลยนั้นทำอภจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นทันทีบอกว่าทุกต่า ง, า ง, างเนี่ย ถามว่าถ้าจะเบียดเบียนทุกนั่นเขาเบียดเบียนใครเนปาธกังทุกขังเนี่ยถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ในการใดสัตว์ทั้งปวงก็จะไม่ลำบากเพราะทุกข์กับทุกเพราะวิปริณามะทุกข์เพราะสังขาระทุกข์ใช่ไหมแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่แท้ที่จริงทุกเหล่านี้ก็เบียดเบียนเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นชีวิตเป็นหญิงเป็นชายเนะหลีกหนีชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นเนี่ยไม่พ้นก็เวียนวนท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ กลับไปกลับมาสิ้นกาลรรช้านแนเนยเนี่ยเราแท่นทั้งหลายเนี่ยเวียนไปเวียนกลับกันมาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้า น, ล, า น, ล, านล้านรอบเนี่ยแต่มันไม่มีปัญญาในการที่จะออกจากทุกข์ในสุจจริงๆเราไปชื่นชมอ่ะชื่นชมทุกข์อะไปยินดีในทุกข์เนี่ยไปเพลิดเพลินในทุกข์เนี่ยแล้วก็ในสุจจริงๆก็ไปเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของที่ดีได้เป็นของที่เราควรจะตั้งความหวังไวก้กับทุกข์ ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันใช่ความหวังที่นะนมันตัวทุกข์ใช่ไหมนี่เราก็ไปตั้งความหวังด้วยตัณหาบ้างด้วยมานะบ้างด้วยทิฏฐิบ้า ง, างในคําสอนตรงนี้ท่านจึงบอกในทุกมาจากคําว่าทุกข์สับขังขะนั่นก็ขาดสั์ก็ที่ท่านวิเคราะห์เนี่ยคําว่ากุศิตังทุกข์กุศิตังขังทุกข์ขังทุกข์คือสภาพว่างเปล่าและน่ารังเกียจนี่ท่านก็แยกตับกุศิตะเนี่ยแปลว่าน่ารังเกียจ ขา่าสับนั้นมีความหมายว่าตุจฉะแปลว่างเปล่าว่วางเปล่าในที่ น, นั้นคือไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารด้วยไม่มีแก่นสารด้วยปราศจากแก่นสารด้วยอะไรไร้แก่นสารอะไรไม่มีแก่นสารอะไรอะไรอะไรปราศจากแก่นสารไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารอะไรเลยก็มาพิจารณาดูที่ว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขูวิญญาณเสด็จเตวียนก็ไล่ไปเถอะขันห้าญาตนาแล้วก็ธาตุที่มันหมุนไปอยู่เนี่ยไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารไม่มีแก่นสารของความงามอยู่ในนั้นไม่มีแก่นสารของความสุขอยู่ในที่นั้นไม่มีแก่นสารของความเที่ยงอยู่ในนั้น ไม่มีแกนสารของความเป็นตัวเป็นตนอยู่ในที่นั้นใช่ไหมแกนสารของความยั่งยืนก็ไม่มีไม่มีหรอกท่านก็เลยบอกว่าเหมือนอลไรต้นอ้อไม่มีแกนไร้แกนปราศจากแกนใช่ไหมต้นท้องหลางไม่มีแกนไร้แกนปราศจากแกนหรือต้นกล้วยไม่มีแกนเง้ไร้แกนปราศจากแกนตอมน้าไร้แกนไม่มีแกนปราศจากแกนฟองน้ำใช่ไหม ฟองน้ําก็ไม่มีแก่นไร้แก่นก็ปราศจากแก่นแล้วก็ฟองน้ําตอมน้ําไม่มีหมดเปอร์เสร็จเลยต้นกล้วยใช่ไหมพยับแดดตลอดถึงนักมายากลไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นเป็นต้นเนี้ยมันไม่มีแกนสารอย่างนั้นแหละแล้วก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่าโอ้เรามาอยู่ในสิ่งที่มันไม่มีแก่นใช่ไหมไรแก่นแล้วก็ปราศจากแก่นถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าในความหมายที่บอกอริยสัจ ข้อแรกที่บอกทุกเนี่ยบอกโอ้เป็นสัจจะที่พระริ ย, ยาเจ้าพึงเสพจริงๆนะบอกงั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าอุ ป, ปาทานขันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นจึงน่ารังเกียจเพราะมันว่างว่างจากแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นฉะนั้นอริยะจึงทุกข้อแรกที่เป็นอริยสัจเพราะเป็นสัจจะที่พระริ ย, ยาเจ้าพึงแทงตลอด เป็นสัจจะของพระธรรมคตผู้เป็นภระริยะเป็นสัจจะที่ทําให้สําเร็จเป็นภระริยะเป็นสัจจะ พ, งพึงอย่างรู้พึงรอบรู้อยู่มะลำดับแรกก็มาพิจารณาเลยในคําสอนที่พระเจ้าตัดวิชัชนาไว้ในธรรมจักรหรือในคําสอนต่างๆที่ท่านใช้คําว่าเกเทตุกมยตาปุจฉาที่บอกว่าตัดถกตมาชาติชาติปีทุกขาชราปีทุกขาปยาติบิ ด, าาบดทุกขะโขเป็นต้นเนี่ย มรานามปีทุกขงังโสกัปริเดวทุกขโทมานัสสุปาญาสาปีทุกขาอภิเยหีสัมปโยโคทุโขปิเยหีวิปโยโคทุโขยามิีฉังนรปติตามปีทุกขงังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันดาทุกขานิที่แปลโดยนิเทศเดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองทุกทุกที่แต่ฐาโคตเทศนาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกเบียดเบียนทําให้ลาบากอยู่เนืองๆไม่เว้นวายนี่ย ก็จะแก่สิ่งที่เบียดเบียนสัตว์ให้ลําบากอยู่นั้นน่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็คือกองทุกสิ13ามกองนี่แหละว่างั้นนะกองทุกสิ13ามกองก็คือชาติที่ทุกเนี่ยกองหนึ่งชราทุกขเนี่กองหนึ่งพยาธิทุกกองหนึ่งบรณะทุกกองหนึ่งโศกตุกกองหนึ่งปริเทวะทุกอีกองหนึ่งทุกขทุกกองหนึ่งโทมนัสทุกอีกกองหนึ่งอุปายาสทุกกองหนึ่ง ปีเยหีสัมปโยคทุกเนี่ยกองหนึ่งปีเยหีวิประโยคทุกอีกกองหนึ่งยามปิดฉังนราปฏิตามปิดทุกข์อีกกองหนึ่งปัญจุ ป, ปาธานขันดาทุกขาอีกกองหนึ่งรวมเป็นสิบสามกองเลยนี่แยกอย่างนี้เป็นสิบสามกองลำดับแรกท่านพูดถึงในเรื่องของโดยย่อนะโดยโดยอ่ยอย่อก่อนนะมองไปมุมหนึ่งก่อนเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของชาติชาติพิดทุกขาการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเพื่อแสดงอะไร เพื่อต้องการแสดงทุกข์สัตย์ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยทีนี้ในดำหลัดว่าคําว่าชาตินี่ยที่จริงความหมายคําว่าชาติชาติมีความหมายเยอะพบก็เรียกว่าชาติเหมือนกันนะที่มาจากคาว่าเอกัมปีชาติิงตเวปีชาติโยเราละลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติสามชาติเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็คือเรียกว่าชาติพบเนี่ยเป็นชื่อของชาติระลึกได้แต่ละพบแต่ละพบเนี่ยนะ นี่ก็คือชาติระลึกชาติได้ลักษณะอย่างนี้ก็คือชาติแปลมูก็ได้อัตถิวิสาเขนิคันถานามสมณาชาติดูก่อนวิสาขาสมณาชาติมู่สมณะนี้ชื่อว่านิคนมีอยู่สมณาชาติชาติ้ก็แปลว่าชาติเนี่แต่ว่าในความหมายศัพท์ที่ท่านขยายให้ดูทีนี้ลักษณะที่ปรุงแต่ง ลักษณะที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าชาติชาติทวีหีขันเทหีสังคหิตาเนี่ยชาติก็นับเข้าในขันสังขารละขันเป็นต้นในขันที่ปุงแต่งนี่นะอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าสัมปติชาโตอานันทโพธิสโตดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์ผู้ประสูตรแล้วในปัจจุบันถึงพร้อมแล้วประสูตรแล้วอันนี้เป็นเรื่องชาติเหมือนกันใช่ไหม ชาติตกูลก็ได้กล่าวถึงว่าไม่ถูกคัดค้านว่าร้ายโดยชาติโดยโคตเนี่ยนะแต่ชาติในที่นี้หมายถึงขันของผู้อยู่ในคันของมารดาเนี่ยแหละที่เรียกว่าอะไรค่าเสชิยกะศค่าเสชิยกาศก็นับตั้งแต่การถือปฏิสนธิตั้งแต่ปฏิสนธิคลอจากคันมารดาและยังหมายถึงปฏิสนธิจิตเท่านั้นก็เรียกว่าชาติเป็นต้นด้วยนี่ยนะ คือปฏิสนธิของพวกอันทชะสังเสทะชะาแล้วก็โอภาปาติกะตรงนี้ก็มาพิจารณานะว่าในกรณีที่เป็นชาติโดยตร ง, งนะที่บอกว่าธรรมพิจารณาในลักษณะปฏิสนธิในกาเนิดทั้งสี่โดยเฉพาะก็คือว่าพวกกลุ่มเราท่านทั้งหลายเป็นข้าพ ร, าาระเศยกาเนะื้ ข้าประเสริญากสัตว์เป็นสัตว์ที่เกิดอยู่ในครันทีนี้ท่านก็เล่าท่านก็ขยายอะไรแต่เนี้ยในคําสอนทั้งหลายจะขยายในเรื่ององค์ชาติคือการเกิดตั้งแต่ในครันว่าเป็นทุกยังไงท่านก็ไล่มาตามลําดับที่บอกว่ากลุ่มในลักษณะของอันทชะปฏิสนธิในไขน่ในปองไข่ชราพุชชาปฏิสนธิในครันหรือว่าข้าประเส ย, ยิญากรแห่งมารดาเหมือนอย่างเราท่านทั้งหลาย สังเสทช้าก็คือปฏิสันที่ในเท่าใครในเหงือใครตักแตนหรือว่าเหลือบยุงเป็นต้นอุปาติกะก็คือว่าพวกเทวดาเป็นต้นเหล่าเ น, นี้เนะี่ยทีนี้พอปฏิสนที่ในลักษณะอย่างเงี้ยท่านถึงบอกว่าทุกที่จริงพอพูดถึงในเรื่องของทุกเนี่ยท่านจะจับประเด็นทุกสามประการมาที่บอกพูดในเรื่องของทุกกระทุกวิปริณามะทุก์แล้วก็สังขาระทุกข์ถ้าพูดถึงในเรื่องของทุกกระทุกวิปริณามะทุกสังขาระทุกเนี่ยนะ อันดับแรกท่านพูดถึงในเรื่องของทุกข์กับทุกข์คือทุกข์ทางกายแล้วก็ทุกข์ทางใจเพราะเป็นทุกข์โดยสภาวะที่เรียกว่ากายยิกะทุกแล้วก็ใจติดกระทุกเนี่ยกเวทนาเนี่ยนะที่จริงเวลาท่านพูดถึงในเรื่องของคําว่าทุกข์เนี่ยนะที่บอกว่าเราท่านทั้งหลายเวลาเกิดมาเนี่ยทรมพิจารณาในลักษณะที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเนี่ยตั้งแต่ว่า อันทชาชราพูชาสังเสรชาโอบบารีกะไม่ว่าจะเกิดในไใข่เกิดปฏิสนธิในครันของมารดาเหมือนเราท่านทั้งหลายปฏิสนธิในเหงื่อในใครตะักะแตนหรือยุงเป็นต้นเนี่ยนะหรือปฏิสนธิเป็นพวกโอบบาริกะมีพวกอวัยวสัตบ้างเทวดาและพรมบ้างเนะี่ยพอปฏิสนธิแล้วจเจริญเติบโตมาตามลําดับก็ต้องประดับประดาอาภรณ์ต่างๆได้ไหม ชาติที่ทุกเนี่ยมีทุกตัวเกษัตรูแล้วก็เบียดเบียนทําให้เราสารเราสัตว์ได้รับทุกขเวทนาอย่างมากมายในท่สุดจริงก็ต้องเวียนไหวมาเอากําเนิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้หยุดยั้งทุกภพทุกชาติท่านจึงใช้คําว่านับประมาณไม่ได้เนี่ยทีนี้ชาติที่ทุกนั้นนะที่สัตว์ทั้งหลายเอาชาติปฏิสนธิในท้องอ่ะที่มีวิวัตะบริบูรณ์บ้างไม่บริบูรณ์บ้าง ที่สัตวปฏิสนธิในเงื่อในไข่เป็นต้นก็ดีหรือสัตว์ทีปฏิสนธิเป็นในคันก็ในไข่ก็ดีหรือโอปติกะก็สวยชาติอันยิ่งยวดเหมือนกันฉะนั้นในคําสอนของพระเจ้าโดยเฉพาะข้าพระเสด็จกะหรือชราพุ ช, ช้าที่เกิดในคันมันดาเนี่ยท่านก็เล่าในเรื่องถ้าไปดูในอินทกาสูตรในสังยุตตนิกายสขารถวะท่านก็จะยกละปะทะมังกาฬลังโหติกาฬ า, าโหติอกุธัง อาพุทาชายเตเปสีเปสีชายเตคโนคณาชายันติสาขาเนี่ปิเอเกเเสโลมานะขาพิจารณ์บอกสัตว์ทั้งหลายถือปฏิในคันของมารดาแล้วเมื่อแรกก็เป็นกรรละไอาการละในที่นั้นก็คือน้อยนักหนาเท่าขนาดว่าหยาดน้ำมันงาหยาดหนึ่งเล็กๆถือปฏิสันที่ในคันของแม่ทั้งหลายใช่ไห เราท่านทั้งหลายเกิดมาก็เคยเป็นเอกลัละนี่แหละใสๆอยู่ในคันของแม่กรณีที่เราอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเหมือนนั่นแหละน้ำมันใสๆเท่ากับหยติน้ำมันงาเ น, นี่ยนะที่ติดอยู่ที่ปลายขนจามรีเพราะงั้นเหมือนปลายเข็มเหมือนอย่างนั้นแหละลองคิดดูที่ว่าต้องตั้งอยู่อย่างนั้นนะ่ะถ้ามีอันต้องกระเทือน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 ถ้าจะปฏิสนทีสักหนึ่งล้านเนี่ยจะรอดได้สักยี่สิบเนี่ยหรือสักสามสิบเนี่ยก็นับว่าบุญแล้วว่าไอตัวชาติเนี่ยมันมั น, ม, นมันตัวตั้งของของความทุกข์ของความทุกข์กยากของความลำบากแต่เราท่านทั้งหลายโมหามันปิดมันคิดไม่ออกหรอกพอพูดอย่างนี้ก็กลายเป็นความตื่นเต้นว่าพระพุทธเจ้าทํไมยังรู้ขนาดนั้นแค่นั้นน่ แต่ไม่เคยเห็นสัจจกความจริงว่ามันทุกยังไงมันน่าหวาดเสียวยังไงโอกาสที่จะตั้งอยู่ในคันเบ็ดเสรเนี่ยถ้าไปตั้งอยู่ในคันของพวกอบายศัสตร์แล้วมันแตกตายไปก็ยังนับวดีหน่อยใช่ไหมแต่สาคัญไปตั้งอยู่ในในจุดที่ดีแล้วเนี่ยของบุคคลที่จะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นบุคคลที่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 หรือถ้าก็พิจารณาไปอีกหน่อยก็คือว่าต่อมาก็คือว่ามีพันธุ์อันใสดังน้ํามันเนอยอีกเจ็ดวันเนี่ยนะในที่สุดจริงๆก็คือว่าแล้วก็เป็นอัมพุทธะแล้วก็เริ่มคน้นพอเริ่มค้นขึ้นมาเป็นตามลําดับแล้วอยู่ต่อมาอ ก, ก็เหมือนกันน้ําล้างเนื้อมันก็เริ่มใช่ไหมเริ่มค้นขึ้นมาอีกเจ็ดวันแล้วก็เริ่มเป็นชิ้นเนื้ออีกเจ็ดวันนะ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 เมเปสิเนะเป็นอย่างสันธายอย่างข่ไก่ทุกจุดนั้นนะ่ะมรณะจ่อคิวเลยชลาพยาธิไม่ต้องพูดถึงมรณะนะ่ะจะตัดรอนอยู่ตลอดเวลาเนะก็ลองคิดดูที่นีว่าว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสังสารวัฏแล้วมันได้อะไรเนี่ยได้ก้อนทุกเข้ามาก้อนเนี่ยที่เราจะต้องอยู่กับก้อนทุกเนี่ยตรงนี้พานท่านสอนให้วิจัย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 เหมือนวานนอนอยู่ในโพรงไม้เหมือนลิงอะนอนอยู่ในโพรงไม้ที่ฝนตกนึกภาพเห็นไหมเคยเห็นลิงไหมเคยเห็นโพรงไม้ไหมไม่เห็นโพรงไม้อไม้เนี่ยมันมีโพรงมันมีรูอยู่มันก็จะเข้าไอ้ลิงเนี่ยมันเข้าไปหลบฝนมันก็จะไปขดตัวอยู่อย่างงี้โยมมันขดอยู่เงี้ย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 เอาไว้วเวลาแม่กินของร้อนเย้ร้อนใ ห, ใ, หให้ทรมานที่สุดนี่มันจะร้อนอย่างมากอย่าไปกินของร้อนแล้วกินเข้าไปนี่ทรมานมากกินแม่กินของร้อนนี่ทรมานมากถ้า แ, แม่กินของเย็นก็ น, นั่นแหละอย่างกันนรกเยน็เยนๆเราดีๆนะไตโชดทาดข้างในก็เผา ไม่มีมีความสุขใจอะไรแล้วในนั้นน่แต่มันคิดไม่ได้โมหะของศาสตร์มันเยอะคิดแตจะเป็นความตื่นเต้นเย็นะมาว่านะี่คิดเป็นความตื่นเต้นมหัศจรรย์มากอยู่ได้ไงแค่นั้นเนดะคิดได้แค่นั้นเองฉะนั้นผังผืดของทารกนั้นนะนะก็หุ้มกายอยู่ไม่อาจจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้สวยทุกขเวทนาอยู่ในท้องของมารดาอย่างแสนสาหัสจัดว่าเป็น เป็นชื่อของทุกข์ในขุมนรกมืดบนอนธการยิ่งแล้วก็มีกลิ่นเหม็น น, นะตรงนี้ก็คือว่าถ้ามาศึกษาในกรณีคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยที่จริงพระองค์สแสดงทุกขะวะลองไปไปลุยวาดดูทุกตรงนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทุกขะทุกก็คือทุกข์ที่ทนได้ยากก็หมายถึงความทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจของเราท่านทั้งหลายที่เราประสบกันเนาะ เขาเล่เป็นทุกข์โดยสภาวะที่ชื่อว่าการยิกระทุกเวทนาความทุกข์ทางกายแล้วก็เจี๊ยสิกกทุกเวทนาเราท่านทั้งหลายที่เป็นบุรุษชนทั้งหลายเนี่ยกายเป็นทุกข์ทีไรก็ใจก็ทุกข์ทุกครั้งแทบไม่มีอะไรนะที่เราจะแยกส่วนของทุกข์กายออกจากทุกข์ใจได้เวลาไหนความทุกข์กายเกิดขึ้นก็ลามไปถึงจิตใจใช่ไหมเวลาความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็สมละงมแลยกายก็พลอยละงมไปด้วยเนี่ยแทบจะติดกันเลยทั้งทั้งที่คนละส่วนเนี่ยนะ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 เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่แปรปลุนไปการยิกสุขเวทนาก็เจตสิกสุขเวทนาเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าสุกกายและสุขใจนั่นเองฉะนั้นความสุขกายและความสุขใจเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นวิปริณามะท่านในคำสอนท่านจะบอกว่าทุกเนี่ยทุกเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์พรตั้งอยู่ใช่เป็นสุขพราะดับไป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 จิตเจรสิกรูปนั่นเองที่เว้นจากทุกข์กระทุกและวิปริณามาทุกข์ออกไปก็จัดเป็นสังขารทุกข์ใช่ไหมยากไหมทีนี้แต่ประเด็นต่อมาคือปฏิชันนะทุกทุกที่ถูกปกปิดโรคทางกายเป็นต้นนะปวดหูปวดฟันปวดเขา่าปวดหลังปวดไปทั่วสิ่งต่างๆเหล่านี้ปกปิดนะถ้าบอกถึงรู้ใช่ไหมถ้าไม่บอกไม่รู้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 วิ่งจิกวิ่งกินกันอยู่เนี่ยถ้ามองเห็นในลักษณะอย่างนี้เขาแล้วมันโดนลงโทษปริยายทุกทุกโดยอ้อมก็คือทุกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะนีปริยาย์ก็คือทุกโดยตรงก็คือทุกกระทุกดังที่ได้กล่าวลักษณะอย่างเนี้ยท่านจึงบอกบอกว่าความเกิดเชื่อทุกขเพราะเป็นบอกเกิดเห็นความทุกขมีการเกิดในใบเป็นต้นพระพูดพระเจ้าทรงสแสดงไว้ในภารปฏิตสูตรเป็นต้นแล้วกระทุกอันมีเหตุ ที่เกิดในคันมารดาเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดในสกติภูมิในที่นี้ท่านถึงกล่าวเป็นคาถาไว้ในคีวิสุทธิมักทยอยๆตรงนี้ก็คือถ้าสัตว์ไม่เกิดในนรกก็ไม่พึงประสบความทุกขมีการถูกเผาในรกที่ตรมานไม่พึงมีหน้าที่ไหนเป็นต้นพระมุนีจึงทรงแสดงว่าการเกิดเป็นทุกข์โดยประการนี้เป็นต้นนะนะอันเดี๋ยวเขาไปว่ารายละเอียดหรือทุกขังติรัตเฉสุ กรสาประโตูะเป็นต้นน่ะทุกของสัตว์เดรัจฉานมีมากมายเช่นการถูกกระหน่ำด้วยแสบ้างด้วยปะตากบ้างด้วยท่อนไม้เป็นต้นบ้างสัตว์เหล่านั้นมีทุกขได้อย่างมากมายในี่ยงที่บอกว่าสัตว์นั้นกำลังถูกฆ่าถูกทุบถูกตีอยู่เนี่ยถ้าถามบอกว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีทุกขได้อย่างไรถ้าไม่มีความเกิดใช่ไหมสัตว์เหล่านั้นที่มีความเกิดนั่นแหละจึงจึงเป็นเหตุของความทุกข์ของสัตว์เหล่านั้น ก็ไล่ไปพระองค์เราจะสอนเรื่องนรกไล่ดูในนรกภูมทั้งหมดบอกว่าสัตว์นรกทั้งหมดนะมาจากชาติทุกข์ไม่ว่าเวจีมหานรกหรือนรกที่เป็นบริวารไม่ว่าจะเป็นน่ยสังคาตะนรกอุทธสถานนรกไอ้คูฐานรกอะไรต่างนี่ไล่มาตามลำดับใช่ไหมเวตรณีนรกเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูในนรกต่างๆเหล่านั้น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 การเกิดในโลกเป็นทุกข์แล้วก็ไล่สัตว์เดรัจฉานซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ตลอดเวลานะเวลาจะกินอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยนึกไหมเขาไม่ใช่ว่าเขายิ้มนะเนี่ยเขาโดนทุกอย่างทรมานเลยนะเนี่ยเวลาเราเอาเนื้อเขามากัดกินแต่ละทีเขาใหญ่ไหมเนี่ยเขาแทนจะทรมานเนยดินพราดิ้นพล่ า, า, า, าเลยนะเนี่ยแต่เราก็ไม่เห็นทุกข์อีกไม่ใช่เราไงไม่ใช่เราไง แท้ที่จริงเน่ะเขาแสนจะทรมานเนี่ยน้ําตาไหลไม่รู้กี่กี่หยดกว่าที่เขาจะตายชักดินชักงอได้เนี่ยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะชาติคือการเกิดใช่ไหมเขาถึงต้องมาโดนทบเนี่ยแล้วก็เลยสมมติเราเป็นอาหารเราท่านทั้งหลายแล้วกินกันอย่างอร ե ศลร่ร อ, รอยเมามันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เลยทั้งไปใช่ไหมแต่เราเคยเห็นใจเขาไหมอ่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็เป็นกันอย่างเนี้ย แลบอกนี่มนุษย์เมตตาเขีมา้วพิจารณาดูดูสัตว์เหล่านั้นเขาก็เป็นเขาทํากรรมอย่างนั้นก็จริงอยู่แต่นั่นอโศกบอกถึงว่าถ้าไม่มีชาติเนะี่ยความทุกข์ในโลกของสัตว์เดรัจฉานจะมีมาจากไหนก็เพราะชาติคือความเกิดนีนะ่แหละความทุกข์ในโลกโลกนึงเต็มเพ่นพ่านไปหมดเอาตามตามสถานที่ต่างๆแล้วที่กินผักแต่ละทีอย่างนี้ที เาขาฆ่าใบายสัตว์เท่าไหร่ต้องฉีดยาเท่าไหร่ใช่ไหต้องคิดดูดิมันมาด้วยเลือดมันมาด้วยความทุกข์ความทรมานของสัตวนะ์นี่สัตว์โลกก็ไม่เห็นไนงะขาดการวิจัยทุกข์สัตรว์ไม่รุนแรงในจิตความคิดจากการออกจากสังสารวัตรก็น้อยใช่ไหมดูมันไกลตัวหมดเลยนะถ้าพูดอย่างนี้เหมือนไกลตัวเลยไหมแล้วนั่งอยู่เงี่ยังเห็นว่าไกลตัวอยู่ไหม ถ้ามาพิจารณานี่ก็มันมันก็ยังไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่ใช่บางคนคิดถึงกันหน่ว่าถ้าใกล้หนักไปอีกเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขาถ่ายประมาณไปเห็นเอาลิงมาร้านอาหารก็มัดอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็คว้านสมองใช่ก็ตากกินมันก็สั่นกึกรกรกะกินสนุกสนานกัน ถ้าไม่มีชาติคือการเกิดแล้วมันจะมีความถูกทรมานเนี่ยพุทธเจ้าบอกการเกิดเป็นทุกข์มันมาจากชาติแท้ๆที่ท่านต้องถูกทรมานอย่างนั้นไปชี้กันเต็มไปหมดนะดามร้านอาหารเข้าไปหมดเอาบางทีก็เล่นกิจกรรมกันด้วยนะไอตัวไหนวิ่งแข็งแรงวิ่งปุ๊บปุ๊บขึ้นไปแข็งแรงกตากตัวนั้นบางทีก็ให้กิจกรรมเนี่ย ให้คนที่ต้องการอยากจะกินอะไรต่างๆไปตักใช้ความสามารถตักเอาหรือใช้เบ็ดตกมาตกมาได้เข้าไปทําอาหารในกกินเนี่ยเนี่ยหรือปลาก็เหมือนกันในเรื่องอะไมื่คิดดูทีเนี่ยเขาดิ้นหนีตายอะแล้วก็ต้องไปถูกทุบตายตรงเนี้ยเราเราก็ไม่ไม่คิดไงว่ามันสังสารวัตเนี่ยมันเราเกี่ยวข้องยังไงแล้วเราไปทํากรรมยังไงเราไม่เข้าใจทั้งนั้ ตรงนี้ท่านถึงบอกไงบอกว่าทุกของสัตว์เดรัจฉานะมีมากมายการถูกกระหน่ำการถูกทุบ ก, การถูกตีการถูกฆ่าสัตว์เหล่านั้นมีทุกขได้อย่างไรถ้าไม่มีความเกิดความเกิดจึงเป็นทุกขของสัตว์ในโลกนี้หรือเป็นทุกของสัตว์เหล่านั้นนั่นถ้าพูดกันโดยตรงแล้วเขาไม่น่าเกิดมาหนึ่งใช่ไหมเขาน่าจะนิพพานเสียเขาจะได้ไม่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 คือไม่มีว่างเว้นเลยเพราะในนั้นมีกลิ่นที่มันไม่น่าพึงปรารถนาก็จทีิงก็คือว่าเต็มไปด้วยความร้อนนั่นแหละเป็นที่น่าพึงรังเกียจยิ่งนักเตโชธาตของคุณแม่เนี่ยของแม่นี่นะก็เผาให้ร้อนทุรนทุรายลาบากอยู่ตลอดเหมือนกับเอาก้อนเนื้อที่บุคคลเนี่ยเอาใส่ไว้ในหมอ้อแล้วก็ต้มด้วยน้ำอ่ะแล้วก็เดือดพ่านอยู่นั้นแหละ เพในร่างกายของคนท่านทั้งหลายเนี่ยปกติมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมปริมาณความร้อนเนี่ยมันร้อนเยอะไหมถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเกิดจะาไข้ขึ้นขึ้นมาความร้อนมันขึ้นสูงก็้อีกหรือเป็นร้อนในอย่างเงี้ยนะในช่วงที่อากาศร้อนรอนหรือเย็นเย็นจัดเลงต่างก็แล้วแต่เป็นร้อนในเป็นปกติเงี้ยลองคิดดูทีว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ขนาดปากของเราเนี่ยใช่ไหม ก็ถือว่าถ้าเทียบกับอวัยวะของทารกน่ะมันยังแข็งแรงกว่าปากนี่เป็นแผลเต็มไปหมดเนะยามร้อนไหนขนาดอยู่ข้างนอกนะเอาน้ำคอยนั่นคอยยาทาอะไรตลอดตลอดเวลามันยังไม่ไม่หยุดเลยแล้วสัตว์ในท้องน่ะสัตว์ใน ท, อในทอ้องอ่ะจะทรมานทักปานใดใช่ไหมก็เหมือนตกในระกจริงๆนี่แหละตรงนี้นี่แหละท่านถึงบอกว่าเหมือน ก, ก้อนเนื้อที่บุคคลเนี่ย คี่ไอ้ต้มไว้ในหมอ้อสัตว์ที่อยู่ในคันของแม่เนี่ยเศรษฐุคเวทนาอย่างแสนสาหัส ต, ตรงนี้ในลาเทนเรียกว่าอะโภกันติกะมูระกทุกขเนี่เป็นทุกประการแรกของสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องทรมานอยู่ในท้องแม่ที่เกิดมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเพราะกายประสาทเนี่ยมันตั้งขึ้นตั้งแต่ปฏิสนธิขนาย่อมมันรู้จากความสุขไอ้ความทุกข์ในขณะที่เกิดแล้วมันสามารถรับความสุขความทุกข์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 เด็กเทบตายเลยเนะยไม่รู้หรอกว่าทรมานเขาใช่ไหมกรรมของเข า, าอยู่ว่านะกรรมร่วมกันก็ว่ากันไปเจตนาหวังดีนั่นแหละต้องคิดดูดีเขาจะหวาดเสียวขนาดไหนใช่ไหมเขาบอกว่าสะดุ้งตกใจมากเด็กตกใจมากตัวสั่นด้วยสะพาังแหละเหมือนกับลูกทรายอะ่ะ ลูกเนื้อเนื้อตัวเล็กๆเหมือนกับ น, นักเลงจุฬามันจับด้เดี๋ยไปกินเน่ยไปจับลูกสัตว์ป่าได้โอ้โหได้มาก็จับอย่างแรงแล้วเขาเ่าเดินไปเน่ะหัวล้อชอบใจอ่ในขณะที่มารดาลุกบ้างนั่งบ้างพิกตัวพิกไปกลับมาบ้างหรือไปตั้งท่าตั้งทางเลยสารพัดที่ทํากันอยู่เนี่ยเห็นไหมเขาทรมานหรือก็เหมือนกับ ง, งูอ่ะงูตัวน้อยๆอยู่ในมือของหมองู โอโหเห็นไหมลองคิดดูเนี้ยมันจะกลัวขนาดนะกายสัดไปก็ซัดมาขึ้นบ้างลงบ้างกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็กระเทือนขึ้นก็ย้อนขึ้น ก, ก็ตกขึ้นตกลงอยู่ยังคิดดูทีมีไม่อยู่เฉยๆไหมไม่มีหรอกมีแต่พลิกไปพลิกมาใช่ไหมเผลอๆเอากาลังท้องไม่กี่เดือนเนี่ยนะรีบอย่างปัจจุบันเนี้ภาวะรีบด่วนกันอย่งนั้นนีะรีบวิ่งจะขึ้นลดบ้างโหนบ้างอะไรบ้างลองคิดดูที สภาพของเด็กในนั้นเนี่ยสารพัดดูหน้าลำบากหน้าเวทนาอย่างมากนี่มารดากินของเย็นเข้าไปก็โหยเย็นละเยียกเยือกสยดสยองมันไม่สยดสยองมันอยู่ตรงเนี้ยอย่ามันทับตรงมณิษฐ์สาเนี่ยไ อ, อ้กระเพาะก็สยดสยองหนาวเยือกเต็มไปทั่วสะประฟังเนี่หละนี่เป็นอย่างนี้ไอ้สภาพความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย นั่นแหละถ้ามันไม่มีชาตินั้นไม่มีความเยือกเย็นหรือสยดหน้าสยดสยองขนาดนั้นเอาแค่ okay, เราร่างกายเราที่ว่ารู้สึกหนาห น, น, นากันแล้วเนี่ยเคยน้าแข็งวางบนหวัวหนาวเลยนะแป๊บเดียวหนาวแล้วนี้เด็กเนี่ยเด็กเนี่ยแล้วผิวเขาอย่างก็อะไรอ่ะใช่ไหมนี่ถ้าหากว่าเหมือนกระตกนรกอนะ่ะ น้ำแข็งอ่ะถ้ากินของร้อนกินข้าวยาคูกินของร้อนร้อนเ่ะน้ำร้อนเป็นต้นเหราเนี่ยนะหรือกินของร้อนร้อนเข้าไปเนี่ยดินทุรนทุนทนลายก็บอกว่าเหมือนกับฝนถ่านเพิงเหมือนเอาเอาเอ า, เอาถ้าอย่างเราก็คือว่าคนที่โดนฝนถ่านเพิงก็คือโดนก้อนก้อนเหล็กไอ้ก้อนก้อนไฟอ่ะก้อนไฟล่วงใส่หัวโปรยลงหัว <c oughs> เป็นระยะระยะระยะเปย์ลงนั้นนะ่ะ จะร้องก็ร้องไม่ได้มนี้ถูกมัดไว้หมดนี่ทรมานไหมเอาคิดว่ากายยษประสาทเขารับรู้ได้ไหมน ไ, ไมนั่นแหละ เ, เหมือนกับไฟล่วงใส่หัวไฟล่วงใส่หัวอยอมทรมานเงี้น่ะนะถ้ากินของเผ็ดโอ้โหแนี้แสบแสบไม่รู้จะแสบยังไงเลย มานดาบางคนเนี่ยชอบกินของเผ็ดใช่ไหมกินของเค็มเงี้ยโอ้โหของเผ็ดเงี้ยก็กินตามใจกิเลสเนี่ยดูกรรมดิเนี่ยนะทั้งกรรมของคู่เกิดทั้งกรรมของผู้ที่เป็นไแม่ประเภทที่เคยทำบาปกรรมมามากับแม่ก็หิวอะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดเน่จะกินอยู่นั่นแหละคือมันทำนองบอกว่าส่งมาในคุกนี้ว่างั้นนะ จับมันติดโคกได้แล้วเดี๋ยวไอเรื่องการทรมานเป็นหน้าที่ของเราเข้าใจอย่างกรรมนี่มันก็ตามมาเล่นอีกเอาเลยเะมันจะทํำยังไงอะให้ล้มไปหลายครั้งยังไม่หนาใจอะให้ต้องกินให้ได้ต้องกินสิ่งนี้ให้ได้โอ้โหกินไม่ได้จะตายอเอาเดี๋ยงเอาสิฝ่ายสายมีก็ามาแพร่ท้องแล้วว่างั้นเลยเขาบอกแพร่ท้องก็คือกรรมของเด็กกรรมของเด็ก แม่โอ้โหกินด้วยตัณหากินกินกินใหญ่ก็ทํากรรมบาปกรรมแ น, น่นี้นะเขาใ น, เ, าน เ, าเด็กในทานก็ทุรนทุรายนี่งไงทรมานเองแล้วให้จัดการเส้นี่ไงถ้าไม่มีการเกิดแล้วจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมของสัตว์นี่เรามันลืมกันหมดไงมันลืมคิดไม่ออกแล้วมาวิจัยเป็นทุกขสัตว์ไม่ได้พระเจ้าสอนทุกขสัตว์แบบนี้ใช่ปัจจุบันอารมณ์ไหมเนี่ย ไม่ใช่เลยอดีตอารมณ์นะี้เนี่ยเป็นอดีตอดีตที่เราได้ประสบและอนาคตที่จะต้องไปเห็นปัจจุบันที่เราเกี่ยวข้องเนี่นะถ้าคิดเป็นปัจจุบันในชาติเนะี่ยมันได้หรือปัจจุบันปัจจุบันในการที่ยาวนานภายในปีนี้ภไปในสองปีสามปีสิบปีอะไรมันได้อัตฐานะเนี่ยมันได้ซึ่งก็ให้ได้ปัจจุบันในชาติเนะี่ยแต่บอกใอดีตชาติก็เป็นแบบเนี้ยอนาคตชาติที่เราจะต้องไปเกิดก็จงเจอแบบเนี้ย แล้วปัจจุบันชาติเราเจอถึงเจอแบบนี้ถ้านวิจัยแบบนี้รื้เปล่าวิจัยทุกอ่ะถนานวิจัยลักษณะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันมันจะเข้าใจวิจัยจนถ่ายถอนเนยจนเห็นว่าโอ้โหมันเป็นทุกข์หน้าหน้าสยดสยองนักก็คือถ้ารู้ว่าตนเองจะไปเกิดเนี่ยกลัวเลยอะเหมือนพระเตมีใบอะที่มัม้ยนั่นแหละ มันกล้วนนรกเลยอ่ะไม่พูดเลยอะนั่นแหละนั่นแหละมันจะมันมันมันสะเทือนขนาดนั้นนะ่ะสะดุง้งสะเทือนอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละมันจําฝังใจเลยนะแต่คนบางคนเนี่ยนี่ไอ้เรามันไม่ค่อยฝังใจกันเลยนะเพราะมันล่าเริงยินดีในการเกิดใช่ไหมไม่ได้เห็นทุกเลยท่านแค่เห็นจริงพูดพอย่างนพ้พอเห็นไหมเนี่ย ใดูเหมือนไกลตัวใช่ไหมทั้งๆที่ตัวเด้งผ่านมาแท้ๆไหมท่านต้องตาหนิอะไรท่านรู้ไหมโมหะมีร้ายกาจนะทั้งๆที่เรื่องหยับๆแค่นี้ยังวิจัยไม่ได้เรื่องแค่นี้ยังวิจัยไม่ได้แล้วเข้าถึงไม่ได้แล้วเห็นทุกข์มันไม่ได้เห็นคนเกิดก็เห็นเห็นคนท้องก็เห็นเห็นคนทรมานก็เห็นเห็นคนทำแท้งก็เห็นเห็นเยอะแยะหมดแค่นี้เราบอกไกลตัวเราหมดเลยอะ แล้วบอกโมหะนี่ยาบช้าแท้ปัญญาไม่เคยทำกิจในการวิจัยเข้าถึงคาสอนเลยพอดีจะเข้าถึงคาสอนยากแสนเข็ญแต่ว่าเราเรื่องในรักเนืออความหลงนี่ชำนานนบนะบั้นบอกโวโมหะของสัตว์โลกหน้ารังเกียรต คือเคยเป็นแล้วจะต้องไปเป็นเคยเป็นแลวจะต้องไปเป็นเนี่ยที่ที่เขาโดนทุบโดนตีโดนฆ่าเนี่ยเราเคยเป็นและเราก็จะต้องไปเป็นถ้าท่านยังปราดเนาการเกิดคิดบ่อยๆถ้าคิดสักประมาณสักร้อยครั้งไม่เห็นที่จะพันครั้งแล้วท่านจะเข้าใจคนเขาตรึกเขาไข้ควรคาว่าเคยเป็นเนี่ยมันเคยเป็นจริงๆ สิ่งที่เราเห็นนั่นคือสิ่งที่เราเคยเป็นทะัสิ่งที่เราเห็นนั้นสิ่งที่เราเคยเป็นเราเนี่ยเคยสั่งฆ่าคนมาอย่างมากมายในสังสารวัต<ม>แล้วก็เคยถูกฆ่ามาอย่างสังสารวัตแล้วก็จะต้องไปสั่งฆ่าคนอื่นแล้วก็จะไปถูกฆ่าอยู่ทนคิดแค่นี้เพราะท่านจะเข้าใจทุกข์มันเป็นอย่างนี้ เนี่ยเราดูดเนี่ยเหมือนเราเป็นคนใจดีกันเพราะมันยังไม่ได้เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะกลายเป็นผู้นําดีชั่วที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะถ้าได้เหตุปัจจัยอ้ห้ากลัวสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยลองทีลองเป็นอยู่ในเหตุปัจจัยที่มันจะต้องไปทําบางอย่างนี่มันไปกับเขาหมดเลยลองไปนั่งประชมุมคนนั้นเห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนั้นเออดีด้วยก็ว่าประชุมกันแล้วแล้วเราเราตัดสินใจ สารพัดวางแผนฆ่ากันมันเป็นอย่างนี้ทั่วไปในสังสารวัตรสัตว์เดรัจฉานก็ฆ่ากันได้มนุษย์เกิดมาก็ฆ่ากันเนี่ยก็ลองคิดดูอ่ะขนาดพระเจ้ามันทาตุราชไปบนสวรรค์ยังคิดฆ่าท้าส ก, กัดมันบนบนสวรรค์ก็คิดปองร้ายกันขัดแย้งกันทะเลาะกันเพราะไอ้อิสามวัฉรญาณเนี่ย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 เหมือนกับคนที่ต้องอชาชญายะเนี่ยหรืออย่างนี้ถ้าเห็นชัดท่านอมามต้องบอกว่าแร่เนื้อเอาเกลือทาอนั่นแหละนั่นแหละทุกที่เราเจอพ่อแม่เออแม่กินของเผ็ดของร้อนนะกินของเค็มเหมือนแร่เนื้อออกแล้วเกลือก็ไปทาเลยอย่างนั้นนะ่ะทรมานอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหก็ร่างกายไม่เคยอยู่ไปถูกเกลือถูกอะไรต่างๆเลยถูกของเผ็ดของเค็มเนี่ย อันนี้ขนาดภัยที่โดนโดนแม่โดนอะไรต่างๆเพราะกินเพราะความหิวใช่ไหมกินเพราะความหิวตรงนั้นลักษณะอย่างนั้นสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสหาหัสทุกนี้ชื่อว่าอับคาภะปริหารมูรากทุกข์อันนี้เป็นทุกประการที่สองเนาะประการต่อมาก็คือในกรณีที่อยู่ในคันนั่นนะในขณะที่อยู่ในคันของแม่เนี่ย กรณีทั่วระยะเขาจะคลอดขึ้นมาเนอะเส้นลำบากเลยทอนี้ผ่าไม่ต้องพูดถึงเนาะโดนผ่าพราะขวางคันแพทย์ก็จับหักบางทีก็แน่แหละสรารพัดถ้าสมัยโบราณได้รู้เส้นลาบากมันออกไม่ได้นะขวางคันเนี่ยผ่าก็คุยเยอะเพราะจะรีดเนี่ยรีดไปรีดมาหัวก็บนันเด็กบางคนหัวบี้แบนเลยฮะบางคนดึงจนจนขาเสียเลยอะอย่างเงี่ยเป็นต้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ย คือพยายามจะเอาเอาหัวออกก่อนแี้ว ก, ก็เอาขาโผล่มา ก, ก่อนต้องดันก็ไปใหม่บางที่ไมทีออกมาขาเดียวอย่างนี้ไปได้เลยมันเกิดมันกรณีอย่างนี้จะออกผิดพลาดอยู่เรื่อยใช่ไหก็ดันก็ไปใหม่โอ้เสีนทรมานต้องดันขึ้นดันลงคิโ ด, ดยเนี่ยนลักษณะอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์มากเป็นความทุกข์นะก็เรียกว่า การนอนขวางอยู่ในครันของแม่แล้วเนี่ยก็ต้องจับชักลาบออกมาเขาเรียกว่าคัาพระวิปัติมูรากทุกจะเป็นความทุกข์ในการที่จะต้องถูกกระทํำนะให้วิบัติต่างๆเหล่านี้บางคนพิการน่ยนะมาเคราะมามาพิการตรงถูกตร ง, ตรงคลอดอยู่ในท้องไม่ต้องพูดถึงบางทีก็ตาเสียหูเสียจมูกเสีย บางทีก็มีการพิกรุงพิการต่งตางๆแขนขาต่งตางๆเป็นต้นฉะนั้นเมื่อกรรมะชวาดลมกรรมะชวาดตรับกลัตั้งหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหช่วงเนี้ยกรณีที่กลับเอาหัวลงเนี่เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อจะออกทางทวารมุกเพื่อจะออกทางไอ้ที่มันดาจะคลอดออกมาเขาบอกว่าเหมือนในเหมือนตกลงในหิวเหมือนตกลงในหิวอ่ะคือ ลมมันปั่นใช่ไหมลมมันปั่นปว่วนมันหมุนนะ่ะเหมือนพายุอ่ะนะพายุที่มันปั่นจนสามารถกับหัวกับหางได้ชอบกลมแรงไหมอ่ะลมไม่ใช่เบาๆนะใช่ไหมในกรณีที่ลมอยากจากนั่งอยู่อย่างเงี้ยหมุนหมุนกับหัวได้เนะี่ยโอ้โหลมต้องแรงมากเนี่ยนะนะไอ้ขยกลมกรรมะชวาดกรำนะนะั้นเน่ยมันทำให้สัตวนะ์นะั้นนละนะ เหมือนกับว่าบุคคล น, นั้นน่ะตกไปในเหวลึกได้ร้อยชั่วบุรุษสุดแสนที่จะพิลิกพิลันสะดุ้งกลัวตกใจหวาดวันอย่างมากเลยปกติที่เคยโดดใปนั่นมามันก็แค่นี้ไงไม่เคยกลับเอาหัวขึ้นหัวลงเลยใช่ไหมอันเนี้หมุนกลับด้วยแล้วข้างในด้วยการเบียดเสียดด้วยนะแล้วเจ็บปวดข้างในเจ็บปวดมากการกลับข้างในอ่ะมันไม่ได้กลับไปตามสภาพทรรมปกติอย่างเนี้เนี่ย นี่ยมันกลับพริกอย่างนี้อะไรลองคิดดูแล้วมันคูดกับไอ้กับท้องแม่ข้างในอ่ะไทยเคยตกมอไซด์ไคูดไปกับถนนไหมไม่เคยเนาะมันมีคนคนหนึ่งนะถ้ามันเมาแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะมันเมาเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องมันขับนั่งมอไซด์ไปเนี่ยเท้ามันก็หลุดจากที่นั่นนิ่มไปกระทางลูกหลังมันก็คูดไป ไปจนถึงบ้านอานี้ก็เมาเกาะไปอย่งี้โอ้โหไปถึงที่บ้านเท้าเท้าไปหมดแล้วนิ้วเนื้อขาดหายไปก็มีแปลว่าเมาจัดก็เมาจัดมีคนคนพอไปพอการพอสั่งไว้หน่อยล้องอยู่นั่นเลยร้องแทบตายอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะเห็นไหมนะ่ะ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 ที่ว่าทวารมุกของแม่นั่นแหละเหมือนช้างเน่ะออกจากช่องดานเล็กๆทรมานมาถ้าอย่างมันก็คือร้องแต่มันร้องไม่ออกเน่มีอะไรอุดอยู่สุดเสียงเน่ยถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเหมือนเอาผ้ามากัดเข้าไว้เนี่ยแล้วคนเขาผ่าตัดแบบไม่ต้องมียาชา อุดปากกันอู้ร้องล้องสุดเสียงนั่นนั่นแหละไม่มีความเจ็บอะไรเยะมากเท่ากับกวามเจ็บตอนคลอดออที่ว่างั้นเจ็บมากแต่มันร้องไม่ออกมันอุดปากกันไว้มีอะไรอุดเต็มเยัยอุดเต็ม เ, เด็กมันร้องไม่ได้สั่นเทิมเลยทรมานมากแต่ลืมหมดใช่ไหมเนี่ย ลืมหมดใช่ไหมนึกไม่ออกนึกไม่ออกอันนี้แค่ับพัาชาตียิกะมูระกทุกประการต่อมาคือว่าในกรณีที่ออกจากคันของแม่แล้วเนี่ยเนยบรรดาที่มารดาก็ดีหมอก็ดีเนี่ยเอามือรับหรือให้ตกใส่อะไรก็ได้เอามือจับบโอ้โหมันคนละคนละคนละลักษณะคนละสัมผัสเลย ทุกนั้นเหมือนเหมือนถูกเอามีดที่มีคมเชือดหรือเหมือนกับเข็มแทงอย่างแรงว่าไงนั้นทุกนั้นน่ะเหมือนกับถูกแทงด้วยเข็มหรือเชือดด้วยมีดเปนคมเจ็บปวดไปทั่วสัพพางเลยจับเด็กบางคนร้องร้องได้เอาเลยออกจะร้องบางคนนี่จนขนาดสลบไม่ร้องเลย ต้องมาเขย่าวนันอีกทีให้มันร้องเีอะโอ้โหเนะี่ยแท้จริงมันน็อกเวนะ้ยเนี่ยมันเจ็บจนน็อกอนะ่ะเข้าใจั้ยเจ็บจนน็อกอนะ่ะใครเคยเป็นไห้เจ็บจนน็อกเนะี่ยยังไม่เคยกนะ็ไม่เคยมาแล้วก็ตอนเกิดนั่นแหละมันเจ็บจนน็อกนั่นแหละทุกนั้นเ็าเรียกว่าคาภานิกะขมานะมูระกทุกจัดเป็นทุกข์ที่ประการที่ห้า ต่อมากรณีต่อมาก็คือจําเดินแต่ทารกนั้นเนะจริญวัยเป็นต้นมาแล้วบางทีปุพกรรมต่างๆเหล่านั้นก็ติดตามมาต้องโทษต้องอัจฉรเป็นต้นเหล่านี้นะมีการดกทุบถูกเขีย้ยวดูฆ่าดกตีในที่สุดจริงๆก็คือว่าบางครั้งแล้วก็ทําตัวเองเนาะทำอัตตนิบาตกรรมคือการฆ่าตัวตายบางกินยาบ้างปฏทุสธลายตัวเองบ้างสารสารสารบางคนเนี่ยเริ่มเนี่ย ด้วกรรมที่ตนเองทํามาเป็นผู้ที่เบียดเบียนตนเองเป็นปกติก็กลายเป็นเด็กขี้โมโหแต่เลนะ็กเกแล้วนะนะครับนะครับก็ทุบตีตัวเองบ้างอะไรต่างๆเหล่านีนน้ไม่ได้ดังใจก็โดดบ้างดิ้นบ้างทําให้ตัวเองในลําบากสารพัดเคยเจอไหมล่ะพอเกิดไม่ได้ได้ดังใจก็ถีบเลยปบปบล้องอยู่นั่นแหละอัธยาศัยเป็นคนขี้กโกรธไม่ขี้โกรธมาได้ไงนะมอัธยาศัยทุกในภพที่อื่นได้ทุปกปัจจุบันนี้ตอนอยู่ในท้องของคุณแม่เป็นต้นนี้สารพัด นั้นทุกข์ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเจอสัตร์าของผู้อื่นบ้างต้องประหารถูกปากถูกตีถูกทุบจากการที่คนอื่นเป็นต้นเออเป็นป ร, รู ป, ปรกักกะมูระกระทุกข์เป็นต้นอะไรนี้ทีนี้กรณีความทุกข์ต่างๆาเหล่านี้นะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ที่ท่านพัฒนาไว้ตรงเนี้นะแบบย่อๆตรงนี้ท่านก็บอกทุกข์ที่เกิดจากความหิวกระหาย ของเปรตที่มีอยู่ในสถานที่ที่มีลมแรงและแดดกล้าย่อมไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นพระโมุนีจึงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าเปรตทั้งหลายที่ก็ต้องหิวกระหายกันอยู่เป็นพุทธันดรต่างๆเหล่านี้นะไม่มีอาหารจะกินนะั้นนมาจากชาติทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการเกิดจะเป็นทุกข์ทุกข์ของอสุรกายที่เกิดในโลกการตานรกนะั้นนรกที่เย็นจัดจักไม่มีแก่เขานะถ้าไม่มีการเกิดนะ เพรมีการเกิดนั่นแหละพุทธเจ้าบอกการเกิดแต่จเป็นเหตุให้สัตว์เหล่านั้นทุกเด็กที่เกิดในครันของมารดาก็เหมือนกับครูฐานะโกนั่นแหละอยู่ในครันเป็นเวลานานคลอดออกมาย่อมประสบทุก์ที่รุนแรงมากทุกนี้ย่อมไม่มีถ้าไม่มีความเกิดฉะนั้นความเกิดจึงจัดว่าเป็นทุกตรงเนี้ยนะถ้าพาัรณานาในเรื่องของความทุกต่างต่างเหล่านี้ท่านบอกว่ามีมากมายนะักมีมากมายเหลือจะขนาด น, นับ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 ว่ามันมีปริมาณของความทุกข์มากมายดังที่ได้กล่าวในเรื่องราวต่างๆแม้ในสังสารวัฏต่างๆสัตว์ทุกพบในแสนโกดจักรวาล น, นะในการอุบัติเกิดขึ้นมาของสัตว์เหล่านั้นน่ะก็เริ่มตั้งขึ้นแล้วเห็นกองทุกข์ประการต่อมาที่ท่านตัดว่าตัดถกตมายาเตสังเตสังสัตตานังตุมหิตเอ่อตามหิตตามหิสัตตานิกายเชราเชลตาเป็นต้นเหล่านี้ที่บอกว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายชลาอันใดที่ตถาคตตรัสไว้ในอุเทศวาละชรานั้นมีสภาพดังแบบไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายยาชรานว่าชราอันใดนั้นมีสวะว่าทําให้อินทรีย์คร่ำคร่าหรือวิกลวิการวิปริตต่างๆมีผมงอกฟันหักแก้มตอบผิวหนังหดหูเป็นต้นนะเป็นเกลียวตามืดหนังเหี่ยวแห้งหูกรหนักเนี่ยนะ น้าสมเพศเวทน า, พ, าพระธรรมคดพ่อบรมศาสดาก็ตรัสว่าเป็นชราทุกเพราะบุคคลทั้งหลายเล็งเห็นมังสจาจักขุนะถ้าเว้นไว้แต่บุคคลที่ประกอบด้วยปัญญาเนะี่ยเขบอกชะลาเนี่คนไม่ได้ชาติทุกข์เป็นต้นนี่นะคนก็ไม่ได้เห็นด้วยมังสจาจักสุชราคนก็ไม่ได้เห็นด้วยมังสจาจักสุแต่ผู้ที่อบรมปัญญามาอย่างดีเท่านั้นที่จะพิจารณาเห็นว่าการเกิดแล้วก็การแก่เนี่ยเป็นทุกข์ คนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเห็นโดยแท้เปรียบเสมือนกับเพลิงไหม้ป่าแล้วก็ดับไปเพลิงไหม้นั้นไม่ได้ปรากฏที่ไหม้เนาะแต่ฐานและเท่านั้นปรากฏคนที่มีปัญญาก็รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เคยไปเคยไหม้แต่คนที่ขาดปัญญาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมฟัน หนังเอ็นเนื้อต่างๆแล้วเนี่ยนะสรีลากโค้งงอเอวยตาเอวยกมัวบ้างหูก็เริ่มจะหนักไปทุกวันเนี่ยนะเริ่มทุกคนเลยนะเข้านะเข้าเพราะหันหลังเรียกไม่ได้ยินนะะเข้านะเข้าทั้งหันหน้าหันหลังไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไมอังพอใช้ดูปากกันหน่อยนะเข้านะเข้าตามืดมัวก็อีกก็อย่างนี้ถ้าไม่ใส่แว่นใช่ไหมมีเรือชลา ท่านอย่าไปคิดว่าไม่ชราเนี่นยเนี่ยชราปรากฏดกระทั่นยังรุนแรงเลยออย่างเงี้ยเนี่ยเขา ช, ช, ชราปรากฏมากบางคนก็ปรากฏก่อนทั้งตาก่อนทั้งหูก่อนทั้งอะไรก่อนปัจจุบันนี่ก็ใส่เครื่องอช่วยทางหูก็มีเครื่องช่วยหน่อยทั้งตาก็มีเครื่องช่วยนะแต่ในสุดจริงก็เอาอยู่ไหมล่ะก็มันปรากฏขนาดนี้แล้วเนี่ย ที่นี่ไม่เห็นชาติเนี่ยไม่เห็นชาติก็เป็นทุกข์เหมือนไฟไม่ป่าท่านไม่เห็นไฟอ่ะท่านเห็นขี้เท่าท่านเห็นขี้เท่าแล้วก็ไม่เข้าใจว่าขี้เท่านเนี่ยเป็นผลมาจากชาติใช่ไหมไอขี้เท่าเป็นผลมาจากไฟไหม้ไอขี้เท่าเป็นผลมาจากไฟไหม้ใช่ไหมทานเป็นผลผลผลมาจากไฟไหม้ เมื่อเราจึงเห็นฐานเห็นที่เท่าไอตรงเนี้ยสรีระทั้งหลายเนี่ยมันโค้งงอผิวหนังเหี่ยวย่นฟันก็หักตาก็มวงเนี่ยนะหูก็เริ่มตึงเอาที่ผมงอกสติปัญญาก็เลือนอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าตัวชาติเนี่ยมันผ่านมาแล้วตอนนี้ชาลามันกำลังปรากฏใช่ไหม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 ฉะนั้นท่านโอ้โหถ้าไม่มีการเกิดนั้นสิ่งเหล่านี้จะมาจากไหนอะไรเล่าไม่เกิดเอานิพพานใช่ไหมปรินิพพานเนี่ยคือไม่เกิดเพราะการเกิดนั่นแหละเราจึงเห็นอะไรพิกลพิการเต็มไปหมดถ้าเห็นด้วยตาเนื้อมังจะโสอ้วยธรรมดาเกิดแล้วก็แกะวงั้นใช้าตากรสั้นนี่ก็มี ม, มีอะไรอุปการะช่วยเหลือเยอะแยะเบีเสร็จมันเห็นเป็นธรรมดาไงธรรมดาแบบตันหาเห็นไง ฉะนั้นธรรมดาของตัญหาเนี่ยมันมันก็เห็นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรหรอกแต่ถ้าเราเห็นเหตุหการณ์ต่างๆหนึ่งนี้ปรากฏเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเนี่ยอย่าเห็นด้วยตาเนื้อท่านต้องใช้ตาปัญญาในการไปวิจัยเห็นใช่ไหมในกรณีเนี่ยที่บอกว่าอินทรีย์หย่อนยานนี่ยหมสริลัโค้งงอทั้งหลายเนี่ยผมก็งอกฟันก็หักหนังก็เหี่ยวย่น แล้วก็สรีระก็งโค้งงอหูก็เริ่มตึงใช่ไหมแล้วก็ในกรณีทั้งฟันก็เริ่มจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะบืทั้งกราชกายก็หน้ารังเกียจนี่มาจากมันดับไปแล้วในชาติเหมือนไฟไม้ป่าไหมไอ้ไฟไม้ป่าเนี่ยมันหมดไปแล้วจะมันเหลือเท่าแทนมันก็เหลือแต่ฐานนี่ี่ต้องเข้าใจต้องสาวสาวก็ไปถึงปัจจัยเขาได้ว่าปัจจัยมาจากอะไรเป็นต้น โอ้ถ้าหากว่าไม่มีไม่มีเกิดไม่มีเกิดคือการนิพพานเนี่ยเออถ้านิพพานเจแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ประสบสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้เลยเนี่ยถ้าพิจารณานเนี่ยใจก็จะน้อมหาลิยสัตต์ต้องเริ่มวิจัยเลย เ, ลยเนี๋ยวิจัยเห็นสัจจะคือความจริงไงเนี่ยเราจะมัวมัวประมาทยอยู่ทําไมยังไม่ชีวิตเนี่ยถามบอกว่าเราหวังดีตัวกระแสะขันท่าไดายตนะที่มันกําลังเป็นไปอยู่ถ้าหวังดีจริงๆเนี่ย ทำไมวิธีคิดของเราถึงต้องการจะไปเพิ่มทุกข์ล่ะเราต้องการไปเพิ่มชาติที่ทุกข์นะเนี่ยที่วิธีคิดของเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เราประกอบสุจริตหรือทุจริตกันแต่ละวันแต่ละวันอยู่เนี่ยถ้าเรามีปฏิบัติในการที่จะออกจากถังสารวัตรเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นโทษของชาติแต่ถ้าเรามีข้อปฏิบัติในการที่จะประกอบทุจริตบ้างสุจริตบ้างที่เป็นไปในวัฏะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยไม่ได้หวังดี ต่อกระแสะขันท่าไดียตนะไม่ได้วาไม่ได้เข้าใจตัวเองเลยเนะ mm ่เขาเรียกคนไม่เข้าใจชีวิตคนที่ไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยไม่คิดออกจากวตาจะไปคิดออกอยังไงใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจวงจรหรือกระแสะของชีวิตที่มันขาดไม่ได้แล้วมันจะเป็นไปกับความเจ็บปวดถ้าเข้าใจอย่างท่องแท้นะทั้งอดีตนาคตและปัจจุบันอย่า ง, างชัดเจนนะท่านเริ่มต้องวางแนวทา ง, งชีวิตต้องวางเป้าหมายจริงๆใช่ม พวกเราทั้งหลายต้องวางต้องวางเลยถ้าเราไม่คิดที่ถ้าไปเรื่อยๆในชีวิตหรือใจมันน้อมไปในเรื่องของวัตถุการมเรื่องการมาคุญตลอดเวลาดีแล้วในสุดจริงๆเราเสียหายแน่นอนเจ็บปวดถ้าเรารู้คําสอนเนี่ยนะต้องรู้ให้จริงแล้วต้องสามารถที่จะมาเข้าถึงโดยการแยกแยะโดยการวิจัยให้ชัดถ้าอย่างนั้นน่ยมันจะไม่เบื่อหน่าย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 ชาติติทุกต่างๆที่เราจะต้องได้รับเรายังรอบรู้มันไม่ไมทั่วอะไรเลยเนี่ยแล้วมันควจัดการทุกไม่ได้เนยใช่ไหมเรายังไม่รอบรู้เขาอย่างแท้จริงแต่ถ้ารอบรู้จริงๆแลว้วเบ็ดเสร็จนะกำหนดรอบรู้จริงๆทําปริญญาในทุกขสัตว์ทํายาต่าปริญญาเขาได้อย่างชัดเจนจริงๆนะถึงจะไปวิจัยตีแล้นะปริญญาในทุกเป็นต้นไอันนี้พักได้ยังค พิจารณาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากดตึกดกดดังนดังกดช่กดกดหนักนัก เปิฟังแล้วพอวิจัยยากเราคิดน้อยเราคิดน้อยไ้วิจัยอ่งนี้น้อยึงเห็นหมด้เห็นตจาแต่มันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาใช่ ถ้าเห็นไม่เป็นยางจะสดุ้งอยู่ดว วิธีคิดจริงๆโดย่านเป็นไปได้จริ แะปีกันนู่นเ คืพจยสารสัตกิปณีมหาวัิวันนา ไม่ไม่เจอยอมไม่ไม่เจอยู่ ชอบสุญญาตาดูด <Yeah. S 2> <You> ูในจุลนิเทศ ลองไปดูมี อ, ตอาตสามหานิเทศ ก็มีพอสมควรดูของพระโมคลัสมีเขาจะเริ่มตั้งแต่อาชิตะปุตสะเมตเตยาพระเมตตาคูปะโทตากาเป็นลาเป็นลาปทําำนะั <c oughs> เอเรียนเรื่องทุกข์สตร์แล้วมันพอคิดได้บ้งไหม <c oughs> เนี่ยนี่ย การการคิดไม่ค่อยยากแต่การเข้าถึงยากเข้าถึงยากหนึ่การคิดไม่ค่อยยากการเข้าถึงยากเข้าถึงความจริงของทุกอยาก ต้องใช้คัมภีร์ค่อนข้างเยะเอะถ้าอยู่ที่วัดนี่สะดวกมองเห็นเยอะเวลาเวลาศึกษาคำสอนเอนี่ยบางทีต้อง ต้องต้องต้องเข้าใจในการที่ดูคำสอนเชื่อมโยงเนาะคือคือบางทีเนี่ยการพูดในเรื่องของขทุกขสัตว์เนี่ยพูดไปเถอะแต่ใหม่ๆก็เหมือนกับเราใช้ความจำเอาสัญญาเข้ามาใส่เข้าไว้แต่แต่ทุกอย่างนั้นเป็นประโยชน์หมดนะ ทุกอย่างที่เราที่เราศึกษาและทำความเข้าใจเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่เป็นทีนี้การที่เราจะศึกษาให้เรามีความเข้าใจในในคำสอนของผู้รับเจ้าเนี่ยต้องต้องต้องพิจารณาแนะนั้นการวิจัยการพิจารณาต่างๆเหล่านี้ใหม่ๆก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ ดูทั้งความหมายดูทั้งเป็นไปตามลำดับดูทั้งศั์เป็นต่างๆแล้วก็ค่อยว่าไปตามลำดับเลไก็เรื่อยๆในความหมายในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ เ, เนี่ยก็เป็นการไปแยกแยกเกรณีตอนนี้ก็ไปพูดถึงในเรื่องของชาติบีทุกขานี่ยนะที่พระองค์ทรงสแสดงจำแนกสัจจะ ทุกเป็นต้นนี้เขว่าตัดถักกตมังทุกขังอริยสัจจังชาทิปิทุกขาเป็นต้นนะในอริยสัจสี่ทุกขะอริยสัจจะบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นชาติดังที่ได้กล่าวนะอัตของชาติเป็นทุกข์แล้วก็ทราบชราเป็นยังไงอัฐา ข, ของชลาเป็นยังไงวรณะอัฐา ข, ของวรณะโสกะอัฐา ข, ของโสกะปริเดวาทุก ขัโธมณสัตว์และก็อุปายาตอัฏฐะของทุกขประริเทวะทุกขโทมณสัตว์อุปายาตยังไงแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของอภิเยหีสัมปโยคะทั้งอัฏฐะของเขาได้ปภิเยหิประโยคะยำปิดชังและรับปฏิเป็นต้นเหล่านี้นะท่านก็มาขยาย ทุกข์กระทุกกระทุกแท้เป็นยังไงวิปริณามทุกขทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงสังขารและทุกขทุกขสังขารปฏิชันนทุกขทุกขปกปิดอปฏิชันนทุกขทุกขเปิดเผยปริยายทุกขทุกขโดยอ้อมว่าไปแล้วเนาะไม่ว่าไปตามลําดับก็ก็ท่านขยายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการพูดในเรื่องของในเรื่องของทุกในเรื่องของทุกแล้วก็เมื่อขยายสิ่งต่างๆเหล่านี้เบียดเสร็จก็ ก็ไปไล่ไปตามลําดับที่พูดถึงชาติแทนเป็นทุกข์ที่พูดถึงในเรื่องของสังเสรชาโอป ป, ปาติกะชลาพุชะเป็นต้นเลยก็มาขยายขยายในเรื่องของชาติที่ทุกข์ทีนี้พอมาพูดถึงทุกข์ในเรื่องของปรมัติกถาท่านก็พูดถึงในเรื่องของความตั้งขึ้นของขันทั้งหลายเนี่ยนะ ที่ใช้คําว่าขันธานังขันทั้งหลายเนี่ยท่านหมายเอาขันถ้าขันหนึ่งในเอเอกโวกัลภพขันสี่ในจตัวกัลภพขันห้าในปัญจโวกัลภพปาตุภาโวความปรากฏได้แก่การอุบัติเกิดขึ้นของขันหนึ่งของขันสี่ของขันห้าใช่ไหมในสัญญาสัตตภูมิก็ชีวิ ต, ตะนวากากราบที่ตั้งขึ้นในสัญญาสัตตภูมินั้นเป็นการตั้งขึ้นของชาติทุกข ในจตุโการภูมิก็คือการตั้งขึ้นของขันสี่ของเวท น, น, น, นาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันในอรูปภูมิทั้ง4ี่เริ่มตั้งแต่อากาสานัญจายตนะปฏิสนธิขณะสัตว์เหล่านั้นจัดว่าเป็นโอปปาติกาอุปาติกาคือการอุบัติเกิดขึ้นการตั้งขึ้นของขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในกามภูมิรูปภูมิใช่ไหมอันนี้ก็เป็นขันห้าที่ตั้งขึ้น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 ปฏิลาโพความได้เฉพาะปรากฏในสันตตินั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิลาโพเป็นการได้เฉพาะสิ่งเหล่านั้นอายังวุตติชาติก็คือชาติที่เรากล่าวว่าการอุบัติเกิดขึ้นน่ะเป็นชาติเป็นต้นทีนี้การบังเกิดขึ้นนะครั้งแรกในภพ น, น, นั้นเป็นลักษณะมันมาจากคำว่าตัถธตถาภเวปธรมาพินิเวภะ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 ทีนี้พอการมีการอุบัติเกิดขึ้นของขันธะไดยตนะครั้งแรกในภพหนึ่งก็เรียกว่าชาติคือการเกิดใช่คือการเกิดชาติปีิดุขาน่ยทุกตั้งขึ้นมาแล้วแท้จริงทุกเนี่ยมันตั้งทุกทุกขนาดแหละแต่พอวัดระหว่างภพต่อภพเนี่ยมันจะได้รู้ว่าโอ้จากภพนี้มันเริ่มแรกตั้งแต่ตอนไหนเริ่มแรกตั้งแต่ตอนไหนแต่ในที่สุดจริงๆตัวสังสารวัตเนี่ยมันไม่ขาดสักที เนี่ยที่มันท่องเที่ยวไปมาอยู่เพราะใช้คําว่าท่องเที่ยวดูมันหน้าเพลิดเพลินอะไรมันหน้าเพลินไปใช่ไหมพอพูดคําว่าท่องเที่ยวเนี่ยอเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยมันมีความเจ็บปวดมันมีความทรมานอยู่ด้วยเนี่ยแหละส่วนอติต่อตีตะาพระวตโตอิทะอุ ม, มันชนะปัจจุปถานาก็มีการโผล่ขึ้นในพบนี้จากพบอดีตเป็นอาการ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 เพราะตัวปฏิสนธิในปัจจุบันนี้พ่ก็เป็นอนันตระปัจจยุบันสมนันตระปัจจยุบันใช่ไหมอนันตรูปนิสยาปัจจยุบันนัตถิปัจจยุบันแล้วก็อวิเคราะอวิเคราะปัจจยุบันมันเป็นตัวผลถ้าว่าโดยการโดยอนันตระปัจจัยเนี่ยจุติเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจยัยโดยความเป็นอนันตระปัจจัยเป็นต้น ปฏิส่วนที่ในปัจจุบันนภนั้นเป็นปัจจิยุบันเป็นอนันตระปัจจิยุบันเป็นต้นไปจนถึงอวิคตาปัจจยุบันเป็นที่สุดอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้เห็นว่าโอ้การเกิดเป็นปัจจัยปัจจุบันกันเนี่ยแท้ที่จริงแหละระหว่างปัจจุบันมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทุกๆไอจิตที่มันเป็นไปเนี่ยห้าปัจจัยเป็นปัจจัยหลักแต่มันจะขึ้นเป็นอาเสวนะก็อยู่ในช่วงโชวนะฮะใช่ไหมเป็นต้นอย่างเงี้ย เราก็ได้เข้าใจถ้าหากว่าตราบใดนั้นมันลงจากชาวนาเมื่อไหร่มันก็เหลือห้าอย่างเนี้ยนะ <c oughs> ก็เลยเข้าใจแล้วก็ขึ้นชาวนาเมื่อไหร่ในสังสารวัตก็กลายเป็นหกปัจจัยบ้างบางทีก็เป็นเกี่ยวกันในเรื่องของไอ้กรณีของปัจจัยอื่นก็จะไม่ได้เกี่ยวกันเกิดขึ้นติดต่อทั่งนี้ก็เริ่มเข้าใจเลยเห็นว่ากรณีาการศึกษาปัจจัยไม่ใช่เรื่องยามันเป็นเรื่องของสังสารวัตอย่างเนี้ย แตเพียงว่าช่วงไหนมันจะขึ้นปัจจัยสูงสุดช่วงไหนมันจะลงปัจจัยต่ำใช่ไหมไอ้ น, นี่นะแล้วแต่ในระดับแต่ละชาติแต่ละชาติก็ดูไปและในขนาดเดียวกันมันจะไปเกี่ยวข้องเฉพาะอ น, นันแต่ระชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของอารมณ์ชาติด้วยฉะนั้นในด้านของอารมณ์ชาติเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าไม่มีขนาดจิตไหนเลยที่ไม่อาศัยอารมณาตปัจจัยนี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วไหม นอกจากอา ศ, าศาัยการเกื้อนหนุนด้วยความเป็นอนันตราะแล้วเนี่ยอนันตระชาติแล้วการเกื้อนหนุนด้วยความเป็นอา ร, รมณชาติก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยถ้างั้นจิตมันก็ขาดสังสารวัตรมันก็เดินต่อไม่ได้ตัวสังสารวัตเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องอนันตระชาติก็ทําให้สังสารวัตรเนยาวไกลอารมณชาติก็เป็นเป็นทําให้อนทําให้สังสารวัตรเนยาวไกลสาชาติชาติก็เป็นปัจจัยทําให้ ไอ้วัดในเรื่องของสังสารวัฏในยาวไกลใช่ไหมมันเกี่ยวเนื่องแบบเนี้ยถ้ามันเป็นไปในลักษณะของการที่มันผิดทางเนะี่ยมันถ้าเป็นมัชชิมาปฏิเอมเป็นมิชชาปฏิปทาเนี่ยนะมันก็จะผิดทางอย่างยาวไกลเลยแต่ถ้ามันเป็นสัมมาปฏิปทาแต่เป็นสัมมาปฏิปทาที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ถึงจะไกลก็ไกลแบบมีเป้าหมายนะปัจจัยที่มันดําเนินไปเนะี่ยแต่ถ้าเรามองตรงกันข้ามเนะ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 ถ้าชาติต่างๆเหล่านั้นถ้าจะเกื้อนหนุนต่อการที่จะทําให้สรัทธาอริยสติสมาธิปัญญาจะทําให้สติประฐานสมมประฐานอิทธิบาทอินทรีย์พระโา พ, พชงอรอยิยมรรคนี่นะประชุมในกระแสของขันธธาตุอยายตนะได้ค่อนข้างอย่างเข้มข้นมาหล้วก็พ้นทุกได้ใช่ไหมมันก็พ้นทุกไ ด, ไนกนกได้นี่เขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจคําว่าชาติชาติจริงๆเนี่ยจริงๆได้หลักการหนึ่งนี่มันเกี่ยวข้องกับตัวสังสารวัฏที่ไอตัวชาติปีทุขขาเนี่ย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 การตัดกรอนของของรูปนามด้วยด้วยอุปสนิบากหรืออุศสนิบากก็ว่าไปโดยโดยอุปสรกรรมหรืออุปสรกรรมก็ว่าไปทีนี้พอพอขึ้นมาพบใหม่เนี่ยพบใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเบ็เสร็จปุ๊บเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก็มาจะกรรมใหม่และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ตั้งขึ้นนะครั้งแรกที่อุปาทขคณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมใหม่และ แล้วก็เป็นการเริ่มนับพบใหม่ถึงแม้จะเกิดที่เดิมเหมือนเดิมก็เรียกว่าพบใหม่กรรมใหม่พบใหม่เหมือนท้าวสก่าเนี่ยฟังธรรมจากพระผู้มีพระเจ้าใช่ไหมตอนฟังเป็นพระปุถุชนต่อมาพอฟังสักกาปัญหาสูตรต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและอายุหมดเนี่ยแล้วก็จุติในขณะนั้นเลยปฏิสนธิต่อ เป็นท้าสก่าตามเดิมอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ภพต้องนั่งต้องนับใหม่อายุต้องนับใหม่อายุของท้าสก่าต้องเริ่มนับใหม่อันนั้นก็เป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นๆเป็นลักษณะรูปประคันเวทนาสัญญาสังขายนิยามของทา้าเธออันนั้นก็มาจากกรรมใหม่แล้วมาจากกรรมใหม่แล้วมีการมอบให้เป็นกิจโรธก็มีการโผล่ขึ้นในภพนี้จากเพราะอดีตเป็นอาการปรากฏ แต่คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็คนเราประเด็นแล้วในครั้งนั้นมีรู้อยู่สองท่านเน่ยท้าวสกาวรู้กับพระพุทธเจ้ารู้เดี่ยนะคนอื่นไม่รู้เนี่ยแต่อย่างเราก็ไม่ตอนนี้ไม่ใช่รู้แค่สองท่านแล้วพอพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยโอยคนรู้หมดเลยตอนนี้นคนรู้เยอะเลยเทวดาที่มาวันนั้นคงจะไมเ่เราวันนั้นไม่รู้ ดีนะที่พระเจ้าเทศไปเทศจิตที่หนึ่งนะนื้ต้องรู้อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็พลาวเส น, นะนะทุกขาวิจิตตตาตาปัจจุปถานาวะหรือมีความวิจิตแห่งความเป็นความด้วยความเป็นไปของทุกข์ด้วยด้วยสา ม, มารถถึงผลเป็นเป็นปัจจุปถานคือคําว่าวิจิตเนี่ย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 เราก็จะเห็นว่าไอความวิจิตของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยของรูปปัจขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะพระริจ้ากวบฏสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยวิจิตนะรูปปัจขันธ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ไปวิจัยในทะเลในเรต่างๆเยอะแยะหมดก็จะเห็นความวิจิตของพวกอบายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าสัตว์นรกก็ดีพวกเปรตเป็นต้นก็สุรกายเป็นต้นก็ยิ่งวิจิตอะไรเยอะแยะหมดเสร็จนะความน่าเกียดน่ากลัวความสยดสยองก็เยอะแล้วส่วน อุปจิตตานามะรูปะปะทัตฐานาก็มีนามรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นปทัตฐานที่นี้ในปรกรณ์ในคัมภีวสิสธิมัคท่านท่านคำว่าชาติในทีนี้ไว้วักว่าท่านแปลความว่าชาติศัพท์เนี่ยในที่การนี้พึงทราบว่ามาในขันทั้งหลายที่เป็นไปแล้วตั้งแต่ปฏิสนธิตราบจนถึงการออกจากคันของแม่หรือคันของมารดานั่นแหละนั่นเรียกว่าชาติ อยู่ในขอบข่ายของชาติคือการเกิดของพวกคัาภเศษยกะมาในปฏิสนธิขันทั้งหลายเท่านั้นของพวกสันสัตว์นอกเนี่ยนะเป็นปริยายะคําว่าเป็นปริยายะในที่นั้นก็หมายความบอกว่าถ้าคัาภเศษยกะเกิดในขันเนี่ยเอาตั้งแต่ปฏิสนธินจนถึงอะไรเงี้ยนะีมาลากยาวมาเลยเนี่ยอยู่ในขอบข่ายของธรรมชาติแต่ถ้าพวกอย่างอื่น อย่างอื่นเอาน้วยแหละอุปาทันาะของปฏิสนณฑนั่นแหละเขาเอาตัวปฏิสัณฑะพวกสัง อ, อันทชาใช่ไอันทะช้คขับพเสยะเอ๋มาขอไปอันทะชากำเนิดเกิดในไข่ใช่ไหมแล้วก็เกิดในเท่าใครนี่พระบารีเ็าว่าไงาสังเสทชา้าใช่แล้วผุดขึ้นนี่ว่าไงเออนั่นแหละ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 ในอบายอันใดที่ท่านประกาศก็ไว้ด้วยอุปมาเนะยตรงนี้ก็ท่านก็ว่าไปตามลําดับแล้วก็ว่าในเรื่องการลงสู่คันขั้งแรกก็อธิบายไปแล้วการลงสู่คันว่าในทุกในเรื่องการบริหารคันก็อธิบายไปแล้วในธรรมจักรถาก็ไม่ต่างกันตรงเนี้ยนะทุกมีความวิบัติของคันเป็นมูลตรงนี้ท่านก็พูดถึงมารดา ของสัตว์นะั้นมีคันหลงขัดมดลูกทุกใดก็ตั้งขึ้นโดยการมีการตัดมีการผ่าเป็นต้นเป็นที่เกิดแห่งกองทุกเนะี่ยอันไม่สมควรเนะี่ยแม้แต่มิตรอมาดและเพื่อนเป็นต้นจะดูนะก็เห็นแล้วก็โอโ้โหทนดูแทบไม่ไหวโดนตัดโดนต่อโดนอะไรต่างๆเยอะแยะเป็นเศษเนาะกว่าการเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ทุกมีการคลอดเป็นมูลเหตุยังไงก็ได้พูดถึงในเรื่องความน่ากลัวในเรื่องของดุจช้าง ที่ถูกผักออกจากช่องช่องดานเล็กๆนั่นเละเหมือนนกษัตริย์ในโลกที่ถูกพวกเขากระทบให้ละเอียดแหลกเป็นจุนวิจุนนั่นแหละนะทุกมีการออกนอกคันในนี้ตรงเนี้ยเมื่อออกมาอย่างนอกคันแล้วเนี่ยสรีระที่ยังอ่อนแอเหมือนกับเหมือนกับแผลใหม่ๆนั่นแหละมันคนมีแผลใหม่ๆนั่นแหละถูกคนเอามือจับให้อาบน้ําไม่ชําระล้างให้เช็ดโดยท่อนผ้าเป็นต้นเหล่เนี้นะ ก็เหมือนกับปลายเข็มแทงอ่ะเหมือนกับถูกมีดโกนผ่าแหนเนื้อว่างั้นอย่างนั้นเลยความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นความทรมานทั้งหลายก็เกิดขึ้นกับสัตว์ใช่ไหมที่กําลังออกจากคันเป็นต้นอันนี้ก็มอมไล่เวตามลําดับแต่ถามบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยฟังพบเข้าใจอะ่ะใช่ไหมแต่ไม่เห็นนี่ย <laughs> <laughs> ตรงเนี้ความคิดมันน่าเกลียดน่ากลัวย่ังไงนะ แปลกจริงเป็นอย่างนั้นไหมก็คิดเออเข้าใจแล้วก็หวังแต่ไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วก็ความทุกอย่างนี้ไม่ค่อยให้วิจัยกันเลยแ้วผมก็สอนสอนแบบนี้อริยศัสตร์ทุกในอริยศัสตร์แล้วถ้าเกิจะมาสอนชร า, าทุกเป็นยังไง จะไหมพยาธิทุกเป็นยังไงมรณะทุกเป็นยังไงโสกอากทุกเป็นยังไงปริเทวะทุกเป็นยังไงอ่ะก็ไล่ไปตามลําดับอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นประหารแท้โมหะเนี่ยเออมองไม่เห็นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนใดใเลยนะเห็นเด็กร้องไห้อ ย, ยังโอยดีใจซะยิ่แล้วชอบแกล้งให้เด็กร้องไห้แต่ละอย่างชอบไป เ, เขามีชอบไปเขามีปริเวตปริเทวะนะนาการ ตรงนี้ก็คืออย่างในเรื่องของความทุกข์นะความทุกข์ที่ความพยายามเป็นมูลก็คือว่าด้วยความเพียรพยายามโดยการทำตนให้เราร้อนนะและการเผากิเลสโดยรอบด้วยสา ม, มาถแห่งวัดบางทีเนี่ยได้ข้อที่เราท่านทั้งหลายเวลาโตขึ้นมาแล้วก็ไปกระทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำเช่นคนที่ประพฤติวัดต่างๆที่ผิดพลาดทั้งหลายเราแม้ถ้ามานั่งทํา บอกว่าดรรัดดาเนี่ยเคยประพฤติวัดที่น่าเกลียดมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเคยไปเอาฝุ่นทาตัวไม่มีเสื้อผ้าเป็นพวกนักบวชทีเปือยเงี้ยอย่างเงี้ยนนเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ไกลเลยอะ่ะใช่ไมทั้งทั้งที่เป็นมาแท้แท้เนี่ไม่ลืมไงมแล้วก็ยังไม่พ้นก็อีกเนี่ยพ้พูดอย่างเงี้ยโอ้ยยอมไม่เคยเป็นน้องหน้าอับอายยอมอยู่ไปทําตัวอย่างนั้นได้ไง ใช่ไหมก็ขนาดเรื่องใกล้ๆยังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมเรื่องใกล้ๆยังคิดไม่เห็นทุกเลยพอพูดกลตัวไปยิ่งจบเลยทั้งๆที่เป็นมาจริงๆในคําสอนเนี่ยท่านระบุไว้ชัดเราเนี่ยเคยประพฤติเป็นพวกอาเจรยะกวัดก็มีไอ้พวกนุ่งลมผมฟ้าบ้างพวกทรมานร่างกายตนเองบ้างพวกินอุจจาระก็เคยถือว่าในการกินอุจจาระ เนี่ยเราเคยทำข้อปฏิบัติแบบนี้มาเยอะแยะหมดเนี่ยในสังสารวัตเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้พ้นทุกข์แล้วที่พูดมาตลอดไงก็เพรามไปทำผิดทำพลาดมานี่แหละถึงเป็นแบบนี้แต่พอพูดอย่างนี้มองคนเนียมันจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมมันน่าเกลียดเนี่ยฮะ ที่จริ ง, ง, งก็ก็คือก็อย่างที่บอกไงของเราไม่ต้องเอาไกลเราเอาอยู่ในท้องทรมานเนี่ยลืมหมดแล้วแค่นี้ลืมแล้วและที่น่าเกลียดอีกอย่างหนึ่งนะมนุษย์เนี่ยโมหะมันแรงนะโมน่าเกลียดคือโมหันี่นะบางทีบางทีตอนเด็กๆเกนี่ยถูกทรมานเลยถูกทรมานเลยถูกทรมานถูกทุบ ถ, ถ, ถ, ถูกตีแรงๆเลยไม่เห็นทุกข์หรอก ลืมหมดลืมหมดบางทีเคยไปทะเลาะกับใครหน้าดำตาแดงก็เคยแต่ก็ลืมหมดแล้วแล้วถูกดายว่าอย่างเสียเสียหายก็เคยเก็นี่ไหมโอ้โหขนาดนี้นะใช่ไหมเอาแค่วันนปัจจุบันนะพบเนี่ยเเรื่องเรื่องอะไรต่างๆเนะี่ยมันลืมไปเสร็จหมดแล้วแล้วไม่เห็นวันเป็นทุกข์อะไรเลยเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นทุกขนะ์บางทีเนี่ยนะ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 ที่ไปเจอเด็กทรมานที่เรามาดูกันคนคนคนอะไรเงี้ยนะแล้วก็นึกโอโ้โหน่าสงสารกนนะไอเนี้ยแค่นั้แหละมันคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกเนี่ยแล้วอีกเยอะหมดผู้หญิงบางคนเนี่ยไปถูกกักบริเวณใช่ไหมโดนหลอกไปเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องไปถูกค้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปเสร็จ เ, เนี่ยแล้วทรมานบางคนอยู่เป็นสิบปีกว่าจะออกมาได้ พอออกมาได้ไปเสร็จไม่กี่ปีตนเองก็ลืมเออประหลาดแท้ไม่แล้วมีการสอนอย่าไปคิดถึงมันไม่คิดถึงก็ดีไปใช่ไหมแต่บอกว่าที่จริงอะโดยหลักการก็คือถ้ามาเรียนเรื่องทุกเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหกรรมใีวิจิตแท้ที่มันตัณหาที่บวกกรรมดีวิจิตให้ความวิจิตมากโดนกระทำอะไรต่างๆนาน า, น า, นาอลไต่างๆนี้น แต่โมหะก็ปิดก็ไม่เห็นทุกข์ของเพราะถ้าไม่มีการเกิดเราจะได้ประสบทุงนี้อะไรก็ไม่คิดใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เลยก็เลยไม่ไม่นี่คนเราเรามองเข้าไปในสถานที่ต่างๆโอเคในบ้านเราคนก็อดโซยทรมานนอนอยู่กับพื้นขาก็ขาดก็เสือกฟืดๆบงทีบินบาย่างริงๆเลยเขาเขาเดินไอ้เขาเขาเขาเาเขาวิ่งไอ้เขาคล้ายๆว่า เอามาก็เดินไปเงี้นยนะเขาก็กระเสือกกระสนนําหน้าขาเขาก็ขาดเขาเหลืออยู่ครึ่งท่อด น, น่ะปืดป๊ดปืด๊ปอยู่แถวไอแถวล่างเขาแหนมีอยู่คนใช่ไหมนั่นแหละก็วิ่งขอขอทานเห น, นมองี่เราก็โอ้เราก็ให้ไม่ได้แล้วก็มองเออเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไม่เคยเห็นดเลยว่ามันเราเคยเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เรายัางเรายัางไม่พน้นใช่ไหมทั้งๆที่มันมันเห็นกับตาเลยเนี่ย แต่เราบอกไม่ใช่ตัวเราเพรามันก็จบไปอีกเนี้ยวน้ปัญญานี่แท้ไม่ยอมทำกิจเลยเพราะมันไม่ได้อาหารเพราะมันไม่ได้ปัจจัยใช่ไมมันต้องใช่คนเป็นปริมาณอย่างมากเลยซ้าไปถึงจะเกิดสยดสยองของชาติทุกข์ต้องมีความปริมาณในการที่จะคิดลองไปดูคนเขาเจ็บปวดทรมานบางทีเราก็แค่เกิดโทสะไม่อยากจะมองแค่นั้นเองใช่ไหม ตรงนี้มันเป็นข้อมูลในการที่เราจะมาไตรตรองค่าควรพิจารณาค่ายควรพิจารณ า, า, ร า, รณาตรงนี้ทำไมท่านสอนทุกโดยโดยมากมายท่านบอกอย่างนี้นะกาวทุกคถาเนะี่ยกาวอริยศัสตร์โดยข้อแรกทุกขศสตรจากคถาเนี่ยนะท่านบอกกาวจนกลับนี้สิ้นไปก็ไม่หมดเอาลองเอาชีวประวัติ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 ถ้าอ่านอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเห็นมันจะชัดขึ้นถ้าบอกโอ้ประวัติของคนนี้ประวัติของคนนี้นนแท้ที่จริงอะถามว่าสัตว์บุกมันก็เป็นลึกชื่อของเป็นประวัติความเป็นมาของขันท่าตรือยัตนะใช่ไหมนั่นมันจะต่างกันไหมมันต่างกังความวิจิตของกรรมความวิจิตของกรรมตรงนี้ก็เลยถ้ามองในลักษณะนียมเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจการประชุมการตั้งขึ้นของขันเป็นต้นเราเนี่ยนะ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 เรื่องวันวหนึ่งเนี่ยเราได้สัมผัสเนื้อเขาทุกวันนี่นั่นแหละคือความทุกข์เขาไม่ได้ยิ้มย้มแจ่มใสอะไรนะก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมาเป็นอาหารเราเนี่ยโอ้ยิ้มย้มแจ่มใสจะได้เป็นอาหารของโยมที่เขาไม่ได้ยิ้มแยามบอกมีคนคนหนึ่งนะเขาเลี้ยงบวชมาแล้วนะแล้วต่อมาในศึกพอศึกไปเบ็ดเสร็จแล้วไปเลี้ยงวัว ถ้าอาชีพเก่าก็เลี้ยงวัวต่อมาบวชตั้งนานศึกษาวิธรรมเนี่ยนะแล้วชำนาญปัจจัยด้วยเนะี่ยพูดแล้วนะ่าสะดุ้งเรียนปัจจัยเรียนปฐฐานพูดให้ยมที่ให้ไพ่ฟังเนี่ยจบปัณฑิตแล้วแล้วต่อมาก็สอนสอนอยู่พักหนึ่งไม่รู้จักอะไรมาแล้วต่อมาก็ศึกแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็มีอาชีพเลี้ยงวัว กลัไปที่แรกก็ไปทํางานงานอย่างอื่นนะละอายชั่ ว, วัวบาวโอ้ไม่กล้าทําบาปว่ า, างั้นเนี่ไปขายประกันนะเข้าเนะี่เข้าไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ค่อยชนานานญะไปทําอย่างอื่นอีกทําไปทํามาเอานะีเข้าเนะีเข้าเอาใจมันก็หยาบขึ้ใช่ไหมดันแค่เถียงไหมว่าใจมันจะหยาบลงมันก็กลับไปหยาบหยาบหยาบรอยร่องเดิมมันมีอยู่เพราะเฮียอาชีพเก่ามันรวยมันพอมีตัง ก็มีเงินก็ไปลงทุนไปซื้อวัวมาเป็นร้อยๆตัวเลยเลี้ยง ว, วัวต่อเลี้ยงใหม่ๆก็ไม่กล้าทบ ก, กล้าตีหรอกไอ้เรื่ความที่มีสมณสัญญายัางลุยเหลืออยู่บ้างที่หนักเข้าหนักเข้าเสียงก็เริ่มต้องโดขึ้นใช่ไหมคนเลี้ยงวัวแต่นี้ก็เลี้ยงวัวส่งลงฆ่าเลยทุกวันก็ไม่ละอาชีพเลยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีคนมาเล่าฟังๆแล้วก็น่าสะดุง้ง มีอยู่วันนึงต้อนวยถ้าไหนาวัววิ่งเข้าป่าพอวัวมันวิ่งเข้าป่าไปเสร็จมันไม่ยอมออกมาเป็นพงหนาด้วยคือจะต้องเอาไ ป, ไปไปต้อนเข้าสู่ที่บนรถเขาจะได้เอาไปเข้าสู่ลงฆางมันก็ไม่ไปเนี่ยพอไม่ไปเสร็จเร็จก็แกก็ตะโกนแบบทั้งโกรธได้เนาะบอกมึงจะออกมาหรือไม่ออกว่างั้นนะถ้าไม่ออกวันนี้นะถ้าไม่ออกนะ คุยพูดมันจะรู้เรื่องไวเนี่ยถ้าไม่ออกมาเนี่ยจะให้ส่งลงข้าวันเนี้ว่าะงั้นแต่ถ้าออกมาดีๆจะเอาเข้าโบสแปลว่าอะไรที่จะฆ่านั่นแหละแต่จะเอาเงินนั่ น, น, นไปสร้างโบสนี่ไงอภิธรรมบัณฑิตนี่อภิธรรมบัณฑิตรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องวิถี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 ยังไม่ได้โอกาสช่วะซึ่งมันน่ากลัวถ้าไปผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยัยงะมา <laughs> <laughs> เนี่ยไอกรณีแบบเนี้ยเนี่ยเเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นสมมุติอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอริยสงฆ์เลยอะ่ะมันยังเป็นสมมติอยู่เลยเนี่ยคำว่าสมมุติในี่แปลว่าอะไรจะ <laughs> มา ถ้าวันใดวันหนึ่งเป็นปรมาท士สงขึ้นมาเลยเป็นอริยสงฆ์อันนี้จะใช่อันนี้จะชัอันนี้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแล้วแต่ตอนนี้ยังมีโอกาสตกต่ำเป็นธรรมดาถ้ารู้อย่างนี้แล้วควรควรตั้งมนฑสิการไว้จะได้ไม่ประมาทถ้างั้นเดี๋ยวก็ตกพัวลงไปอีกก็เรียบร้อยบางทีเนี่ยไ้ลักษณะเนี้ยเวลาเราจะบอกจะกล่าวจะสอนคนอื่นดูมันคิดออกหมดเนี่ยอย่าลืมนะบางคนเนี่ยใช่ไหม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 ทุกของพวกเปตชนิดต่างๆมีความหิวกระหายเพราะลมและแดดเป็นต้นทุกนั้นย่อมไม่มีแกสัตรว์ผู้เกิดในพวกเปตนั้นแม้เหตุนั้นพระมุนีจึงตรัสว่าชาตินั้นจึงเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุของทุกอันหนึ่งทุกใดในพวกอสุรกายมีอยู่ในโรกันตัรนรกนะที่เย็นทนไม่ได้มืดตื้หาความเกิดไม่พึงมีในโรกันตัรนรกเพราะเหตุใดทุกนั้นก็ไม่พึงมีแกอสุรกายนั้นเพราะเหตุนั้นพระจอมมุนีจึงตรัสว่าชาตินี้ชื่อว่า เป็นทุกข์เลยนะสัตว์ผู้ในเกิดในครันของมารดาเป็นราวกับคู่เหมือนกับครูฐานรกเนี่ยนรกครูฐานนากแนะปลว่าอะไรนรกในหลุมอุจจาร ะ, าระใช่ไหมาการตกในนรกหลุมอุจจาระเนี่ยมันจะมีตัวหนอนเป็นตัวหนอนอย่างใหญ่ๆนะที่มันเกิดจากกรรมของท่านบนนั้นเองเนะี่ยว่าวิ่งกินวิ่งเจาะวิ่งช้อนวิ่งชัยัยงนั่นเลยเราเวลาอยู่ในท้องของแม่ ก็อย่างนั้นแหละตกอยู่ในคูฐานนรกก็นั่งนั่วนั่งทับหลุมอุจจาระอยู่อ่ะบนหัวก็กลายจะกลายเป็นอุจจาระอยู่แล้วไม่นานเนี่ยที่บนกระเพาะ อ, อาหารใหม่นั่นแหละนั่งขดเยืก่กระลิงอยู่ในพงไม้นั่นแหละแล้วลองคิดดูดิของร้อนตกไปในกระเพาะก็ยังก็อื้อหือลองคิดดูใช่มหมยังก็ย่างในเตาเพลิงเลยว่างั้นเถอะแต่ของแสบของเจ็บ ก, กรณีที่ของเผ็ดของร้อนเนี่ยเมื่อกี้เวลาเรากินของร้อนกินอะไรเข้าไปก็ต้องคิดใช่ไหมกินของเย็นๆเ ข, นเข้าไปก็ต้องคิดไอ้ตรงเนี้ยอาหารบางอย่างเด็กมีสิทธิ์บอกไหมว่าหนูแพ้อาหารนี้นะแม่ไม่ได้มีสิทธิ์บอกเลยอะกรรมมันก็คอยจัดการเองเลยบอกเอเอส่งไปเฮะส่งไปมัดอยู่สักเก้าเดือนสิบเดือนโอ้โหถ้ามาเนี่ยน่าจะเป็นคนบาปเยอะ แต่ก่อนเนี่ยคิดภูมิใจโดยเองโอเราเกิดเราอยู่ในท้องแม่สิบเดือนเท่ากับพระพุทธเจ้าอยางนั้นโอ้โหคนละมุมกันเลยอ่ะเอามานี่โดดอะไรพันตัวลกเลกิลกหนีพันเขาตั้เองพันเกาอีกแล้วยังคลอดยากเขาอีกอยู่ในท้องนังสิบเดือนต้องคิดเลยแต่ก่อนมาอ่านโอ้โหสงสัยเรามีบุญมั้งเนี่ย มีบุญอะไรพระโพธิสัตว์ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่กับห้องพระเจดีทองใช่ไหมมีอุตุกษพายะอาหารของแม่กับสปายะอุตุสปายะอาหารสปายะบุคคลก็สปายะและตนเองก็มีบรารมีคุ้มครองสปายะบนะนั่งขัดสมาธิเลยว่างั้นเธอแม่ปรารถนาจะเห็นก็ได้อะไรต่างต่างอะไเนี้ย แล้วพอนั่นเบ็ดเสร็จออกมา ก, ก็อุปนิสัยปัจจัยบรารมีธรรมของท่านเกื้อหนุนมารดาทําให้มารดาน้มให้ทานน้อมรักษาศีล น, นอนประพฤกษเนคขมมะมีปัญญามีความเพียรมีขันติโหดบรารมีสิอุปบรารมีสิบปรมาทบรารมีสิของของขอ ง, ของพระโพธิสัตว์ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยทําให้กระแสขันท่าไดยตนาของพระมารดานี่น้มไปในการที่จะบําเพ็ญกุศลอย่างรุนแรงเลยเนี่ย เราเนี่ยเกิดในท้องแม่กันเนาะแม่ไปฆ่าสัตว์บ้างไปลักท ร, รัพย์บ้างอย่าไหมไปประพฤติผิดในกามบ้างไปพูดเท็จบ้างบาปของเราเนี่ยมไม่ใช่มันไม่ใช่ทำในตนเองเดือดร้อนเท่านั้นนะไปอยู่ใกล้ไกลแล้วคนอื่นใจเป็นบาปด้วยเนี่ยนี่มันขนาดนั้นนะก็คิดดูนะพ่อแม่เห็นเราบางทีโกรธเราเลยมียังไหมพ่อแม่เห็นก็บุญเกิดเลยหรือคนอื่นใครเห็นหน้าเห็นตาเรายิ้มแ ย, ย้มแจม่มใสบุญเกิดเนี่ย นีแสดงบ่งบอกว่ากุศลของเรามันน้อยนิดมากใช่ไหมขนาดไปพูดกับเขาดีๆบางคนเขายังด่าส่งแล้วมัง้งใช่ไหมอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยเพราะเราทํากรรมไม่ดีไว้เยอะเราไม่ฉลาดในการเจริญกุศลและกรรมอย่างต่อเนื่องสติสัมปชัญญะงเราอ่อนเอมากถ้าสติสัมปชัญญะของเรานี่แข็งแรงนะเราจะฉลาดในการทากุศลด้ทุกทุกอนุทุกความคิดเนี่ย ทุกความคิดเราจะไม่ให้บาปอกุศลและทำอนามกมันแทรกใจได้ เ, เราสามารถที่จะทําจิตที่เป็นไปกับกุศลได้ไหมในคนพาและคนดีไม่ได้เลยใช่ไหมก็สูงๆต่าๆอย่างเงี้ยวันไหวเป็นกระเตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหวันไหวเพราะมีราบเสื่อมราบมียอดเสื่อมยดมีนินทาสนรเสริญสุขระทุกมันวันไหวตลอดเวลาในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยวันไหวไปตามอํานาจของกิเลสมันก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วอย่างเงี้ย เราสร้างกรรมที่วิจิตไปด้วยบาปเป็นส่วนใหญ่บุญเป็นส่วนน้อยอย่างเงี้ยถ้าวิธีคิดแค่เนี้ยพ้นทุกเม็ไดไม่มีช่องทางของการออกจากสังสารวัตรใช่ไหมถ้าจะออกออ ก, ออ ก, ออ ก, ออกแบบทุรักทุเลเข้าใจคําว่าออกแบบทุรักทุเลออกแบบชนิดที่ว่าบางคนเนี่ยโรคเรื้อนเต็มตัวเลยใช่ไหม ออกแบบโลกเรือนออกแบบพิกลพิการเลยว่ามันขาขาดแข้งขาดกว่าจะได้บรรลุ ก, กับเขาแต่ละทีนี่นะี่ยมันไม่ได้สมประกอบเลยนะประเภทอย่างเงี้ยเพราะเราทํากรรมประเภทที่อกุระนกรรมวิจิตไว้เยอะจัดเวลาจะบรรลุ ก, กับเขาสักทีเนี่ยต้องโดนทุบโดนแทงโดนแทบจะคือบางทีบรรลุสักนิดนึงก็ตายซะแล้วอย่างเงี้ยโ อ, อกรรมเนี่ยวิจิตแท้ฉะนั้นต้องมุ่งมั่นยิ่งๆต้องมีความเข้าใจ ใช่ไม่ใช่แล้วลองให้สังเกต ด, ดูแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่เราเราไปมองหรือเราไปเห็นไปได้ยินได้กลิ่นริมรถต่างๆเราเนี่ยถามว่าใจมันเป็นไป ก, กุศลได้อย่างต่อเนื่องและยาวไกลไหมเนี่ยถ้าเราศรัทธาก็อ่อนแอวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่แข็งแรงเลยเนี่ยตอนตอนที่อยู่ที่นคนปรปฐมใช่ไหมเล่าเทวดาจําได้ไหมไอ้มาบอกว่า เดินศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ออกจากโกศะออกจากอสัตถิยะน้อมไปหาความเป็นผู้มีศรัทธาในพระธนัตไตรให้มั่นคงวิริยะก็ออกจากโกศะให้ได้เพื่อจะยังกุศลธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างยาวไกลอย่างต่อเนื่องสติก็ออกจากการหลงลืมสติออกจากมุตตสติให้ได้น้อมก็หาเจริญในในด้านของเจริญสติให้บริบูรณ์ ส่วนสมาธิก็ออกจากวิเขปาคือความฟุ้งซ่านอย่างนี้เอาวิเคปาเนี่ยต้องต้องไม่ฟุ้งซ่านต้องออกจากความฟุ้งซ่านให้ได้ปัญญาก็ต้องออกจากกลุ่มสามโมหะคืออกุศลทั้งนั้นหลยกลุ่มสามโมหะทีนี้ไปด้านของกุศลศีลเราเสียหายกุศลศีลเสียหายก็ต้องใช้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่เป็นกลุ่มของกุศลศีลเหล่านี้นี่แหละ ในการเนี่ยเจตนาศีลเจสิกศีลสังวรศีลนาวีติกรรมศีลนี่แหละในการที่จะน้อมทําศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไหมออกจากปาณาธิบาศให้ได้เพื่อจะได้งดเว้นจากปานาธิบาศเนี่ยออกจากอธินาทานใช่ไหมได้งดเว้นจากการการละออกจากกามีสุนมิจชาจาร์ออกจากมูสาวาตออกจากปิสุณาวาจาออกจากพุรุสวาจาออกจากสัมผาฬาปะออกจากอภิชา น้อมก็หาอนาพิชาใช่ไหมน้อมออกจากพยาบาทน้อมก็อพยาบาทหรือน้อมมหาเมตตาออกจากมิจฉาทิฏฐิเข้าหาสมาทิฏฐิถ้าหมุนได้อย่างเนี้ยศรัทธาเป็นปัจจัยเกิดสติวิรยิยะวิริยะเป็นปัจจัยเกิดสติสติเป็นปัจจัยเกิดสมาธิสมาธิก็เป็นปั จ, จัยกิดปัญญาปัญญาก็เป็นปั จ, จัยเกิดศรัทธาก็หมุนอย่างเงี้ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นมันต้องวัดตัวเองได้สิ น, นี่เราโอ้โหตัวเองอ่อนแออยู่เลยนะกนับวันับวับ น, น, น, นมันคิดแย่ลงแย่ลงถือว่าเราแย่มันต้องรีบแก้ไขความคิดแบบเนี้บางทีใช้คําพูดอย่างที่ท่านสรุปคําพูดกันบ่อยๆมันต้องคิดกว้างมันต้องมองไกลต้องไฝพระนิพนธ์นะเนี่นยนะ ไ, ไม่จะไปคิดแคบมองใกล้ ไปต่ำลงอบายเลยใช่ไหมบทีเราคิดจะลงอบายกันอยู่เรื่อยเลยแล้วจะไปสรารเสริญนสัตว์อบายศัสตร์เขราจใ้ยอมแนะเรารู้ว่าใครก็แล้วแต่เหอะจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากายทุจริตวจีทุิจริตมโนโทุิจริตอันนี้คืออบายศัสตร์ในอนาคตเราจะไปบูชาทำไมเราเราอยากจะต้องหนีอย่าไปเสพคุนอย่าไปคิดถึงมากคนแบบนี้ ถ้าจะคิดก็คิดเพื่อสังเวชสวดใจเพราะถ้าเรารู้ว่าคนที่ประกอบทุจริตสามเนี่ยนั่นคืออบายศัตว์ในอนาคตใช่มะถ้าจะคิดคิดให้เป็นนะตรงเนี้ยอะสมมติเราไปดูทีวีเข้าใจ่มะเห็นคนพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจืออะฮิโดนสะ้อจะได้ครบกรรมมบด่ะเอาจริอบายศัตร์นี่ ใช่ไหมอวัตวะในอนาคตแล้คนอย่างนี้เลยที่เราก็จะเอาเป็นแบบอย่างที่เราจะเสพพุ้นเน่ยมันก็เริ่มชิดเป็นแล้วแต่เนี้ยปัจจัยก็ต้องมาเยอะแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมสหชาติต่ปัจจัยอารมณะปัจจัยสหชาติชาติอารมมณชาติอานันตระชาติวัตถุปเรชาติชาติปชาชาตชาติอะไรต่างเนี้ยต้องมาเกื้อหนุนกุศลเราแล้วใช่ไหมมันมันต้องเอามาใช้ได้สิไออย่างเงี้ยโอ่เงี่ยชัดอย่างนี้แข็งแรงไหมมันจะแข็งแรงมันจะเข้าใจ ถ้าเราเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เนี่ยพระเจ้าอาเสวนนาจะพาเราบันดิตานั่นจะเสวนาใช่ไหมแล้วไอ้ น, นี่รู้อันนี้รู้หมดอดไม่ได้ <c oughs> รู้ทำไงใจมันชอบนึง่งใช่ไหมให้ใจมันชอบจะทํารเออเราไม่ชอบอะไรกันแน่เนี้ยใช่ไหมเราชอบอะไรชอบบรรัณฑิตที่ชอบพฤติกรรมของคนพา น, นี่ก็เริ่มคิดใช่ไหมอ่า น, นี้อันนี้อันนี้เตือนตัวเองได้ไหมวิธีคิดแบบเนี้ยเตือนได้มบางทีเตือนเตือนเบ า, เนเบาๆนี่ไม่ค่อยออกเลยต้องสะกิดแรงๆใช่ไหมต้องสะกิดแรงๆเลยถ้าสะกิดแรงๆยังไม่ออกทําไงถากเลยนี่ถาอกปึกนี่เอาหลุดเลยเดียนะ๋ยวนี้นี่ต้องอย่างนี้อย่างเราเนี่ยมันมันต้องอย่างนี้วบางทีมันมันแน่นมากใช่ไหม มันต้องถากออกมาดูก่อนจะไปี่ยวดูในขนาดที่อยู่งนะี่ไม่ได้มันบางทีมันต้องออกมามองข้างนอกดูอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันต้องทําตัวให้พ้นจนากพันธนาการเนี่ยคนจะมองอะไรได้ดีเออไม่แปลกใจนะคนที่เขาทําตัวเองให้พ้นจนากพันธนาการเนี่ยเขามองอะไรได้ดีกว่าอันนี้ขนาดผู้รุชนมองนี่นะถ้าพระพุทธเจ้าลองคิดดูขาดเลยมองขาดเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ย นี่ก็จะเห็นเหมือนกับคนคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่กรช่านเลยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลองไปดูที่ไล่ไปทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยเรื่องทุกข์สัตว์เนี่ยพอไปวิจัยนะเอาถ้าวิจั ย, ยนี้ไม่เห็นก็โตสี่สิบโตตีโตสี่สิบสองโตมาวิจัยเลยวิจัยเบสเสร็จวิจัยในความเป็นไนี่จังชัดไหมทุกขังชัดไหมอนัตตาชัดไหมหมุนอยู่อย่างเงี้ย ไม่เกินห้ารอบนะเขานะครั บ, นะรบอ้ความเป็นพ่อเป็นแม่หายเกลี้ยงเลยโอ้เหลือแต่กระแสขันท่าในยานนาที่เป็นไปกันนะั้นโอ้มีสมมุติกันยังไงโอ้นี้มาผูกพันอะไรกันหน้ากันหนาะนี่ไปแล้วแต่เนี้ยนี่ชัดแล้วต้องวิจัยพ่อแม่ก่อนเลยใช่ไหมเป็นคนที่เราผูกพันมากที่สุดเป็นคนที่ผูกพันมากที่สุดที่บุคคลอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมนี่ก็ชัดแล้วแต่เนี้ย ต่อไปก็จะบอกเลยนะไม่ใช่สัตว์ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่ใครไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พรหมใช่ไหมก็ไล่ไปอ่ะตามดับและโอ้ไม่ใช่จริงๆด้วยโอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาพอมาการกระแสขันมาประชุมกันขึ้นมาไม่้ความติดแน่นยึดถือไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตเนย คืเขาจ้าสาจัจจที่ท่านจะไปรวมไงเดี๋ยวต่อไปท่านจะไปรวมลงในปัญจุปาทานกันนัะทุกค่ะเวลาศึกษาในเรื่อ ง, อ, งอริยสัจ ต, ตรงนี้เขาบอกว่าประโยชน์ในการกล่าวมากไปทุกใดมีมากมายเป็นต้นอะไเนี่ย น, นะก็ประโยชน์อะไรด้วยการกล่าวมากว่างนั้นทุกใดแม้เล็กน้อยมีอยู่หน้าที่ไหนในโลกนี้ทุกนี้เพราะเว้นจากความเกิดเสียเนี่ยจะมีแต่ที่ไหนแล้ ว, ว่างนั้นเพราะอย่างนั้นในพระมาเหสีคือพระเจ้า ยิ่งตัดว่าชาตินี้เป็นทุกอย่างแรกในทุกทั้งปวงว่างั้นตรงนี้ก็คือบอกว่าความทุกข์ที่ท่านตรัสกันไว้ในที่นี้ท่านบอกว่าการพัฒนาอย่างมากมายจะมีประโยชน์อะไรทุกในโลกนี้ซึ่งมีสถานที่ต่างๆไม่มีนาการในไหนถ้าไม่มีความเกิดไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าจึงตรัสความเกิดนี้ว่าเป็นทุกข์ก่อนทุกทั้งปวงต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ ชราท่านก็นจัดสองอย่างชราที่มีลักษณะปัจจัยประชุมปรุงแต่งกัชราโดยขันอนับเนื่องในพบหนึ่งในสันตติบัญญตัติซึ่งชาวโลกสมมุติกันว่ามีลักษณะต่างๆนะฟันหักเป็นต้นเราเนี่ยนะหนังเหี่ยวย่นในรายละเอียดในชั้นของดีกาต่างๆเราเนี่ยนะท่านก็ขยายท่านขยายบอกว่าดังที่ได้กล่าวบอกว่าเห็นผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเราเนี้ยนะ อาการติ่ฟันหักสรีละโค้งงอเป็นต้นเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อบ่องบอกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกกิ่งไม้ใบไม้อยากเยื่อเชื้อฝอยต่างๆเหล่านี้ลอยไปนะถึงที่ใดชนทั้งหลายก็รู้ว่าน้ำท่วมไปถึงที่นั้นชั้นใดถ้ามิฉะนั้นแล้วดุดลมพายุพัดเอากิ่งไม้ก้านสาขาแห่งพฤกษาชาติทั้งหลายหักทับลงคนทั้งหลายก็ เมื่อสิ่งต่างๆเมื่อลมนั้นสงบไปได้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ปรากฏเห็นลมแต่ชนทั้งหลายเห็นกิ่งไม้หกักเห็นต้นไม้ร้มต่างๆเหล่าเนี้ยก็บอกรู้ได้ทันทีว่ามีลมพายุพัดแม้ฉันใดชนทั้งหลายเห็นฟันหกักใช่ไหมเหตุพราะฟันหักแล้วเนี่ยไอ้แก้วพวกเรามันตอบเข้าไปนะใช่ไหมคนเราองดีเราเอาฟันน อ, อกหมดสิ ว่าบอกว่าคนคนนี้ดูหน้าตาเออปิ่มว่าง<ม>พ่ อ, อฟันออกหมดแล้วไ ม, ม่หมดหมดสภาพเลยพูดถึงเนี้ยโยมพ่อฟันก็นเหลือสองซี่และต่อมาก็ต้องเอาออกหมดแต่นี้ให้ไปใส่ฟันปลอมก็ไม่ใส่สัทีปล่อยไปลย ป, ลยปล่อยมาทีเนี้ยเอามาใส่ก็เคี้ยวอาหาร ไ, ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้ว แกก้ออกตอนเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวที่ไรก็ออก <c oughs> ใช่ไหมพ่อแกบอกมันไม่อร่อย <c oughs> ก็ใช้เหงือกบดบดบดไปนาข้าวนาข้าวมีปัญหาเลยแตเนี้ยหมอบอกโอช่วยไม่ได้แล้วเอาทาไงฟานมันบันติด เ, เงือกบันติดหมดแล้วเลยใส่ไม่ติดเลยแต่นี้ว่าใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมนาข้าวนาข้าวแกเลยลำ บ, บากเลยเนี้ย ก็ น, นั่นแหละใช้ใช้เนื้อบทเนื้อ น, นะงั้นก็ค่อยๆรุ่นๆนึกโอ้โหล้วแกก็บอกว่าเนี่ยของเหล่านี้เดี๋ยวไม่เอาไปไหนเดี๋ยวยกให้เราก็พูดเรื่องไม่ออกตอนนั้นที่ไหนได้โอ้โอจริงๆด้วยสมบัติกองทุกขันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี ฟันก็หักแก้มก็ตอบตาก็มืดมัวหูก็หนักเนี่ยเห็นการัชกายคําค่าผมก็งอกหรือเห็นผิวหนังเหย่่วย่น่างๆรู้ว่าชะลาในปรากฏอุปมาชั้นใดนะการถึงชาราทุกนี้ย่อมขับเอาอายุสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยให้น้อยลงน้อยลงแล้วก็หมายความบอกว่าไอขา้ข้างข้างหลังเนะี่ยมันก็มากขึ้นใช่ไหมไอ้ข้างหน้าก็เหลือน้อยลง เหมือนไฟไหม้เสาไฟไม้เสาถ้ามันไหม้โคนมามากไอ้ที่เหลือมันก็ น, อน้อยไอ้ตอนเนี้มันไหม้ไปเยอะแล้วเนี่ย<ม>นี่ทําที่พึ่งไอ้ตัวเองอย่างเนี่ยไหม้มาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันไหม้หกสิบกว่าปีแล้วมันไหม้มาหกสิบปีแล้วแปลว่ามันจะหมดแล้ ว, แ ล, วแล้วคิดว่าไอ้ไม้นี่มันจะยืดเองได้ไหมเนี่ย มันมีขีดของมันอยู่ใช่ไ้ยถ้ามันมีความยาวแค่นะสมมุติว่าไม้นี่ยมันยาวแค่หกสิบแปดวานั่นไหมมาทั้งหกสิบสี่วาแล้วสมมุติเนียแปลว่ามันจะมีความมหัศจรรย์ไหมไม้มันจะพุ่งออกไปอีกหกสิบสีวานมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันไม่มีแล้วแต่ไม้บางทีเนะี่ย บางทีเราไปเห็นคนอายุมากเราอาจจะคิดว่าเรายังไม่ถึงหกสิบสี่ว่าแต่ไม้บางทีมันไม่ถึงนะบางทีมันแค่สี่สิบวาก็แค่นั้นเองใช่ไหมท่านแค่เข้าใจว่าเนี่ยแล้วจะไปคิดอะไรตอนเนี้ยต้องคิดดิว่ามันจะไม่หมดมันจะหมดอยู่แล้วไม้ท่อนนี้แล้วจะไปวางแผนชีวิตยงไง แค่แค่จะคิดไปสุขติภูมิเนี่ยพบต่อไปมันก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วจะไปวางแผนอะไรอจะวางแผนอะไรในชีวิตที่เหลือเนี่ยใช่ไหมอาอจะวางแผนอะไรอยากจะเป็นเท่าแก่ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ทันการแล้วเนี่ยคนที่เ้าจะคิดเป็นเท่าแก่เนี่ยก็เขาคิดมาตั้งแต่เด็กๆน่คิดเด็กๆมึงยังแทบไม่ทันเลยนะบางคนเนี่ย ถ้ายิ่งสามสิบมาคิดเนี่ยหมดสิทธิ์เลยก็เลยเตือนพระท่านไม่อยากให้ท่านคิดตอนอายุสามสิบยังไมอายุมากไงถ้าคนคิดวางแผนยีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สามสิบนี่ถือว่าคิดเร็วไ้ไหม เราเป็นงั้นหรืออันนี้พูดจริงๆเลยวันนี้ คำพูดใ น, นลักษณะนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิด ที่สูงนะคือคือคือบางทีเนี่ยมันบางทีเอ้าเอมาเนี่ยบางทีเจอพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยที่ท่านบางองค์นี่มีโอกาสจะพลาดเนี่ยโอ้โหเสียดายจริงนะบางทีบอกแต่แต่อย่างว่าเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยถ้าเขาเร่งค้นควายตัวเองเนี่ยมันจะออกจากความคิดนี้ได้ ความคิดเหล่านี้ถ้าไปจมอยู่กับมันมากๆเนี่ยมันสร้างวิมานประหลาดประหลาดเหมือน มีเกาะ อ, อยู่แล้ว ที่มั น, ม, นมาเคยนึกถึงนายเนียาบานโอโ้โหเขาเห็นสัตว์นโลกเนี่ยเขาเขาสงสารยริงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องไปไปคอยทรมานมันเป็นกรรมที่เขาจะต้องไปทำํำไปไ ป, ไปมามาเนี่ยด้วยการเผลอด้วยก็อยู่ใกล้กับสัตว์โดาที่เยอะไปเกิดโกรธไปเกิดเกลียดขึ้นมาก็ไปประทุษร้ายด้วยโทรศ ไอ้กรรมที่ตนเองทํทาทํำพอตนเองจุติถ้าเกิดไปเป็นสัตว์ในโลกซะเองก็ไปนี่คนเหมือนกับผู้คุมทั้งหลายใช่ไหม โ, โกรธมากจเจอพวกไอ้นักโทษเนี่ยทําร้ายเขาบ้างอะไรบา้างเน่ยเข้าตนเองก็ไปทําผิดซะเองแล้วกลายเป็นนักโทษอยู่กันอย่างนี้โอ้สังสารวัตมันออกกันไม่ได้มันดูมันเห็นโทษมันเห็นด้วยโทษะต้องต้องระวงังเนะให้เห็นด้ปัญญาอย่างนิยมมากจริง ถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันจะออกไม่ใช่เห็นด้วยโทสะเพราะโทสะมันก็เห็นโทษแต่เห็นโทษแล้วมันมันเกลียดมันเกลียดอืใช่ๆช ใ ช, ใ ช, ใช่ก็ไม่ปลอดภัยใช่ถ้าคิดถ้าคิดปริมาณของความคิดยังไม่เพียงพอเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะเดินออกจากเดินออกจากความคิดที่ผิดพลาด เ, เพราะมันมีกำลังมากจริง จริงๆนะชีวิตนักบวชที่อิสระเนียอิสระอิสระคือมีโอกาสเจริญกุศลได้ทุกทุกเวลาไม่เวลาไหนเลยนะจริงๆไม่มีเวลาไหนที่ที่เจริญกุศลไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเราพลาดไปแค่นั้นเราพลาดได้โอกาสเจริญกุศลง่นี้ที่ที่ที่ว่าชีวิตฆราวาสนี่อูไม่ได้มีข้อจากัดเยอะตรงนี้ก็คือท่านให้พิจารณาเรื่องชรลาทุกเนี่ย ก็ชักอายุศาสตร์ให้น้อยลงไปข้างหน้าให้มากขึ้นข้างหลังเกิดมาร้อยปีก็ล่วงไปและหนึ่งปีก็ขาดร้อยปีไปแล้วก็ไล่ไปตามลำดับนี่นะแต่ละวันแต่ละวินาทีเนี่ยทุกวันทุกคืนนั้นเน่ยชราเนี่ยไม่เคยหยุดอย่างว่าชลาไม่เคยหยุด มันก็พยายามที่จะทําให้กระแสะขันธาตุอายตาระของสัตว์ทั้งหลายนั้นนะเพื่อจะไปสิ้นสุดลงให้ได้มันมีหน้าที่เป็นอย่างนีน้มันมีหน้าที่ในการที่จะเผาทําให้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายวิกวลวิการวิปริตต่างๆอินทรีย์คือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายเนี่ยทําให้มีการวิกวลวิการต่างๆก็หมายความบอกว่าร่างกายก็จะเหี่ยวแห้งหน้าเกลียดหน้าชัง น่าสงสารน่าเวทนาประการหนึ่งก็คือกายของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีตัณหาเป็นนายช่างปลูกขึ้นมาใช่ไหมนายช่างก็ปลูกขึ้นมาแล้วร่างกายเนี่ยไอ้ตัณหาที่มีกรรมเป็นสหายนี่แหละก็ปลูกขึ้นมาแล้วเมื่อแรกเนก็ยกกระดูกส้นเท้าทั้งสองขึ้นท่านลองเบื้องต่ําแล้วก็จึงยกซึ่งกระดูกแข้งแล้วก็ กระดูกแข้งก็ยกกระดูกขาขึ้นมาเป็นเสาแล้วก็ยกซึ่งกระดูกสียลมมาเป็นรอดสวมกระดูกสีข้างขึ้นมาเป็นกรอนซ้อนกระดูกสันหลังมาเป็นอกไก่แล้วก็ยกขึ้นซึ่งกระดูกคอและกระดูกไหลให้เป็นขื่อเป็นดั้งนี่หมายถึงเรือนนะยกกระดูกศีรษะให้ตรงเป็นช่อฟ้าเต่าวมวยผมเป็นยอดแห่งช่อฟ้าไป ห้อยซึ่งแขนซ้ายแขนขวาเป็นเหมือนป้านลมอ่ะเรื่อยจากบ้านป้านลมเนาะไม่เรื่อยจาก้านลมอไอ้ที่มันเป็นไอ้กันศาสตร์ที่มันเป็นที่บังลมนั่นเองนั่นแหละเขาเรียกป้านลมนี้เป็นภาษาโบราณเนะียนั่นแหละแต่จริงๆลักษณะนั้นเป็นป้านลมที่เขาจะทําไอ้ลักษณะที่มันกันลมก็ไวเหมือนจั่วเหมือนเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ อันนั้นะ เ, เาเรียกว่าเป็นป้านลมนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะทีนี้หนังหุ้มกระดูกก็เป็นฝาเนี่ยหนังหุ้มกระดูกเนี่ยก็คือเป็นฝาเรือนก็เป็นฝาเรือนไปร้อยลัดแล้วก็ตรึงตราด้วยตอกแล้วก็หวาย ตอกแลวไหวในที่นั้นก็พวกเส้นเอ็นทั้งหลายเหมือนตอกไหวคือเส้นเอ็นน้อยใหญ่นั่นแหละแล้วก็บริกรรมทาได้ปูนทาได้ปูนและน้ำเชื้อคือน้ำเลือดนั่นคือเนื้อและเลือดนั่นแหละเสร็จแล้วก็ตอกตะปูเลยเก้าแห่งอัตปูตอกเข้าไปจักขุทวานทั้งสองอ่ะตะปูสองดอกตอกเข้าไปแล้วโสตทวานก็ตอกเข้าไปตรงนี้ะนะคานทวาน มุขขาทวานตอกดอกใหญ่เลยตรงเนี้นะต่อกเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ปัสสวะทวานอุจจาระทวานก็ว่าไปเนะเป็นทวานเก้าเลยตั้งไว้ที่สีหาบัญชรเนี่ยนะนะคือจกักขคูประสาส์หนึ่งโซตตประศาส์หนึ่งคณนประศาส์ชิวหาประศาส์กายยประศาส์ดังนี้แล้วก็โบกผิวนอกคือตัาโจก็คือหนังนั่นแหละแล้วก็ทาด้วยน้ํายา อันเหลืองและขาวคือขมิ้นและแป้งเป็นอาทิกระทาดวงจิตให้เป็นเจ้าเรือนเกื้ออาภาพนี้เมื่อขณะการแห่งลมพายุพัดก็คือชรลานั่แหละมาเบียดเบียนมาบีทานะนะมาย่ำยีต่างๆในการใดเรือนคกื้ออัทภาพนี้ก็ไม่อาจที่จะตั้งมั่นถาวร อ, อยู่ได้ก็หวั่นไหวสั่นคลอนไปมาคาคร่าชรลาลงทุกวันทุกคืนียบวัสีคือการยืนเดินนั่งนอนกรทุ้พลภาพลงเนาะ จะลุกจะนั่งกระทาเสียงคลางเสียงสั่นแล้วต่อไปเสียงร้องกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะเดิลุกเดินเรียคายันคํายันใช่ไหมเป็นงั้นไหมตอนนี้เริ่มเป็นแล้วเนาะแต่ใจยังไม่เป็นนะเนี่ยเนี่ยเริ่มเสียงคลางแล้วสวยทุกขเวทนาต่างๆนานะประการหนึ่งพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้วก็การใดนะ ที่บรรดาดอกไม้บานในน้ําก็ดีในบกก็ดีเนี่ยขั้นต้องรัศมีอาทิตย์แล้วก็เริ่มเหี่ยวแห้งหายนขาข้าวก็โรยราปัสจากสีสันนะตอนเนี้ยดอกไม้นี่ก็เริ่มโรยราสีก็เริ่มไม่ค่อยสดอย่างเก่าแลนะ้วเนาะใหม่ก็ดูมันสีมันเนียนาข้าวพอเจออาทิตย์บ้านหลังนี้อย่าพังอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมลมพัด ถ, ถ้าไม่รู้ตัวอะไรในะโยก ค, คอนอะไรสารพัดเลยตอนเนี้นะ นี้แล้วถึงพระจันทร์อันรุ่งเรืองก็สูญเสียไปปราศจากรัศมีเศร้าหมองชั้นใดความชลาเนี่ยแม้มาถึงแล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายมีอวเยวะต่างๆวัฒนาการมีรูปโฉมโสพานะใหม่ๆนะเข้าก็โรยลานะแล้วก็เศร้าส้อยปราศจากสีพันต่างๆปราศจากกำลังวังชาแล้วต่อมาก็เหี่ยวลงทุกวันทุกวันเป็นที่เกียรติชั่งนะก็บอกว่าชลาเนี่ยนามาซึ่งความลังเกียจของคนอื่น คือต่อไปในะคนอื่นก็จะขมเพ่งลูกคมเพ่งนะน้าเข้าเนะ้าเข้าลูกขมเพ่งเอะเขาคมเพ่งยังไงเดินไวๆที่แม่ของนะั้นอ้โ เ, เดินชาวว้าเชื่อไหมคิดเร็วๆที่แม่เนี่ยเดินแค่นี้เองมีอะไรหรอโอเคเขาคมเพ่งยังไม่รู้ตัวนะน้ะเขาขมเพ่ง น, ะน้าเข้าน้าเข้า เอาเรยบกินข้าวงนั้นใช้เวลานานอย่างนี้เหรองั้นเน่ยน่ะข้าวเขคม เ, เหงือกมาเลยนี่ไงเนี่ยชาานเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้โดนคมเหงือกมาอย่างโดนแล้วนะโดนลูกคมเหงชาลาเป็นอย่างงั้นแหละเขาถึงบอกว่าชาานั้นทุกข์เพราะเป็นสังขารและทุกข์นะเป็นบอ่อเกิดของความทุกข์เนื่องจากชาาเป็นเหตุทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจอย่างมากมาย คือการที่จะต้องทําองค์คาพยพคืออินทรีย์ทั้งหลายให้แปรปวนแล้วก็ไม่งดงามนั่นแหละลักษณะนั้นคือชลาเสื่อมวัยก็ย่อนย่อหย่อนความเพียรหลงลืมสติก็ถูกคนอื่นก็คมเพ่งต่างๆนานๆนนในต่างๆเหล่าเนี้เป็นคําสอนนะท่านบอกถูกคนอื่นคมเพ่งเขาไม่เกรงใจแต่เขาพูดเหมือนเกรงใจเนะี่ยแม่หนูรักแม่นะแต่แม่ดูเร็วที่แม่ เดินช้าอยู่ได้เ็าว่าแต่ก็บอกว่ารักแม่ไอ้เราก็แอ้เราก็ชื่นใจคำหวานนั่นคือคือไม่รู้แล้วอ่ะว่าเขาข่มเหงหรือเขารักจริงๆแยกไม่ออกแล้วเพราะสติสัมปชัญญะมันก็เสื่อมโทรมเสื่อมทรมแล้วยังคิดว่าจะพึ่งได้นะทั้งๆที่ขันเป็นอสราณโตเนี่ย ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สารณะเราก็นึกว่าขันนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้แท้จริงไม่ใช่เลยใช่ไหมขันไม่ใช่เป็นสารณะเป็นอสารณาโตไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ที่ต้านทานด้วยแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยไม่ปลอดภัยด้วยนะลักษณะอย่างนี้กันถึงบอกว่ามวลมนุษย์ย่อมประสบความทุกข์กายและทุกข์ใจเพราะการที่องคาประยบแก่ลงนะอินทรีย์ก็แปรปลวนเสื่อมวัยหมดกําลังหลงเหลืมสติ เป็นต้นถูกบดภรรยาของตนน่ะดูหมิ่นว่าเป็นคนโง่เขายิ่งเหมืนกันความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมีชรานะลนเป็นเหตุเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าชราเนี่ยเป็นทุกข์ชราเนี่ยเป็นทุกข์นัจริงๆก็คือก็บอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเราเนี่ยเดินช้าคิดช้าจําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยในความหมายเขาเขาบอกว่าแม่นี่โง่จริงๆพ่อนี่โง่จริงๆ กาใจอย่างแต่เนี้ยเขาคมเห็นเอแล้วไม่ได้เป็นอิสระแล้วทุกต่างๆเกิดขึ้นมาก็านึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดาเนี่ยผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระศาสดานท่านตรัสคําไหนไว้จริงเนี่ยตรัสว่าชรลานี่เป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆแล้วก็ที่สุดจริงๆกระแสะขันธะและยตนาของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รังเกียจของคนอยู่ เขามองคนแก่เนี่ยเขามองเขาไม่ได้ชอบมองนานนะเขาไม่ได้มองนานเลยนะจริงๆเขาก็รังเกียจก็แก่เขาก็รังเกียจนะไหมเจ็บก็ยิ่งรังเกียจถ้ายิ่งตายแล้วเดินหนีก็เลยเดินหนีเลยก็ลองคิดดูทีไปร้องไห้เนี่ยเบนหน้านหนีตะพืชใช่ไหมพอไปเนี่ยไปดูสอบนี่ไปมองเนียแป๊บเดียวมองนานไม่ได้ด้วย ไม่ไหวแล้วเขาลังเกียจขนาดหนักเลยนะอย่างนัน้ที่จริงเนี่ยเขาลังเกียจตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งจะไปเห็นไมพอเห็นอย่างนัน้ก็ชัดออกมาเลยนะีเป็นที่ลังเกียจนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไปดูลังเกียจดูดีแต่ละคนโอ้ยไปงานสพเป็นพยายามจะไปกันนะพอไปเอาดอกไม้อะไรต่างๆให้ไปวางว่าริบเบนหน้านี้เดินลงกันเป็นแถวเป็นแถวเขาลังเกียจ ไม่ต้องบอกก็เลยบอกว่าอ๋อจะยอยู่ดูก่อนนานนี่ไม่ต้องไม่เคยมีใครอยู่ดูน้ํานเล <c oughs> ขนาดเอาดอกไม้ดับข้างนอกยังไม่มีใครอยากไปจ้องดูนานนานลูกเพยังไม่มีใครอยากจะดูน้ํานเลยนี่เป็นอย่างนี้เจียกว่าโอ๊ยไปไปเนี่ยไปงานศพเนี่ยก็ไปกันแป๊บแป๊ก็คือเขาลังเกยียดแล้วไม่มีใครอยากจะพึงปราถนามีใครบอกว่ารักมากเดี๋ยวขอเอาไปไว้ที่บ้านตั้งสองวันมีไหมคนคนนี้รักมากสารเสริญมาตั้งนานแล้วเนี่ย ขอไปวางไว้ที่บ้านหน่อยนอนโดยชื่นใจเลยดีไหมก็ลังเกียจแล้วลอมหายใจขาดก็รังเกียจยฉะนั้นชราเนี่ยเป็นทุกข์เนะชราเนี่เป็นทุกข์นะแต่พิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นความชราเนี่ยว่าเป็นทุกข์งนประการต่อมาก็คือพยาธิชราเป็นทุกข์แล้วก็พยาธิที่จริงในพูดถึงในเรื่องของชราเนี่ยท่านกล่าวไว้เยอะนะ พูดถึงชลาเนี่ยโดยทรา์ต่างๆ้ความคล่ำคล้าของชราเนี่ยนะกรณีแห่งชราอย่างเช่นว่าชีระตาเนี่ยภาวะที่คล่ำคล้าชีระตานี้เป็นการอธิบายโดยการของชราเนี่ยขันทิต จ, จังคือฟันหลุดนี่นะผู้ดได้ผู้ให้ภาคแต่ว่าชลาโดยกิจโดยภาวะแห่งผู้มีฟันและเล็บหักในเมื่อล่วงการผ่านไปแล้วเนี่ย ส่วนปลาลิศจังก็แปลว่าผมหงอกแสดงชราโดยกิจเหมือนกันคือภาวะกระทำความที่ผมหงอกให้ปรากฏไอตัวตัวผมหงอกเน่ยไอความหงอกของผมความขาวของผมเนี่ยนะมันเป็นข้อบ่องบอกว่าชลามันทำงานมันเหมือนไอที่บอกว่าไอลมพัดต้นไม้หักอย่างเงี้ยนะหรือหรือไฟไหมอย่างเงี้ยพอไฟไหม ไม่ป่าหมดแล้วเหลือคีดเท่าเหลือทานเนี่ยไอทานกับคีดเท่าที่เห็นนั่นเป็นผลของไฟอันนี้เหมือนกันฟันหักเนี่ยผมงอกเนี่ยมันเป็นผลของชลาเป็นผลของชลาเนี่ยมันเป็นภาวะที่ชลามันแสดงให้เห็นอย่างเช่นตาสายตาเขาเรียกสายตาสั้นบ้างสายตายาวบางเนี่ยอันนี้เขาเรียกชราบารากฏแล้วใช่ไหมมันถ้าถามบอกว่าชลาอย่าไปนับอายุอย่างเดียว นับอายุอย่างเดียวเราก็จะนึกว่าเรายังไม่ชราเออเราก็จะนึกอย่างเงี้ยก็ถ้ายังอาลามาหรืออย่างท่านแคทถ้าพูดถึงสายตาเนี่ยอย่าไปเอาอายุเป็นตัววัดเอาตัวสายตามันชราแล้วเนี้ยถ้าอเงี้ยมองหน้าคนไกลๆไม่เห็นต้องใส่แว่นเงี้ยแต่ถ้ามองไกลได้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยชราแล้ว ลักษณะนี้เขาเรียกชลาปรากฏวิริตรตจักระตาก็คือความที่หนังเหยียวย่นเนี่ยนะแสดงถึงชะลาโดยกิจเหมือนกันกระทําของผู้ที่หนังเหยียวย่นต่างๆให้ปรากฏฉะนั้นสัพท์ทั้งสามอย่างขันทิตจังการที่ฟันหลุดเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเป็นศัพท์แสดงโดยกิจในเมื่อล่วงการผ่านไปของชลานั้นทั้งสามประการนั้นพระองค์ทรงแสดงปากตะตชลาว่าชลานั้นเป็นชะลาที่ปรากฏ ด้วยคมสามารถแห่งการเห็นเป็นการวิการไปของอิสีทั้งหลายนะเหมือนทางไปมาของน้ําหรือเหมือนลมหรือเหมือนไฟเป็นต้นย่อมเป็นทางที่ปรากฏความที่หญ้าเอย่ยต้นไม้เอย่ยหักโค่นลงไปต้นที่ท่านยกตัวอย่างมาต่างๆเลยเนี้ยนะซึ่งต่าง ๆ, ๆเหล่าเนี้นะฟันหลุดเลยเป็นต้นน่ยหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเน่ยยังไม่ใช่ชาลาเพราะชาาไม่ได้เป็นธรรมที่พึงรู้ได้โดยจักสูรนะแต่ธรรมไอชาลาเนะี่ยจึงจะรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นต้นเหล่านี้นะ ท่านก็พูดถึงในเรื่องของคําสอนบอกว่าอายุโนสังหานิอินทรียานิปริปาโกบอกวความเสื่อมสิ้นแห่งอายุความแก่งหอมของอินทรีย์เพราะเหตุ2ประการนั้นสัพท์หลังเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นศัพท์อธิบายความเป็นปกติของชารานั้นที่นี้ในบรรดาชาราคือความเสื่อมถอยแห่งอายุหรือความแก่งหอมของอินรีย์เหล่านั้นน่ยเพราะอายุของสัตว์ทั้งหลายชาราแล้วเนี่ยนะย่อมเสื่อมไปนั้นฉะนั้นชารานั้นพระบรมศาสดาก็เลยตรัส ตัดโดยไรตัดโดยพรูปรจารัายโดยอายุโนสังหานีความเสื่อมสิ้นของอายุก็หมายความว่าแสดงถึงผลแต่หมายถึงเหตุนี่เนเพราะอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขู่เป็นต้นในการที่ยังเป็นหนุ่มเป็นผลของความผ่องใสมีความสามารถในการถือเอาวิสัยแม้ละเอียดของตนได้โดยง่ายทีเดียวเมื่อถึงชราแล้วย่อมเป็นอินทรีย์ที่แก่ง่อมสับสนไม่คล่องแคล่วไม่สามารถ เพื่อจะเอาวิสัยที่แม้หยาบของตนได้ตรงเนี้ยท่านก็ตรัสถึงความที่ชราดังที่ได้กล่าวนะปากตะาษชรากับปฏิชนะชราชราในรูปธรรมชื่อว่าปากตาานะาษชราเนียเห็นได้ทารูปธรรมชราเนะี่ยถ้าฟันหากก็เห็นหนังเหยียวย่นก็เห็นใช่ไหมตามืดมัวต่างๆหูตึงต่างๆ่างอเนี้ยมันรู้ได้แล้วก็ผมขาวงอกยังไงนะสตรีละก็ เอาอยาว่าก็เสื่อมซ้ทั้งหลายเหล่าเนี้ยสมองฝอนี่เป็นอาการของชะลาไหมความจําเลอะเรือนี่ใช่หมดเลยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้เริ่มเป็นกันหรือยังเป็นแล้วเนาะแล้วมันมียาที่จะทําให้หายได้ไหมชะลาเหล่าเนี้ยไม่มีเนาะเพราะชะลานี่เป็นเป็นความจริงแท้ที่มันจะต้องนั่นเอาตอนนี้ภูติจ้าบอกว่าโอกาสที่ไม่ควรบรรลุธรรม มีชลาอยู่ในนั้นด้วยมีพยาธิอยู่ในนั้นฉะนั้นควรรีบหรือยังเอออะอะไรควรรีบเร่งเนี่ยเนี่ยๆตรงนี้สงคัญเนี่ ย, อยบอกว่าต่อไปเราจะเจริญสติปัฏฐานไม่ได้แล้วไม่ได้เวลานี้ชลายังไม่ปรากฏชัดมากจนถึงขนาดเลอะเรือนจนจำอะไรไม่ได้แต่มีคราวหนึ่งมันจะถึงตอนนี้ควรระดมความเพียรหรือ ย, อยัง กลับไปรีบเก็บข้อมูลเอยเก็บข้อมูลอะไรเอาข้อมูลอะไรที่จะเกื้อกูลในการเจริญกุศลใช่ไหมถ้าใครจะมาพูดให้กุศลเราเสียหายปิดหนีเลยไหอปิดทันทีเลยกลับไปบอไม่เอาแล้วบอกไม่เอาอไม่เอาไม่เอ า, เอาขอคุยในเรื่องที่ทําให้กุศลเดินถ้าอย่างนี้แสดงว่าไปได้อ่าไปมั่นใจว่าเรารักษาใจได้นะามาเคยตกมาตายมาเยอะแล้ว ไปไปบอเฮ้ยอย่างเราที่ฝึกมาขนาดนี้แต่ก่อนนึนกท่านในใจเลยเนะยใครนะจะทําให้กุศเลเราเสียได้ออยากขาจังเลยมันเนี่ยที่ไหนได้ตอนคิดอย่างเงี้ยมันไปแล้วมันไปแล้วตอนคิดอย่างเง้ยมั่นใจยังไงมั่นใจเราเดินกุศลได้ยาวๆเนี่ยนะแต่ที่ไหนได้เอ้ยมันปปอยังไม่รู้ตัวนะมาไปเสร็จก็เรียบร้อยโอ้โหกวจะรู้เนี่ยรู้ตัวเทบจตายแต่เนี่ยต้องมาฝึกใหม่ วิใจัยใหม่แต่นี้ไม่เอาแล้วไม่ท้าอีกแล้วไอ้ที่จิตเริ่มท้าเนี่ยเริ่มเริ่มเสียหายแล้วชราอีกอย่างนึงคือมีความเป็นไปมีฟันหาเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าวันน้าที่เสื่อมเมือนอวัยวะทั้งหลายเนะี่ยมีการที่จะโค้งงอเป็นต้นอะไรเนี่ยนะก็ปรากฏทางจักขคุทวานด้วยแต่ว่าไม่รู้ได้นะต้องรู้ทางมโนทวารลักษณะอย่างนี้พึงทราบอย่างนั้นทีนี้ อวิจิชลาชลาที่ไม่มีร่องรอยกับสวีจิชลากับชลาที่มีร่องรอยเนาะชลาคือความก้ำค่าของแก้วมณีของเงินของทองของแก้วประการของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยเป็นอวิจิชลานะความวิเศษของวันน้าต่างๆในระหว่างเป็นของที่พึงรู้ได้โดยยากเปรียบเสมือนความวิเศษของวันน้าต่างๆของสัตว์ผู้มีชีวิตในพวกมันดะมันดะทสกัวัยเนี่ยวัยยังอ่อนๆอยู่เนี่ยนะ วัยซุกซนต่างๆเหล่านี้ยดูยังไงก็หาจุดชลาที่ไม่เจอเลยใช่ไหมเด็กที่กําลังสุกซนต่างๆเหล่านี้เป็นนักวัยยังอ่อนอยู่ดูเหมือนจะไม่มีชราอยู่ในนั้นหรือว่าดอกไม้ผลไม้ใบอ่อนๆทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยส่วนนิรันตะชราก็คือชราที่ไม่มีระหว่างขัน้นแต่ชราความข้ามข้านในสิ่งอื่นจากวัตถุกแก้วมณีเป็นต้นนั่น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 หรือเส้นผมเนี่ยนะผมหงอกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอะเนี้ยลักษณะอย่างนี้ปรากฏค่อนข้างชัดนั่นลักษณะของชราาชนิดชรลานะความที่ปรากฏความแก่งหอมของขันทั้งหลายแล้วก็มีการนำเข้าไปหาความตายเป็นกิจรสมีความพินาศไปของวัยหนุม่มวัยสาวเป็นอาการปรากฏเนาะแล้วก็มีรูปที่กําลังแก่นั่นแหละเป็นประธา ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ตรงนี้ก็ท่าน แยกลักษณะรักษาปัจจุปทานบัทฐานของชาลาเขาไว้ท่านแยกเขาไว้ถามว่าชาลาต้องมาวิจัยไหมต้องวิจัยนะเพราะเป็นเป็นทุกขสัตว์ฉลานั้นน่ะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นที่ท่านใช้คําว่าอายังวุตจติชาลาเนี่ยเรียกว่าชาลาเรากล่าวว่าเป็นชาลาเนี่ยก็าชาลานั้นน่ะเป็นขันธ์ปริ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 อยกตัวอย่างเช่นตับไตทั้งหลายเนี่ยเขาจะถามเออเนี่ยมันไตเด็กหรือไตผู้ใหญ่เนี่ยเขาถามงี้เวลาภาษาหมอคุยกันนะอก๋อนี่ไตเด็กก็อ๋เนี่ยเยอะนานหน่อยว่าอันนี้ไตผู้ใหญ่โ อ, โอ้โหเนี่ยเยอไม่ค่อยนา น, นเนี่ยเนี่ยมันก็เสื่อมมานะกเยอะแล้วงั้นนะอ๋อคือชะลา น, น, น, นี่นะชรานบาดปุ๋อันนี้เป็นอย่างนี้แค่มันมั น, ม, นมันเป็นมันเป็นลักษณะอย่างนี้มีการเข้าไปหาความตาย เฉลาเนี่ยมันจะเดินทางไปหาความตายมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้รู้มันทีแต่เนี้ยเวลาชฉลาปรากฏเนี่ยถ้าตามันจะชรลาก็แสดงมันจะเดินเข้าไปหาความตายหูมันชรลามันก็จะเดินไปหาความตายใช่ไหมผมมันเฉลาก็จะเดินเข้าไปหาความตายเนี่ยเล็บชรลาก็จะเดินไปหาความตายเงี้ยก็มาไล่พิจารณาดูทีอาการสามสิบสองเนี่ยที่มันชรลาเนี่ยผมกดนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นตัวอะไรเนี้ยมันเดินไปหาความตายใช่ไหม ถ้ามันเดินไปยาวมากมันก็เหลือน้อยอ่ะเหลือน้อยมันคิดง่ายๆเลยนะมุมตรงเนี้ยแต่เราขาดการวิจัยเท่านั้นเองถ้าวิจัยแล้วจะเห็นคุณของพระบรมศาสดาเลยนะเนี่ยโอ้โหพระทีเจ้าตรัสเนี่ยชะลาเนี่ยเป็นทุกข์อัตถะถาดีกาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ช่วยขยายใหญ่ขยายยังไงยังไงเป็เสร็จแยืนตำลาเสร็จเลยเราไม่เอามาวิจัยกันเลยแต่เนี้ยชะลาก็เลยไม่ปรากฏในใจของเราท่านทั้งหลายด้วยความเป็นทุกข์กษัตริย์เลย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 ของทุกขทางกายและทุกข์คือโทมนัทเนาะอัตภาพของชรลานั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทุรพลตัวชะลาเองเนี่ยเขาทุรพลนะเขาสามกําลังเหมือนเกวียนเก่าๆคร่ำคร่ า, าเมื่อเขาพยายามเพื่อจะยืนหรือเพื่อจะเดินหรือเพื่อที่จะนั่งทุกทางกายอย่างรุนแรงย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุตรภรรยาไม่คอยสนใจเหมือนแต่ก่อนโทมนัททางใจก็ตั้งขึ้นอาชรลาเป็นอย่างงี้ไหมอาตอนนี้เริ่มน้อยใจลูกหรือยัง แม่ไปรับลูกทุกวนันทุกวันมงค น, นเนี่ยใช่ไหมในเข้าเข้าลูกก็ไม่ค่อยสนใจแล้วเอาเรชักคิดหนักแล้วอันนี้ทรมานทางใจเกิดไหมไอ้ทุกทางใจล่ะเวลาจะเดินละเกวียนตอนนี้เกวียนมันเก่าเนาะเกวียนเก่าแปลว่าเกวียนนั้นใช้มานานแล้วฉะนั้นเกวียนเก่าที่เกวียนที่เก่าคําค่าไปเสร็จใช่ไหมเวลาจะเดินทางต่างๆนี้ต้องระมราาัดระวังให้จะพังเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตอนนี้ก็คือจะลุกเลยจะนั่ง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 พอบุตรและภรรยาของตนก็ไม่เลื่อมใสตอนนี้บุตรภรรยาไม่เริ่มเลื่อมใสเลยเนาะแล้วก็ถึงความเป็นคนพานอย่างยิ่งอาทำไมเขามาเป็นคนพานอย่างยิ่งอะขี้โกรธไงนะหลงลืมสตินะก็เลยเป็นคนพานเพราะบัณฑิตเ็าเป็นไปกับสติใชไหมชีวิตเนะี่ยแต่พอแก่ชราลงเนี่ยการหลงลืมบ่อยไหมน่ะต่อไปจะกลายเป็นคนพานนะอะคนพานก็ไม่ การอยู่โดยปราศจากสติไงสักแต่ว่าหายใจไปวันๆเน่ยก็เลยคนพานฉะนั้นต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนพานจริงๆถ้ายังไม่สามารถตัดกระแสขันให้ขาดได้เราจะไม่ได้มีโอกาสเป็นบัณฑิตแต่จะไปเป็นคนพานตอนแก่เพราะเรากลายเป็นคนหลงลืมสติที่โกรธบ้างที่น้อยใจบ้าง ใช่ก็กลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายตอนนี้เป็นแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นแล้วในคิดว่าใช่ไหมเขาต้องบอกว่าในท่านประพันธ์เป็นคาถาเลยไงในคาถาที่ท่านประพันธ์ไว้น่ยมีอยู่หลายตอนนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ยกบารีมาหรอกอริสุธิมาคนนี้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งทุกทางกายและทางใจนิชรานะ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 บางแห่งท่านใช้ขมเ้งนะเนี่ยศ น, นี้ท่านใช้ขมเ้งก็หมายความบอกว่าความสติหลงลืมและไม่จะคำว่าอะไรที่จริงมีบาลีอยู่นะกิงพากิงพาสีเตนะพะหูนานานุยังหูกิมจิเป็นต้นหล่านเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากรณี น, นี้ท่านกล่าวถึงใน ล, ลักษณะบอกว่าเนี่ย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 ระหว่างเขาไปคุยกับเพื่อนเขาดีใจหัวเราะต่อกระซิคไงแต่ว่หันมาคุยกับเราเนี่โหห น, ห, นหน้าบูดหน้าบึ้งอันนี้แปลว่าอะไรเขาไม่เลื่อมสายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนี่ชาลาเวลาปรากฏเป็นอย่างนี้บางทีเราก็พยายามบอกเขาตลอดเนี่ยต้องรู้จักรักแม่ต้องรู้จกักรจกระตันยูรักพ่ออะไรกับพ่อเนี่ยเอาคําสอนผู้เจ้าขูแล้วคุย อืเขาาเอ๊ะแปลกดีทําไมเราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ที่ไรแล้วอึดอัดเหลือเกินใช่ไหมไม่เหมือนอยู่ต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าใครจิตเขาล่าเริงไปต่องใสเขาเลื่อมใสคนอื่นซะแล้วเขาเป็นอื่นอะไรเลยเป็นปรตโตไปเลยและถึงความเป็นคนพานย่างยิ่งๆเลยต่อไปเอาละพอใครไม่เลื่อมใสเราบางหนักเข้านักเข้แต่นี้โกรธแล้วแต่นี้นักเข้านนักเข้ากลายเป็นคนอารวาสขาดเกลี้ยงไปเลยก็กลายเป็นคนพานไปเนาะ นี่ไงคติของเรามันใกล้ใกล้ไหมตรงเนี้ยที่ไปของเราเนี่ยใกล้ใกล้นี่เริ่มเป็นแล้วก็ไม่รู้อะตอนเนี้ยเสร็จเลยอ่ะบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อต้องการเอาใจใลูกหลานจริงๆเนะี่ยทำให้เขาทุกอย่างกลัวเอ๊ะมันก็ น, นึกไหม <c oughs> เขาบอกทําหน้าที่แตมันนึกอีกทีโอต้องการอยากจะให้ลูกเริ่มใจต้องการอยากให้ลูกเริ่มใจในข้านะเขา้นะเขาวเขาก็ไม่เริ่มใจ ก็มันจะไปเรื่อมสายได้ยังไงว่าจริงๆเขาก็เขาก็เข้าใจไม่ใช่ไหมเขาก็เข้าใจเนี่ยคนที่เขาจากรู้ซึ้งถึงคุณของพ่อแม่เขาต้องศึกษาพระธรรมเท่านั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีทางเขาจะไปศึกเขาจะไปรู้คุณของพ่อแม่ยังไง้าไม่รู้คำสอนถ้ารู้คำสอนจ ร, จริงๆเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อของเขาก็เหมือนรมาเวลาอยู่กับพระเนี่ยทุกคนทากันเนี่ยไม่ได้ไปยึดติด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 เจตนาศีลเจสิศศีลไปจนสังวรนวิตีกรรมะนี่เขามีกําลังแล้วก็ประพฤติวัดให้เต็มเพราะถ้าวัดท่านไม่บริบูรณ์เนี่ยปฏิโมกสังวรศีลจกไม่บริบูรณ์ท่านเข้าใจางไงท่านก็ต้องพอกพูนวัดเหล่านี้ให้เต็มเนี้ยเวลาเราประพฤติวัดกับแม่คุณพอ่อคุณแม่ทั้งหลายนุ่ยเยอะปฏิบัติถูกใช่ไหมไม่ยึดติ ด, ดแค่แม่เราแม่เราพอ่อเราเพราะข้อที่เราควรประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มีแค่พอ่อกั่แม่ใช่ไหมยังมีอีกทั้งเยอะในกรณีที่เอา ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเนี่ยทิศเบื้องขวาเนี่ยทิศเบื้องซ้ายเนี่ยครัวจารย์ขวาซ้ายคือมิตรทิศเบื้องหลังบุตรภรยาบ่าวไพรก็ว่าไปทิศเบื้องต่ําก็นั่นแหละผู้ใต้บังคับบัญชาทิศเบื้องสูงสมณะพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ต่อพระาราตน้าไตรก็ ก, ก, ก็ก็ปฏิบัติข้อวัดให้ถูกนี่ถ้าเราไม่ไม่เป็นอย่างนี้มันก็เลยไปยึดติดแกตรงนี้ก็ดูเหมือนโอ้เป็นคน ปฏิบัติข้อวัดดีนะเวลาสอนลูกก็ต้องสอนในครบวงจรนะอยู่มะไม่ใช่ไปสอนจุดใดจุดนึงไปยุ่งแล้วก็อย่างเราเหมือนกันอย่างกรณีที่เราปฏิบัติต่ อ, อเขาเนี่ยอย่างเหมือนอามาเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นพระนี่มีพระมาะอยู่ด้วยมาต้องปฏิบัติวัดเขาอามาเนะข้อวัดมีอยู่ที่เราควรปฏิบัติต่ อ, อเขาอย่างไรเนี่ยถึงยามเขาเจ็บป่วยต่างๆแล้วต้องไปนวดไปฟัน เ, าเน้านะต้องไปดูแลเขาเนอย่างเงี้ยอามาก็ต้องทํา ก็เป็นข้อวัดของเราที่ต้องทําอย่างนี้นะแล้วไม่ใช่ทำแล้วโอ้ต่อไปเดี๋ยวก็มาทําเราไม่ใช่ <c oughs> เราทําเราวบวมเพลนวัดให้เราให้เต็มเพราะเราบําเพลนสีและสิกขาอยู่เราต้องการจะทําให้บริบูรณ์จากศิกขาสามเราต้องการเดินศิกขาสามให้เต็มเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยของพระหลังหันใช่ไหมเราต้องการออกจากวัฏฏทุกอยเนี่ยนกะ็ทําให้มันถูกถ้าอย่างนี้มันชัด แล้วหลักมันหลักมันหลักมันไม่ไม่โยกคลอนใช่ไหมเนี่ยอริยาศาสตร์หรือเปล่าพี่ทูเนี่อริยาศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยเป็นไปก็ระเฉพาะภูณริยาศาสตร์นั่นแหละตรงนี้ก็คือว่าชะลาก็เป็นทุกข์ท่านกวีนิฉัยว่าขันนับเนื่องอยู่ในพบเดียวกันในสันตติที่รู้กันว่ามีการฟันหักชะลาท่านประสงค์เอาในที่นี้เชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งเองทุกข์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 ก็เป็นไปในลักษณะนี้อันนี้มาวิจัยพิจารณาเพื่อจะได้เห็นสัจจคือความจริงคือทุกเนาะประการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของมรณทุกมรณทุกในทิศโดยสมมุติก่อนเนาะจุติในด้วยอำนาจของสัตว์ผู้เคลื่อนจะพบเคลื่อนจะพบนี่นะจุดตินั้นเป็นสามัญว จ, จนะของจุติที่เป็นขันหนึ่งบ้างขันสี่บ้างขันห้าบ้างขันหนึ่งขันสี่ขันห้าเนะ เจวันนาตาก็คือภาวะที่เคลื่อนเป็นบทแสดงไถ่ถึงลักษณะของภาวะเจริญวัจะนะเพะโทรคือการแตกทําลายไปนะหมายถึงว่าพังคบ ป, ปั ต, ติของจุดติขันทั้งหลายก็คือการแตกเนะี่ยการแตกไปกองขันทั้งหลายเวลาท่านท่านศึกษาคําสอนนะเวลาเราศึกษาคําสอนกันให้สังเกตดูว่าไอการแตกไปกองขันเนี่ยมันแตกกันทุกขนาดแหละ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 รูปปันหาปัญหาก็แตกสลายเป็นตัวเหล่านี้นะคือท่านก็ไล่ไปทุกทวารหูก็แตกสลายเสียงก็แตกสลายจักขูยั ญ, ญก็แตกสลายโสตสัมผัสก็แตกสลายสุขเวทนาทุกเวทนาทุกกมาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายก็ไล่ไปอย่างเงี้ยจริงๆสภาวะธรรมเหล่าเนี้ทั้งตาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแตกสลายหมดเลยกระจายบ่อยๆถ้ากระจายบ่อยๆศูนย์ไหม ศูญจากอัตตาและอัตนิยะด้วยศูนย์จากเราและของของเราเป็นต้นด้วยถ้าจริงแค่สาธยายย า, ายาเงี้ยแซ่สักสิบพัวลอบก็เริ่มเห็นความสลายไปของสิ่งต่างๆแบบนี้เห็นไหมว่าการจะเข้าใจไม่ยากแล้แปลว่าสาธยายด้วยตรึกนอบน้อมไปด้วยน้อมไปด้วยไข่ควรไปด้วยว่าตาแตกสลายอย่างไรรูปแตกสลายอย่างไร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 ตาวิญญาณแกตกสลายอย่างไงโสตตาสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตาสัมผัสเป็นปจัจจัยแตกสลายอย่างไรก็ก็พิจารณาก็กระจายได้ไหมคณะสัญญาหลุดมดไหมอย่างนี้ก็หลุดมดความเป็นก้อนความแท่งทึบหายเกลี้ยงเลยตรงนี้ น, เ น, นเ้เข้าน้เข้าก็จะคลายความยึดถือได้ไหมยอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าดูก่อนวิกสุท์ทั้งหลาย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 สัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็ไม่ใช่ทั้งเธอทั้งหลายตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายใช่ไหมเพราะวัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุที่แตกสลายมันเกิดดับสืบต่อกันประดุดจนไวอีกจะไวกว่าฟ้าแลบไวกว่าฟ้าแลบทําไมไปยึดถือสิ่งที่มันไม่มีทําให้มันมีขึ้นเนีย่ยนะแล้วไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นต้นได้อาจจะคิดอย่างเงี้ยละได้ไหมเริ่มเข้าใจไหมจะคิดอย่างเงี้ยนี่ไม่ค่อยไปคิดกันต้องคิดทีมันจะเห็นความจริงเลยเด ก็เอาไปวิจัยบ่อยๆไปคิดบ่อยๆถ้าไปวิจัยหรือไปคิดในลักษณะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจแล้วมองออกไหมอยู่เนี้ยที่ประการต่อมาที่เราดูก่อนพิสูจทั้งหลายนะที่บอกว่าที่จริงบางแห่งท่านกล่าวถึงพญาทิบางแห่งท่านก็กล่าวถึงมรณะเลยเนาะถ้าในในที่นี้ท่านมรณามปีพญาที่ทุกโขก็กล่าว ความเก็บความเก็บเป็นทุกเนี่ยไม่ปรากฏในคำอธิบายทุกในสัจจานิเทศท่านจึงไม่แสดงพระดํรัลนดนั้นในคำภีวิสุธิมักทุกขสัจจานเนี่ยแต่พระดํรัลน์นั้นพบในธรรมจักรกับประวัตินานสูตรฉะนั้นถ้าเราศึกษาในอริยศัสตร์เนี่ยก็ต้องไปเอาในธรรมจักรมาขยายนะก็ต้องไปเอาในธรรมจักรท่านใช้คำว่าพยาที่ทุก ในพยาธิทุกเนี่ยนะท่านตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยาธิบังเกิดขึ้นในกายของสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุมีได้เสมอแปรปรวนแห่งาธาตุทั้งหลายาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟและาธาตุลมไม่ไม่เสมอบางทีก็เย็นบางทีก็ร้อนกระวลกวยและสมัมรสายอยู่ภายในในสรีล่เนี่ยนั้นให้สรีละ น, นั้นมีการฉิบหายไปเป็นธรรมดาเนาะเหมือนเพิงอะ่ะ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 แล้วก็วิ่งออกมาเนี่ยแล้วก็เดินออกมานี่ยนะหรือมิฉะนั้นก็เหมือนอะไรดีเหมือนพวกกาฝากเหมือนกาฝากเนาะต้นกลว้วยเลยวะต้นกลว้วยเลยที่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณางนี้เออมาชานัยเนี่ยมันเกิดในท้องของลาเนี่ยเวลามันจะออกจากท้องแม่มันไม่คลอดออกเลยมันใช่เท้าถีบเป็นท้องแตกแหละแล้วมันก็ออกมามแข็งแรง มาอาชาในามันแข็งแรงไอพยาธิที่มันอยู่ในกระแสะขันของโยมมันเหมือนม้าอาชาในามันถีบจนตายแหละพยาธิมันถีบจนตายเลยตอนนี้มันเริ่มถีบปอยังมันเริ่มโตยังตอนนี้มันมันม้าอาชาันตัวนี้เริ่มตัวโตอยนา ง, างมันเริ่มถีบยังถีบทุกวันไหมถีบแล้วเริ่มถีบแล้วตอนนี้เนีย เล่มทีบมันปรึกษากับชลาก็ไว้ไอ้ท่อง<ๆ>เองเล่นงานไม่ไม่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวค่าเองวางั้นมันก็นัดไว้มันมันมันพูดมันบอกก็ไว้นะไอ้ชาติทุกข์ก็หลอกบอกว่าไปตรงนั้นนะว่าง<ๆ>ั้นเนี่ยจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเราจัดการพอไปเกิดปุ๊บใช่ไหมชาติมาแล้วไอ้ชลาก็เล่นทั้งน่วมเลยทบใหญ่ทบใหญ่เอ้ายังไม่จัดการบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้สามเจอเราว่างันา้น มให้สามเจอถึงเนี้อประญาทีเล่นเลยตอนเนี้ยถีบเลยตอนเนี้ยเนี่ยเพรามันเยอยเนี่ยมันเล่นแล้วตอนเนี้ยเราก็ไปแก้ไขเนี่ยมันตรงไหนมันจะแตกก็ไปเย็บเย็บเย็บก็ไว้อยู่โอ้โหโอ้หกลัวมันจะถีบออกมามันกวนกวเี่ยตัวเนี้ยนะมันจะออกจากท้องมันเนี่ยทีนี้ก็หรือมีช่นนั้นก็เหมือนกับกาฝากเวลามันงอกขึ้นจากคาครบต้นไม้ใดแล้วเนี่ย ก็ครอบงำต้นไม้นั้นให้ฉิบหายให้ย่อยยับคือตายอ่ะไอ้กาฝากมันต้องเอาออกนะถ้ามันขึ้นกับต้นไม้ที่บางคนเขาชอบนไงต้นไม้ต้นไม้ที่จะปลูกกินลูกกินอะไรต้องไอ้กาฝากขึ้นทีไรเนะี่ยเรียบร้อยรียบจัดการกันเลยเรียบฟันเรียบตัดรูป ต, ตกแตกๆต้องกินเนะีนะ่ยนะ้ำข้าน้ข้ามันแย่งอาหารก็กินเนะต้นไม้หลักตายหมดเลยมนเป็นอย่างนี้ไอ้พญาที่เป็นอย่างเนี้บางคนถึงขนาดบอกว่าเขาไม่กลัวมะเร็งหรอก ถามทำไมถ้าบอกว่าถ้าเขาตายมะเร็งก็ตายด้วยไมไปคิดไปคิดอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยก็เนี่ยพยาธิได้ไปคิดพยาธินั้นมีลักษณะอย่างการที่บอกว่าจะทำให้กระรจชกายต่างๆมันครอบงำนำความชิบหายเกิดขึ้นเนะเหมือนกับดุดกระลูกไม้อ้อและขุยไผ่นั่นแหละ คุยไผ่เวลามันเกิดกับต้นไผ่มันก็ทําต้นไผ่ตายหมดเลยแค่พอคุ้ยไผ่ถ้าเราไปดูดิกอไผ่ก้อนไหนถ้าใครอยู่ในป่าจะรู้ถ้ามีคุยขึ้นมาเนี่ยเจี๋ยเหลืองเลยไผ่เนี่ยเหลืองแล้ ว, น, ลลวนั่นเขานั่นเขาตายตายจริงๆไม่รอดหรอกคุ้ยไผ่เนี่ยมันเกิดมาเหมือนสนิมในเหล็กแท้เนี่ยเกิดในเหล็กกัดเหล็กขาดหมดพยาธิก็คือเกิดในขันไหนเล่นงานขันนั้นเก็บหนักเหนื่อยเมื่อยครบต่างๆมันเกิดขึ้นในกายของสัตว์ทั้งหลาย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 เอาที่ร่างกายขนาดนี้ดูมันจะเล่นยังไงวะงี้ยเรียบร้อยเดินละล้ม เ, เคยนะเคยคิดว่าเอา้าก็ลองดูที่เนี่ยมันป่วยหนักอ๋อเดินไปเรื่อยๆถ้านั่งแล้วหรอนั่งแล้วสุดแน่นอนก็เดินไปเรื่อยๆเดินตะเข้าตเข้าเดินจนหลุมลึกเลยนะหลุมจนลึกนะแนะเลยเคยคิดนะเดินทั้งคืนเนี่ยทุกทายเราไม่เคยกัน เดินทั้งคืนเนี่ยเคยคิดว่าเฮ้ยเราเดินเนี่ยเกือบจะรอบไหนแล้วเนี่ยเราจะถึงจังหวัดไหนแล้วถะเวนาเป็นจังหวัดเนี่ยก็เดินเดินเนี่ยเดินหนักเข้าหนักเข้าเดินเดินเดินหนักเข้าเดินไม่ออกเลยเริ่มไม่ค่อยออกแล้วเดินเริ่มอืดแล้วเริ่มอืดเลยหนักเข้าต้องใช้ใช้ลาวเกาะเข้าไว้ถ้านั่งไม่ได้นั่งก็สุดตอนนั้นป่วยหนักเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อย นัเข้านัเข้าไม่ไหวจริงๆโอ้โหขานีไปหมดแล้วจรงโยมโ ย, ยมพ่อแกก็แกก็เดี๋ยวก็ลุกดูลุกดูอยู่ตอนนี้นแไปเปล่าแต่ก่อนมานี่กับพ่อกับแม่มาก็ไม่ค่อยคุยด้วยืาอ <c oughs> คนไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรทัึงเสียเวลาจะเลกุศล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 ก็ก็พอบวชมาก็คิดเลยคิดเลยเพราะว่ามีมีมีแรงกระตุ้นด้วยไงพอมีแรงกระตุ้นทําทแบบนี้จะพ้นทุกข์แค่นั้นแหละเอาเลยเขาบอกว่านี้นั่งกรรมาฐานกาหนดอย่างเงี้ยพิจารณาอย่างเงี้ยเอาเลยบกพ้นทุกข์ได้โอ้โหได้โอ้โหเอาเลยลุยเลยเี้ยเขาเรียกฉลาดเออแบบทาแบบพยายามแบบไม่ฉลาด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 ท่องได้แล้วแปลได้แค่นี้เองแล้วอธิบายไม่ได้ไปที่เจอเนี่ยเนี่ยที่อยู่ๆด้วยกันที่กลุ่มๆเนี่ยเนะ่ยจี้หัวถามอยากค้นทุกกันทั้งนั้นขวัญขวายกันเนีย่ยขะัญขวายถามกันตรงๆเนี่ย อ, อยากค้นเน่ย อยากอยากพ้นแต่ไม่ใช่เยอะนะมีไม่กี่องค์อยากพ้นไม่อยากได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเนะี่ยข้างข้างนอกเนะี่ยมันมากันเต็มกันทั้งนั้นนะมากันประเภทที่ว่าเอื้อมละอาออกมากันทั้งนั้นเนี่ยเจ็บปวดกันบ้างเอื้อมละอาออกมากันทั้งนั้นอะไรเงี้ยต่างๆ่เนี่ยบางคนกว่าจะออกมาได้แม่สลบแล้วสลบอีกสลบเลยนะก็จะออกมาบวชได้พอลูกจะไม่ยอม จะบวชแค่นั้นแหละที่แรกก็ะสึกออกไว้เนี่ยพราะติเองใจแม่ออกไปกระโกนหัวอยู่งั้นนี่ยพออยากรับข้อมูลแล้วเนี่ยแม่เห็นไม่ไหวแล้วลเข้าเน่ยเข้าก็มาปรึกษามามาก็บอกไปบอกตรงๆกับท่านเลยเพอบอกตรงๆแค่นั้นแหละแม่ลงไปกิ้งดิ้นร้องเหมือนใจจะขาดเนลูกกูทําไมเป็นอย่างนี้ไม่รับอะไรมานีท่านก็กํามือเนี่ยนัยนลอยบังเดินคาระวะอยู่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 ถ้าอย่างเงี้ยไม่อยากคนทุกโชได้งไงก็มันมันมันเบื่ออะไรมาเห็นบาปะเห็นบาปในสิ่งที่ตนเองทําไปเกี่ยวข้องกับงานการบุญมันน้อยอย่างที่ยมบ้าโอกาสได้บุญน้อยมันแคบมั้ยแต่นี้มันเคยมามาสัมผัสบุญอะไรเงี้แล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ได้งไงถ้าคนฉลาดการคิดหน่อยถ้าไม่เคยมาสัมผัสเพศนี้นะมันก็อย่างนี้ไหมถ้าเคยมาสัมผัสแล้วเนี่ยมันอิสระโปร่งโล่โงเบาวันต่างกัน เ, เนี่ย ความเป็นอิสระการโอกาสในการเจริญกุศลนี่ต่าง น, นันก็ไปเลยถึงก็จะเป็นลักษณะแต่บางท่านก็จะค่อนข้างที่ใจอยากจะออกมีแต่ในขนาดเดียวกันก็คือน้อมมันก็ยังก้า ก, กึ่งอย่างนี้ก็จะเยอะก็จะเป็นอย่างแต่ว่าบางทีก็อย่างที่บอกนะมันก็ได้แต่ว่าสร้างอัธยาศัยแต่ทาําการกำลังเหตุปัจจัยไม่ถึงก็สร้างเหตุปัจจัยไปนี้ ใช่ไหมสร้างเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ว่าต้องการหรือความต้องการมันมากจริงแต่เหตุปัจจัยมันไม่ถึงมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ใช่ ม, มันมันก็ต้องทําเต็มเต็มเต็มรูปแบบแต่แนก็ต้องต้องต้องวาไปบางคนถึงขนาดว่าแลกผิดแลกถูกเลยนะปฏิบัติเนี่ยด้วยความอยากออกใช่ไหม ด้วยความที่สติปัญญาเราก็แค่นี้ก็แรกผิดแรกถูกกันเลยว่า ง, งั้นในชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่ไม่ธรรมาดาก็เป็นนี้ที่สุดจริงๆก็เนี่ยมาตายตายที่ประไตพิดกตายที่พระไตพิดกว่าไปเหอะว่าไปขนาดไหนได้ไดดมาตายที่คำสอน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 มรณะปีดทุกขังในความทุก์เนี่ยมีสองประการมีท่านกล่าวไว้นี่นี่นะทีนี้ในเรื่องของมรณะเนี่ยความหายความขาดไปเป็นต้นเหล่านี้นะมรณะกล่าวคือมัจจุเนี่ยมัจจุกระทาซึ่งความที่สุดแห่งกาละกระทากาละก็ชื่อว่าการะกิริยาคือการทําการะมรณะโดยสมมุตินะทีนี้ในมรณนิเทศเป็นปรมาจเนาะ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 ที่กำลังใกล้จะตายไม่มีอาสมมุติยอมอาสมมติพระดีกว่าจะยอมไปหาเป็นลางไว้ดีใช่ไหมใช่ถ้าพระพระไม่ถือดีไหมต้องยกตัวอย่างดีไหมใช่ไหมกรณีที่ว่าพระเนี่ยกำลังจะมรณะพระใช่ไหมถ้าบอกกำลังจะตายข้าะพระไม่มีใช่ไหม แต่ว่าเมื่อเมื่อขันนี้กําลังจะเข้าถึงความแตกทําลายในกรณีการเปลี่ยนภพเรียกว่าพระกําลังกําลังจะตายใช่ไหมถ้าภาพนี้ท่านมาแล้ะภาพาหรือตายไปแล้วเนี่ยเรียกว่าสัตว์นี้ตายแล้วหรือพระนี้ตายแล้วอย่างที่เราได้ยินข่าวโอ้โหเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บกําลังจะตายอย่างเงี้ยแท้จริงบุคคลไม่มีเนียแท้จริงเป็นการแตกไปของขันถ้าคิดอย่างนี้ไม่ค่อยยึดถ้า่างนั้นไอ้คนที่เรารักตายอางเงี้ย ไอคนที่เราเกียรตตายมันเป็นโทษดิเข้า mm hmm. ใจไหมแต่ถ้าเราเห็นว่าขันนี้กําลังกําลังจะแตกกาลังจะตายแล้วแต่พอได้ทราบข่าวอีกทีบว่าตายแล้วขันนี้ตายแล้วดับไปเลยคำว่ า, าตายแล้วแปลว่าอะไรขันนี้ปฏิสนธิใหม่เลย mm hmm. อันเดียวกันเนี่ย mm hmm. สังสารวัตขาดได mm hmm. ้อย่างหยั่งหยั่ง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 ใชในการนี้อย่านสัตว์หรือสัตว์เป็นภาวรัทั้งหมดเลยพระพุทธญาณเห็นสัตว์โดยความเป็นท่านผูกสัตว์เหล่านี้ไว้ในตนหมดนะพระบริษัตว์พระโพิษัทมีอีกเยอะในสังสารวัฏที่เหลือนี่ท่านมองสัตว์เหล่านี้ไว้หมดเลยที่ท่านมีภิญญาญาณทั้งหลายเหล่านี้นะท่านก็ผูกสัตว์เหล่านี้ไว้ในตนถ้าท่านสําคัญโมหะนี้ร้ายกาจนะอย่างนั้นนะทำให้สัตว์ลุ่มหลงมืดบอดทํากรรมที่ไม่เหมาะไม่สมกันอย่างไรก็ท่านก็พิจารณาเป็น พอพิจารณาเบษษ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านเร่งเร่งความเพียรท่านใหญ่เลยบารมีเอยทั้งทานบารมีศีลบารมีเนตรขมารปัญญาวิริยะคันติสัจจะที่ฐานเมตตาบุคคลเร่งใหญ่เลยเพราะท่านต้องบอกโอต้องช่วยสัตว์เหล่านี้ยังมืดบอดอีกเยอะมากหลายอย่างนี้ท่านก็เร่งความเพียรในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์เข้าใจใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ <S <S พระเจ้าตอนสร้างบารมีพระเจ้าไม่ได้คิดเว้นพระเทวทันนะคิดไหม ไม่ได้คิดเว้นนะบอกเออจะเว้นพระเทวทัตไว้หงไม่ไหวช่วยแล้วเกินไม่ท่านไม่เว้นเลยเข้าใจปาท่านไม่ได้เว้นเะท่านเป็นผู้มีใจดีแต่อย่างเราบางทียังเว้นนะใช่ไหมยังเว้นอยังมีใจเว้นเนี่ยอันนี้อันนี้แรงของโพธิสัตว์โตยังไม่ชัดยังไม่ชัดเลยนาะถ้าชัดเมื่อไหร่จกไม่เว้นเลยแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความเข้าใจในคําสอนของพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในตรงนี้นะเนี่ย ฉะนั้นต้องต้องเข้าใจคําสอนมากขึ้นตรงนี้ก็คือว่าความแตกแห่งขันทั้งหลายย่อมมีด้วยอำนาจแห่งอะไรโดยอํานาจแห่งโวหารต่างๆเนาะการแตกไปเป็นชื่อของสัตว์อะไรตายหามีไม่แท้ที่จริงก็เป็นแต่เพียงโวหารว่าสัตว์ตายสัตว์เกิดเป็นต้นเหล่านี้นะในนี้คือสัตว์ตายการแตกไปของขันทั้งหลายย่อมมีด้วยอำนาจของจัตโตโวการภ พ, พปัญจวโวการภ พ, พเนาะความจริงซากศพ ย่อมมีด้วยอำนาจของเอกวการาบนะเาันอแล้วมีใครเก่าร่วมียอะก่าอะไรเ น, นี่ย มีรถไม่เป็นไรมั้งก็รถวิ่งไปส่งกันหน่อยก็ได้อ๋อฮ่าก็ได้ก็เลย ไม่มีอะไรหรอกถ้าเรามีพาหนะกับไม่เป็นไรเพราะกลับแท็กซี่หรือยังกับไม่ได้ก็ตรงนี้ก็พักได้มีบาทมีอะไรบินไฮะ อ๋อฮะอ๋เอเด็กเนอะได้ถ้างั้นจะกลับตอนนี้เลยใช่ไหมฮะไ ม, ไม่ไม่ต้องไปยอ่อ <c oughs> หรอกสวยเขาฮะกลับไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ย ก็วิ่งส่งกันเอากันได้ทลยิติปิโสภะคะวาอรหังสามมาภุทโนวิจาจารณาสัมปันโนโลกาวิทุ อนุตรโุริสดาธรรมสารทิสัทว่ามนุษสานังพุนโดภควาติสวากาโตภาควตาดัม สันทติโกอาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยโกปจตังเวทตาโพวิยูทิติสุปติปันโนะขวตโตสาวกสังโ อุชุปิปันโนมะขาวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสามีปิปันโนระวโตสาวกสังโฆญาทิฏังจัด ตาปุริสยคาณิอปุริสุคาราเอสะภาขาวัตโตสาวสังโาหเนโยหเนโยทาีเนโยอันจาริกาลินโยอนุตตรังปุญญ ทางโลกัสสานติเมสรนังอันยังพุทโธเมสารานังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏถธียญสัตุสาสเนติเมสารนัง ธรรมโมเมสารานังวารังเอเทน a ส a ัจวัตเชนะวัฏเธียงสัตตุสัสนินาทิเมส a ร g ังอันยังสังโกเมส a รานังวารัง เทเปนะสัจวัเชนะลาเทยังสาตุสาเสนกายเยนะวาจายวเจตสาวาโพเทกุกรรมปังปะปะตาไมยะยามทบปฏิการหาตุอาจยันตัง Kak